ทางโหรถจากศิลปะวิในที่ศึกษาดีแล้วสุดท้ายวาจาสุภาษิตลูกน้องพวกการนี่กนเก่งมากในขนาดหัวหน้าไม่อยู่แค่แป๊บเดียวแลวนะทุกชั้นจำได้เกือบหมดแล้ะจะก้าวหน้าเกินหัวหน้าแล้วคนนี้ทีนี้ก็บอกว่าไม่ครบคนพานให้ไปคบบัณฑิตเนี่ยถ้าเกิดเราตอนที่เราพานนี่เราจะทำยังไง สมมาะถ้าเรางี้เง่าขึ้นมานึกโทษะขึ้นมาชเฉยอย่างนั้นนะนะทําไงละครนี้อ๋อเรียผาบัณฑิตเลยนะบแก้เรบชําระเอากันแล้วกันเพราะไม่งั้นนี่ก็พานกับบัณฑิตมันเป็นอยู่พักๆอ่ะนะอีกพักก็เป็นพานอีกพักก็เป็นบัณฑิตอีกพักก็หลับเป็นอพยกระตาไป <c oughs> ก็สลับสลับเคล้ า, ลากันไปอย่างนี้นะ <c oughs> ก็แก้ๆเอานะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะคําว่ามงคล น, นี่แปลว่า มงคลนะเหตุแห่งความเจริญนเหตุให้ได้รับความเจริญแต่ถ้าอัปมงคลมีที่ไหนเมื่อไรก็แสดงว่านั่นเป็นเหตุแห่งความเสื่อมถ้าเรารู้จำแนกแยกแยะว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสี่อมก็ละเว้นเหตุแห่งความเสื่อมตั้งอยู่ในเหตุแห่งความเจริญนี่มาขึ้นมงคลที่เท่าไหร่ที่สิบเอดนะ มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสสังฆะโหอนาคุลาจะกรรมมันตาเอตัมมังขลมุตตะมัง่เมื่อกี้เก่งมากนะหลายคนว่าเป็นบาลีเลยบางหลายคนก็ว่าเป็นภาษาไทยนะชมทั้งหมดท่าอาตมาเป็นคนให้คะแนนน่าถูกหมดเลยเว้นว่าจะจํามาผิดนะบาลีก็ได้ไทยก็ดีนะการบํารุงเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยเป็นมงคลอันนี้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 ทดาด้วยนะถ้าใช้คำว่าบุตรที่ไหนก็บวกที่ดาเข้าไปด้วยเดี๋ยวเขาว่าเลี้ยงแตให้แต่ลูกชายเกิดนะลูกสาวไม่ให้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้ามีบุตรกับที่ดาคู่กันเอาแต่บุตรก็พอ mm hmm. การทำอุปการะด้วยการล้างเทา้านวดฟันขัดสีให้อาบน้ำและด้วยการมอบให้ปัจจัยสี่ชื่อว่าการบำรุงใครเคยล้างเท้าให้พ่ อ, ใ ห, พอให้แม่บังกรุณายกมือขึ้นหน่อยเธอจะได้นุมโมทนาถูกว mm hmm. ูสาธุสาถุ พ่อแม่ดินี่กําลังพูดพ่อแม่อยู่อ๋อแช่น้ํานวดเท้าทุกเช้าหืมสาธุมีบุญมากอนะเปิดเทปธรรมะให้ฟังอีกทําไมมีบุญจังเนาะทาบุญอะไรมาเนาะอ๋อได้อุ้มด้วยเป็นครั้งคราวอนะเก่งมากนะสระผมให้ด้วยแต่งตัวให้ด้วยอาบให้ด้วยโอ้นี่เข้าหลักคาพีเลยนะเนี่ยอันะเป็นเหตุแห่งความเจริญคุณทรัยได้ทํานั่นนะนะ ทำแล้วนะแล้วคนร่่งได้ทำหรือเปล่าพาไปโรงพยาบาลเนะอาอาเอาแต่ยังแต่ยังดีละก็กลุ่มป้านาทั้งหลายนี้ก็ได้เลี้ยงมารดาอยู่นอนนะหลายท่านที่นี่นะเฉพาะที่อรตมารู้จักนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยเป็นผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่นะด้วยวิธีการต่างๆซึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดก็มีโอกาสได้ล้างเท้านวดเท้าขัดสีให้อาบน้ำ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 เป็นทุนเป็นสเสบียงให้ได้ศึกษาพระธรรมกับเขาบ้างการบำรุงบิดามารดาเนี่ยนะเป็นกิจที่กุลบุตรทั้งหลายควรทำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่ทำนะผู้นั้นจะเดือดร้อนตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยพอพูดถึงคำว่าพ่อคำว่าแม่เขาจะไม่ปีติโสมนัตเลยเขาจะค่อนข้างโทมนัสมากประดุดเหมือนคนที่อยู่ในพระาศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธเจ้า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 ว่าราช ก, การจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกล่าวถึงพล ท, ทหารคนหนึ่งอนะเขาว่าที่ไปเยี่ยมทหารในชายแดนแล้วทหารเนี่ยหมวกนี่เป็นรูมหมดเลยแต่ว่าทหารไม่ตาย น, นะเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามทหารทหารบอกว่าทําไมเป็นอย่างนั้นบอกเอาผ้าถงแม่ใส่ใน น, นั้นแหละมันเอาเป็นเครื่องรางอย่างดีนะเมื่อนี้ไม่ใช่เรื่องนานนะเมื่อสักเมี่ยสมัยที่เวียงแหงเนี่ยเมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วนี่เองนั่นะมันก็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 เพราะว่าปัจจัยสี่ของพ่อแม่ทั้งหลายดูเถอะอย่าเราดูง่ายๆอย่างคนที่กําลังมีลูกมีหลานในตอนนี้จะเห็นชัดนะคนที่กําลังมีลูกในตอนนี้ประกอบอาชีพเพื่อจะเลี้ยงลูกพ่อแม่หลายคนก็บอกว่าลูกเขาเรียนจบเขาจักสบายนะเขาจักสบายถ้าเรียนจบแล้วจักสบายจริงหรือเปล่าไม่ทราบพวกกัน <c oughs> <c oughs> นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็สบายแล้วเดี๋ยวมันจบแล้วก็สบายแล้วะหวังว่าจักสบาย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 ลืมพ่อลืมแม่กันหมดเลยครับว่างนันนึกถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ถ้าส่วนใหญ่นะคน ใ, ใกล้ๆนะที่ไม่ใช่พ่อแม่ะนะแล้วขนาดเดียวกันนะถามจริงๆเหรอพวกลูกๆทั้งหลายนะี่เลี้ยงง่ายนักหรืออย่างไรนะ <c oughs> เลี้ยงง่ายไหมลูกๆทั้งหลายนั่นก็อยู่ในท้องเนะี่ยไล่ออกมาเหรอพอมันเจริญเติบโตมาเนี่ยนะเป็นเด็กเล็กที่แงจนกุมชูเล่าให้ฟังว่าป้อนข้าวอยู่ครั้งละครึ่งวันว่างั้นฮหรอหลานก็นะ <c oughs> <c oughs>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 แล้วมันโตส่งไปเรียนอีกมันเรียนอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าส่งไปเรียนมันไปที่ไหนกล่องหมายรู้เนี่ยนะกลับบ้านเวลานี้ควรถึงบ้านไม่ถึงอ่ะพ่อแม่ก็เดือดร้อนนั้นหลายๆคนในห้องเนี้นะถ้าได้ลูกเท่าเรานี่น่าสนใจไหมถ้ า, าสมมตินะถ้าเรามีลูกขอให้ลูกเรานี่เหมือนเราเช่นเราเลยนะหลายคนเนี่ยปลื้มใจไหม <c oughs> ก็นับว่าถ้าเปลื้มใจก็นับว่าคนนั้นเยี่ยมเลยนะ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 แต่ขณะนั้นก็ยังหวังว่าถ้าเขาเจริญเติบโตแล้วเขาจักสบายนั้นพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยมีอุปการะคุณเลียย้ยงดูพ่อแม่คิดว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อลูกจริงๆถ้าเปรียบเทียบถึงสิ่งที่จําต้องทนนะนะจำต้องอดทนเนี่ยไม่มีอะไรที่บุคคลทั้งหลายจะอดทนเท่าเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยนะเ ข, เขาอยู่ด้วยความอดทนด้วยความยากความลําบากหน็กเหนื่อยจริงๆเขาไม่เคยทนอะไรขนาดนั้นหรอกนะ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 ี่นอนอการขัดสีการให้อาบน้ำและล้างเท้าเพราะการปรนนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายพึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกไปแล้วอย่างบันเทิงในสวรรค์นี่นะมันเขาก็ได้ทำบุญกับผ้าอรหันเลยถ้าหาพราอรหันทำบุญที่ไหนไม่ได้ก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละที่เรียกว่าควรเป็นนาบุญของเราที่สุดที่เราควรจะทาวิธีตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมารดาบิดาว่า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 คำพูดเสียดสีบิดามารดาปกติมารดาบิดาควรจะเป็นร่มโพร่มไสของลูกของหลานใช่ไหมอันนี้มันเป็นร่มตาบ้างร่มมะพร้าวบ้างเดี๋ยวก็ฟ้าผ่าบ้างเดี๋ยวก็กิ่งไม้แห้งตกใสหัวลูกบ้างอย่างเงี้ยเราว่าสรรหาคำมาด่าคำสรรหาคำมาเน็บแนมโดยประการต่างๆซึ่งลูกบางคนก็ต้องไปเจอกับพ่อแม่อย่างนี้เนี่ยเขามารู้จักหลายคนด้วยเขาก็หนักใจค่อนข้างมากเลยนียคือที่หนักใจส่วนหนึ่งไหมครับว่า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 คือก็ตั้งตั้งตัวขูดรีดลูกจริงๆนะเน่ยตรงนี้เนี่ยสาหรับลูกบางคนที่เรียกว่ากระตันยูรู้คุณเนี่ยก็ค่อนข้างหนักใจมากเลยว่าว่าจะทาอย่างไรในการที่กล่าวว่าการสงเคราะห์พ่อแม่เนี่ยนะจได้บุญมากอันนี้ก็เป็นจริงแต่ก็ไม่ใช่จะ ง, ง่ายเนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนไม่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเลยเนี่ยเรียกว่าโดยประการใดๆก็แล้วโดยวิธีการใดๆก็แล้ว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 แล้วแล้วโยมเวลาเห็นพ่อยมกินเราเนี่ยโยมว่าไงโยมคิดยังไงผมก็ตกขนาดเลยครับเพผมโมโหจะจะทําจะได้ก็ทุกของเขาเหมือนกันนะะก็บอกอ่ะแล้วโยมถ้าโยมกีนเราเมายาแล้วลูกโยมจะคิดยังไงเออมันก็เหมือนกันเนาะกวงันนี่นี่อาจารย์ผมลดมาห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะเนี่ยกวางันก็เอาให้มันถึงร้อยเธอลูกหลานจะได้มีความสุขบ้างอนะก็ก็น่าเห็นใจนะพราะุพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมอะไร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 อะไรจะเกิดข <sa Pop> ึ้นเนี่ยนะลูกก็ทุกโทมานับมากข้าวปลาก็ไม่กินกินแต่เล่าอย่างเดียวเลยนะก็ก็รู้จักนะข้างๆบ้านก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่บ้านบางทีก็เป็นอย่างนั้นเออไม่ใช่บางนะหลายทีก็เป็นอย่างนั้นแนะนะก็นับว่าหนักใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊จะทํำยังไงพูดมากก็บาปนะพูดดีๆก็เฉยไม่รู้เรื่องเองโอ้นับว่าทุกโถเหมือนกันนะเอามาเนี่ยโอ้บางทียังอธิษฐานเลยโอ้เจอกระชาเดียวก็พอแล้วมั้ง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 ลูกอะนะ ก, ก็เดือดร้อนจริงๆอะนะใครไม่เห็นโทษของวัตถะก็อยู่ไป <laughs> จะได้เจอในทุกสภาพนั่นแหละะ <c oughs> คือถ้าเกิดถ้าตั้งอยู่ในกุศลธรรมบ้างเนะีนะไม่ทําบาปทำกรรมอะไรเลยนี่ก็ดีเออแต่ว่าช่วงสองสวันนี้ไม่รู้บุญอะไรไม่ทราบบอกว่าเมื่อวานก่อนก็ อ, อุบโบสถเมื่อวานก็อุบโบสถอีกบอกเมื่อเช้าถามอีกโอ้วันนี้อุโบโสถอีกโอ้ดีนี่ <laughs> สงสัยได้การยานามิตรหลายคนอะนะช่วยสงเคราะห์เลยอะนะ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 เมาา่อช้ายมพ่อเนี่ยเป่าบุรีไกลๆหน่อยเดี๋ยวมันเนี่ยมันจะหวัดลงคออีกแล้วเนี่ยแล้วก็ก็ <laughs> น่าเห็นใจนะ <laughs> ข้อมาเนี่ยใช้โอ๊ยขอร้องก็แล้วโอ้อ้อนวอนก็แล้วโอหลายแล้วแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ชักชักจะปกตินะพ่อแม่เขาเจริญอุเบกขาต่อลูกใช่ไหมตอนนี้ลูกชักจะเจริญอุเบกขาบ้างแล้ว <laughs> มันปรับตละปัดกันไปหมดแล้วตอนนี้ย นึกถึงพ่อเมื่อไร่พ่อก็มีกรรมเป็นของของตนนั่นแหละมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดือนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศรรยัยพ่อจะทํากรรมอะไรไว้ก็รับกรรมของพ่อไปก็แล้วกันก็คุยกันก่นแ็แล้วแล้วก็บอกแล้วนะว่าพ่อเนี่ยทำบาปไว้เยอะแล้วนะฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะเนี่ยนะพ่อเลี้ยงลูกแต่ก็มีนะก็ขอมากับยมพ่อเนี่ยบางทีคิดอยู่เรื่องหนึ่งสมัยเด็กๆเกนี่ยบ้านเรามันเป็นเป็นท้องนาท้องทุ่งใช่ไหม ทีนี้ห่างจากหมู่บ้านออกไปสักสิบกว่ากิโลเนี่ยหรือสิบกิโลเนี่ยมันจะมีไอ้เรียกว่าหนองน้ําเนี่ยหนองน้ําเป็นที่หาปลาทั้งหลายมั้นพ่อก็เช้ามาก็จะหอบข้าวก็หอบก้อนหนึ่งปั่นจักรยานเก่าๆอันหนึ่งเนี่ยไปหาปลาที่ที่หนองน้ําที่มันไกลเป็นสิบกิโลก็ปั่นไปเราเย็นๆแล้วก็นั่งรอพ่อเมื่อไหรพ่อจะกลับมาจะได้กินต้มปลากันนะอันนี้ก็คิดถึงในส่วนนี้เราก็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 แต่ก็มีบุญโขเหมือนกันนะลูกไม่ขันเข้ามาทางนี้ทุกคนเนี่ยนะจะว่าทุกคนก็ได้เนี่ยนะมีลูกห้าคนดีนะถ้าไปสร้างปัญหาให้ด้วยจะหนักขนาดไหนไม่ทราบนี่ยนะแต่ก็เนี่ยนะก็วันนี้ที่พูดนี่ก็หวังว่าพ่อจะดีขึ้นนั่นแหละจะได้บุญบ้างนะเนี่นะเนี่ยนะถ้าวันนี้ประสบความสำเร็จจะได้บุญอีกมากเลยนะเนี่ยทีนี้กล่าวถึงกิจกรรมห้าอย่างในการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะ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 แล้วก็ให้ท่านเนี่ยถึงพร้อมด้วยศีลไอ้ตรงเนี้ยทํายากให้เลื่อมสในพระพุทธธรรมพระสงค์ก็พอได้ละแต่ว่าให้ถึงพร้อมด้วยศีลนี่ยากบวชนี่ไม่มีเขาเลยนะพระท่านถามว่านี่เห็นพระพุทธรูปแล้วเป็นไงคิดจะบวชบ้างหรือเปล่าสงสัย จ, จเป็นชาติหน้าเขาแบบนั้นดูท่าจะยาํากันนะแล้นก็ให้ท่านถึงพร้อมด้วยศีลด้วยการบวชะบวชเนคขมมะก็ยังดีนะซื้อศีลแปดแล้วนี่แหละเป็นยอดแห่งการบํารุงมารดาบิดาะ ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยนะให้เลื่อมสในพระรัตนะตรายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายของมาเคยเคยคิดแล้วก็เคยพูดด้วยว่านี่นะถ้าเราทําให้แม่เราเลื่อมใสในสาศาสนาได้นะโอ้ยโลกนี้เราช่วยได้หมดอะไม่มีใครที่เราโปรดไม่ขึ้นแบบเชอถ้าเราโปรดแม่เราได้เนี่ยนะมันก็เขาบอกว่าในบรรดาคนที่ถ้าเอาธรรมะไปกล่าวด้วยนะพ่อแม่เนี่ยคุยด้วยยากที่สุดเนี่ยนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะ เพราะอะไรพ่อพ่อแม่ก็อย่างที่เขากล่าวผู้การกล่าวเมื่อกี้ใช่ไหมก็มองเห็นลูกเป็นลูกวันยังค่อมนั่นแหละนะแล้วฐานะลูกเป็นผู้ที่ตั้งยืนให้เป็นผู้ให้โอวาทอะไรจะเกิดนะมันจะยากขนาดไหนเพราะไมหน้าหรอกท่านจึงบอกว่าบุญมากเลือเกินเนี่ยนะพ่อทำยากมเมื่อคืนนิยมก็ยังมาปาลบเรื่องนี้อีกเหมือนกันใช่ไหมก้าวสิบกว่าแล้วก็ยังไม่ค่อยเอาเลยอย่างเงี้ยความห่วงลูกก็นั่นแหละแล้วแม่ก้าสิบนี่ลูกควรจะเท่าไหร่ดีนะนะดูถ้าจะห่วงลูกมากแล้วเกินอย่างเงี้ย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 เมื aki, humans, ่อจารีตศีลเราไม่ดีกล่าวตรงๆเราก็ไม่คู่ควรที่จะบรรลุมรรคผลถ้าเป็นคารวะน่ะนะถ้าไม่บำรุงบิดามารดาก็ไม่คู่ควรบรรลุมรรคผลประดุษพระภิสุทธ์ทั้งหลายถ้าอยู่กับครอาจารย์เป็นต้นแล้วไม่ประพฤติวัดปฏิบัติก็ไม่ควรแก่การบรรลุมรรคผลฉันนั้นเนี่ยนะอันพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยคือสะพานแห่งการบรรลุมรรคผลการการออกจากวัฏตะในพระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นเนี่ยนะ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 ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ก็ชื่อว่าสุดยอดของผู้ที่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยนะ ก, ก็สุดยอดเพราะทางพระศาสนาเราให้ความสําคัญตรงนี้มากภาษารีบุตรเนี่ยน ะ, วะเวียนไปสงเคราะห์แม่หลายครั้งไปเมื่อไหร่ก็ถูกด่ากลับมาเนะไปเมื่อไหร่ก็ถูกด่ากลับมาอาหารก็ให้แบบให้เทเสียทิ้งเสียเนี่ยนะก็ให้ด้วยด่าด้วยอย่างงี้นะท่านก็ไป มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าถามพระราหุลว่าพระาหุลเธอไปบิณฑบาตที่บ้านคุณย่ามาหรือเปล่าคือพระราหุลเนี่ยเรียกแม่พระสารีบุตรว่าคุณย่าเพราะพระสารีบุตรเอ่อพระราหุลนับถือพระสารีบุตรประดุจพ่อนีนะแล้วก็บอกว่าไปบิณฑบาตบ้านคุณย่ามาไหมบอกไปแล้วคุณย่าว่าไงคุณย่าก็ด่าแล้วอุปชาของเธอว่ายังไงพระอุปชาก็เงียบพระเจ้าข่ามันนั้นก็ท่านก็แวะเวียนไปสงเคราะห์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 นางสารีเนี่ยมีลูกอยู่เจ็ดคนมีลูกที่เป็นพระอรหันต์อยู่เจ็ดท่านด้วยกันเนี่ยนะพระสาลีบุตรเนี่ยนะพระอุปเสนอุปเสนวังคันตบุตรอ่าพระสารีบุตรนียก็ลูกนางสารีนั่นแหละแต่พระอุปเสนเนี่ยลูกของวังคันตพรามนะเรียกตามชื่อฝ่ายพ่อบ้างเรียกตามชื่อฝ่ายแม่บ้างนะอุปเสนเนี่ยเรียกตามฝ่ายพ่อว่าอุปเสนวังคันตบุตรก็คือลูกของวังคันตพราม ภาษาดิบุ์ร็ลูกของนางสารีแต่ชื่อจริงๆท่านชื่ออุปติสะตามชื่อหมู่บ้านของท่านนะภาษาริบตรก็ยังต้องไปตอบแทนพระคุณของมารดาจนได้บรรลุเป็นพระอริยะพระผู้มีพระภาคก็ยังไปสงเคราะห์พระนางสิริมหามายาใช่ไหยด้วยการไปแสดงพระพิธีเจ็ดคมภีเนี่ยนะเพื่อสงเคราะห์พระพุทธมารดาเทศติดกันอยู่สามเดือนเนี่ยนะสงเคราะห์แม่เนี่ยโหสงเคราะห์มากเลยนะ กว่าจะได้ประสบความสําเร็จสงเคราะห์แม่ได้เพราะการตอบแทนบิดามารดานั้นทางศาสนาเราคําสอนในสิกขาสามให้ความสําคัญมากนะสีและสิกขาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นมันสิกขาคือการสงเคราะห์มารดาบิดาก็เป็นสิกขาเบื้องต้นนับเนื่องอยู่ในอธิศีละสิกขามันผู้ใดที่ได้ทํากิจตอบแทนพระคุณของพ่อแม่อยู่แล้วก็มีความสุขปราบเริ่มใช่ไหม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 แล้วเลี้ยงดูอยู่นานโดยที่ไม่มีโทซะเนี่ยนะก็เขาได้บุญมากนั้นวัตตะของคนนี้ไม่น่าเดือดร้อนแล้ว่ะชีวิตของคนนี้เชื่อเลยว่าไม่ตกอับแน่นอนชีวิตของเขาจะไม่อภับเป็นแน่เพราะว่าเขาเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะในพระไตรปิฎกร้ายแห่งเนี่ยกล่าวไว้เลยว่าคนที่ได้เหตุปัจจัยพร้อมที่จะประสบอันตรายใดๆเนี่ยนะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหลือเชื่อว่าคนนี้รอดมาได้ บุคคลนั้นส่วนใหญ่แนละ้วมีมงคลข้อนี้อยู่ในตัวคือมงคลข้อบัมรงมารดาบิดาเนั่นนะนั้นก็ผู้ที่เมนพูดนี้ก็ฝากบอกนะเพราหลายท่านในนี้ก็เป็นบิดามารดาซะส่วนหลายอย่างนะก็ช่วยให้ ส, สงเคราะห์ให้ลูกสงเคราะห์ได้ง่ายๆหน่อยนะลูกเขาจะได้บุญบ้าง <c oughs> <laughs> อย่าไปทําตัวซะลูกทํายากยากนะนนีอ่อันนี้ถ้าได้ก็ดีที่มาดูมงคลข้อที่สิบสามต่อไปเลยนะ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 การอุปการะนั้นเพิ่งทราบว่าวเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันมีความเป็นผู้จัดการงานดีเป็นต้นถ้ารู้จักยกย่องภรรยาภรรยาเขาก็ทํามดกับข้าวอร่อยแบบนั้นเถอะนั้นก็จะได้รับประโยชน์คือได้อาหารอร่อยอร่อยบริโภคอันนะรู้จักชมเขาบ้างรู้จักยกเขาบ้างไม่ใช่บอกโอ้ยของเธออะไรก็ใช้ไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยนะก็เขาเสียกําลังใจหมดนะนะ่นนะก็รู้จักยกย่องรู้จักชมเชยเขาไปบ้าง มีสามีบางคนก็พูดอย่างงี้นะก็บอกว่าใครพูดเนี่ยนะในโลกนี้เขาทนได้หมดเลยแต่เมียเขาพูดเมื่อไหร่นะก็เครียดทุกครั้งเลยคำว่างั้นบอกเธอนี่มันเงียบๆหน่อยได้ไหมคำว่างั้นเขาบอกเขาเขาเดือดร้อนรำคาญที่สุดเลยถ้าได้ยินเสียงแม่บ้านเขาพูดนะอันนี้อันนี้โยมที่ที่รู้จักเขาบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคำว่างั้นก็เนี่ยคือข้อความที่ไม่รู้จักยกย่องภริยาความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์บุตรภริยาเนี่ยนะ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 แกชิมเข้าไปช้อนหนึ่งถ้ามันไม่ถูกใจนนะยกจานนั้นนี่แหละคว่ำใส่สีสันแม่บ้านเนี่ยนะแล้วก็ออกไปทานข้าวรอบบ้านนะั่นนะนะว่าถามว่ายางงี้มีไหมบอกนี่โลกนี้มีหมดฮะเท่ท่องเที่ยวไปมากๆแล้วจะมีจริงๆแหลนะนั้นะบางคนไม่รู้อำนาจ บ, บาทใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะก็คือมอบเครื่องประดับให้ผู้การได้มงคลข้อนี้แล้วใช่มอบเครื่องประดับให้ ก็มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะ เ, เวลาจะไปธรรมหากินด้วยกันใช่ไหมสามีก็ศึกษาธรรมะก็จะพูดมรณานุสติภริยาก็ดูเลย <laughs> นี่เวลาไปธรรมหากินก็ <laughs> ยังเอาเรื่องนี้มาพูดอีกเลกลมางั้น <laughs> แล้วก็คือถ้าอินทรีย์ไม่เท่ากันก็นับว่าก็คือมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ใช่ไหมถ้าหากว่าคู่ครองที่อยู่ร่วมกันแล้วอินทรีย์ไม่เสมอกันเนี่ยนะพรหมจรรย์ก็เป็นไปได้ยาก เ, เกี่ยวกับเรื่องสามีภริยาเนี่ยนะเท่าที่ได้ยินเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยยอมกันแต่ปัญหาเนี่ยคืออีกฝ่ายไม่ค่อยยออไม่ยอมมอบความเป็นใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเสนออะไรขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นนักขัด <S 2> <S 2> ะนะนะค่อยมีมีหน้าที่เอาไว้ขัดค อ, อกันอย่างเดีย ว, วยนะก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแม้กระทั่งเจริญกุศลนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะ ไปกับผู้การี่บคุณนายนเนี่ยสคนวิธีก็สองคนเนี่ยเขาคิดเรื่องให้ทานเหมือนกันว่าเออเนี่ยที่นี่เราควรไปให้ทานคุณนายก็บอกที่นั่นควรไปให้ทานนะคือจะให้เหมือนกันเน่ยนะแค่ตที่ให้ต่างกันเท่านั้นแหละเอามานั่งฟังอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง <laughs> ก็คิดดูว่าเออเนี่ยคือไม่รู้จักมอบความเป็นใหญ่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเลยนะ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 ก็ได้ศัตรูอีกทั้งชาติเหมือนกันนะดัะนั้นก็บางอย่างถึงเรานี้ก็ไม่ขัดคอก็อยังดีอ่ะนะไม่ขัดคอเขาก็ยังดีให้เขาดูไปอาาะไรไปเพราะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอัธยาศัยเราไปไปทุกเรื่องอ่ะนะก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ทีนี้อันนี้ก็พูดตามพวกกลุ่มค า, ารวาสนะแต่ถ้าเป็นพระพิสุกก็จะธรรมะอีกแนวหนึ่งอ่ะนะอินรีย์สังโบนโพเชเนมตันยุตาโ น, น, น้นนั้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งละ แล้วก็ที่สําคัญนะนะกระทํามงคลในวันมงคลก็รู้จักมงคลบ้างนะแล้วก็การโอวาสสั่งสอนในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันและภายภาคหน้าการให้โอวาสการบอกกล่าวการตักเตือนอันนี้ถ้าเกี่ยวกับลูกนะอย่างเป็ลูกก็ต้องรู้จักให้โอวาทพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในปัจจุบันเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในภายภาคหน้าเพราะเป็นเหตุ แห่งความเป็นผู้ที่แม้เท ว, วดาทั้งหลายพึงนอบน้อมอย่างที่เท้าสกตะจอมเทพก็ยังนอบน้อมผู้ที่เลี้ยงดูภริยาเลยนะว่าดูก่อนมาตลีเครือขัดเหล่าใดทําบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภริยาโดยธรรเราย่อมนอบน้อมเครือขัดเหล่านั้นันการเลี้ยงดูภริยานี้ก็นับว่าเป็นมงคล น, นะนะเพราะว่าไหนไหนก็มันก็ชีวิตมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันจะไปไหนล่ะก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะ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 ขยันมากรถน้ําเช้ารดน้ําเย็นรดน้ําเช้ารดน้ําเย็นเนี่ยต้นไม้เป็นไงเฉาตายถ้าสิบปีไปรถสักครั้งหนึ่งโอ้ตายไปนานแล้วนะนี่ก็เหมือนกันนะแค่ก้องทำยังไงให้มันพอดีอ่นะกิจการอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันถ้าขับรถถ้าเร็วเกินไปอาจจะไม่ถึงกันนะช้าเกินไปก็ถึงนานเพราะฉะนั้นไอ้ความพอดีนี่สําคัญคําว่าการงานอันไม่อากลก็คือรู้จักความพอดี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 สำนวนว่าอยู่ครองเรือนไม่ได้ผู้ใดไม่สำคัญความเย็นและความร้อนยิ่งไปกว่า่ญ้าทมกิจของลูกผู้ชายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขนะก็คือรู้ดูความเหมาะสมการพิจารณาว่ากิจการ น, านั้นควรแค่ไหนอย่างไรเป็นต้ น, นอันนี้ก็นับว่าสำคัญแล้วก็อย่างที่อื่นอี ก, กสอนว่าเมื่อคนรวบรวมพวกทศัพท์เหมือนแมลงพึ่งรวบรวมน้าหวานพกทัพย์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 ประดุดพึ่งประดุดปลวกแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักมงคลข้อต่อไปอีกทานันจะใช่ไหมอันมงคลเนี่ยท่านพระองค์วางไว้เรียบเรียงลําดับอย่างดีนะถ้าไปถือเอามงคลข้อใดข้อหนึ่งจนเกินไปก็เสียหายมงคลข้ออื่นที่ผ่านมาได้สมงคลนะมงคลข้อที่หนึ่งการบํารุงมารดาสองบำ ร, รุงบิดาสาสงเคราะห์บุตรภริยาสการงานอันไม่อาจปูล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 แบ่งเป็นสองอย่างตัวเจตนาที่คิดให้บริจาคอย่างหนึ่งกับตัวอะโลพาที่ไม่ติดไม่คล่องบริจาคได้ให้ได้อันนั้นก็ชื่อว่าทานนั้นวัตถุที่บริจาคนี้สามารถอย่างเช่นตรงนี้ยกทานวัตถุสิบอย่างตามพระสูตรมาเช่นให้ข้าวให้น้ำอันน่ะให้ผ้าอัน น, นอย่างกิจกรรมที่เรามาทำกันเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามเป็นต้นมาเนี่ยก็ได้ทุกข้อเลยใช่ไหมให้ข้าวให้น้าให้ผ้า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 ข้างๆกุฏินั่นแหละโอ้โหเสียงระงมไปหมดเลยบริจาคทานให้ชีวิตเป็นทานปล่อยอะไรบ้างปูปูปล่อยปูน็กปลาเต่ากบกบด้วยนะ น, นะก็โอ้โหอับบายภูมิเต็มไปหมดเลยครับนี้ก็ด <laughs> <laughs> ีแล้วอนุโมทนาเลยนะให้ชีวิตเป็นทานนะถ้าไม่ให้เขาเขาก็าตายอ่นนะก็ให้ชีวิตเป็นทานก็ให้จิง้งดีด้วยนะ นะปลวกไม่ต้องไปบริจาคไว้แถวนั้นก็ได้ <laughs> <laughs> น, นะมดเขาไม่มีขายอันนี้ไม่ต้องบริจาค <laughs> แตก่ก็นับว่าดีแล้วนะอนุโมทนาด้วยนะการบริจาคทานให้พรหมไหนอ๋อพรหมที่ปูพระธาตุใช่ไหมเจริญพรกันนั้นก็ชื่อว่าให้โพธพาโพธพารมเป็นทาน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 นั้นผู้ที่ก็บางคนก็ชอบให้เสียงเป็นทานบางพวกก็ให้กลิ่นเป็นทานเลยใช่ไหยพ่นสเปรย์กันใหญ่เลยน้ําอบร้อมน้ํำหอมไทยเนี่ยนะก็ไปพ่นกันใหญ่เลยบอกว่ายังไงยังไงก็พ่นใส่ดอกไม้ก็แล้วกันถ้าไปพ่นส่เจดีเผื่อมันจะไปทาสนิมอะไรเข้าจะลําบากข้องเข้าอี ก, ก น, นะมังก็พ่นใส่ดอกไม้สายอะไรให้มันเหียวมันเฉาไปด้วยกันตรงนั้นแหละนะควรจะลดสายดอกไม้ดีทีนี้ต่อไปก็ให้รด เ, เป็นทานเนี่ยนะให้รสะเป็นทานเนี่ยนะแจกลูกอมกันเยอะเลยใช่ไหม อันนั้นก็ให้รถเป็นทานปรารบพวกรถทั้งหลายระสารมเนี่ยนะบางพลก็ให้โพธภารลมเป็นทานก็พวกผ้าทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ปรารบความอุ่นเป็นต้นเรียกว่าให้โพธภาษเป็นทานแล้วก็ให้ทำเป็นทานเนี่ยนะธรรมทานนี่หมายถึงอะไรให้ทําเป็นทานเคยยกน้ำไปให้ใครดื่มไหมนั่นแหละน้ําอาปโปธาตุเนี่ยนะอาปโปธาตุนี่นับเป็นธรรมะนะพราะไม่ใช่รูปเสียงเปลี่ยนรถโรพธภาษเป็นธรรมะให้อชาณนะปรารบโอชาเนี่ย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 เช่นใครจะเอาจะเอาได้ผลไม้มาเยอะๆก็กินแต่ของเสียๆนั่นแหละมันจะเอาเก็บไว้โดยส่วนเดียวกินก็ไม่ทันเขามีนะอย่างพระบางรูปเนี่ยนะเขาให้มาก็เอาเอาเอาเอาเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันกา๊กาซอย่างเงี้ยนะสมัยโบราณเลยนะเก็บไว้จนมันปี๊บมันผุหมดยกทีนี่ก็โหเป่นตลบออปบอวนไปหมดถังสังกทานนี่ไม่รู้เก็บไว้ทําอะไรนี่นะเกนะ็บไว้จนกูติมันจะล้นไปทั้งหมดนี่นะนะจนปลวกมันจะขึ้นเสียหายหมดแล้วไฟไหม้ลุกท่วมไปหมด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 และสุขในโลกนี้และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆเชื่อว่าธรรมทานคือการให้แล้วเขาได้รับประโยชน์เนี่ยนะไอาการให้แบบนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานอันหนึ่งบรรดาทานทั้งสองอย่างนั้นธรรมทานนี้เลิศ อ, นะอเรียกว่าเลิศกว่าอ ม, มิสทานคือให้อ ม, มิสเป็นทานกับให้ตัวความรู้ความเข้าใจเป็นทานเนี่ยนะให้ความรู้เป็นทานนั้นมีอนิสงส์มากกว่า ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสัพพาทานังธรรมทานังชินาติสัมมาราสัพพาราสังธรรมาราโสชินาติสัพพาราติงธรรมาราติชินาติตันหักขโยสัพพาทุก ข, ขังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง <Yeah. S 1> รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวง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 ก็คือโอชาแห่งธรรมธรรมในที่นี้เน้นไปที่อะไรโลกุตระธรรมนะถ้าอย่างเพลาที่สุดเลยคือกุศลกรรมบทสิบสูงขึ้นไปกว่านั้นก็สมถาวิปัสนาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มรรคผลนิพพานผันความยินดีในธรรมเหล่านี้น ะ, ะชนะรสทั้งปวงถ้ายินดีในธรรมอย่างนี้ก็ชนะความยินดีทั้งปวงส่วนที่สาคัญสาระที่สุดนะถ้าชนะตัณหาคือสมุทัยสัต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 เอยอเอไม่ค่อยยกสูงเลยนะอย่างอื่นยกสูงมั่งตั้งนะคือว่ามันน่าเสียดายนะตั้งอันนี้ต่อไปนะชั้นกับตันหานี่จะเป็นศัตรูกันงเง้นนะเออแก็ให้ให้ตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้บ้างนะว่าตันหาเขาบอกว่าชนะตันหาชนะทุกทั้งปวงเลหรือสิ้นตันหาชนะทุกทั้งปวงถ้าสยบให้ตันหาจักรรับทุกทั้งปวง ประดังเข้ามาแต่ความทุกข์รับหมดเลยนหะมเพราะตัณหาเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์้างธรรมะถือว่าเอออะไรที่มันน่ายินดีนะสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งทุกข์ในภายหลังอันถ้าหากว่าชนะตัณหาได้ก็สิ้นทุกข์ได้อันถ้าตั้งความปรารถนาพระนิพพานก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาเพื่อสิ้นตัณหาด้วยเนี่ยนะก็ด้วยบุญ น, นี้ด้วยการบูชาดอกไม้ของหอมนี้ขอข้าพระเจ้าจงําจัดฉันทราคะโดยประการทั้งปวงอย่างก็ได้นะ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 มันทานนี่ก็นับว่าเป็นมงคลนะทั้งธรรมทานและอมิสทานอั น, น, นอมิสทานก็คือเน้นที่ให้มหาพูดเป็นทานอ่ะนะคิดง่ายๆว่าถ้าให้มหาพูดเป็นทานเป็นอมิสทานถ้าให้กุศลเป็นทานเรียกว่าให้ธรรมทานก็ก็แบ่งออกเป็นสองอย่างก็เหมือนกับบูชาใช่ไหมอมิสบูชากับปฏิบัติบูบชาถ้าอมิสบูชาก็เน้นเอามหาพูด่เป็นเครื่องบูชาเรียกว่าอมิสบูชา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 บางแห่งก็เรียกว่าธรรมจริยาสมจริยาเนี่ยนะสม่ำเสมอด้วยนะสม่ำเสมอหรือธรรมสมะนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายขออภัยดูก่อนเครหายบดีการประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอประพฤติธรรมก็คือธรรมจริยาประพฤติสม่ำเสมอก็คือสมจริยาสมาก็คือสม่ำเสมอนะมีสามอย่างสามอย่างมีอะไรบ้าง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 อัะ น, นะภูตะหมายถึงผ้รหันสัมภเวสีเนี่ยพวกสแสวงหาที่เกิดก็คือปุตุชนและพระเสขาทั้งหลายอันที่จริงเป็นอย่างนั้นจ ร, จริงนะเราสแสวงหาที่เกิดอยู่กันนะตอนเนี้ยดูว่าจะไปที่ไหนดีนะเกิดในขันเกิดในไข่เกิดในเท่าถ้าไกลหรือโอปปาติกะก็ว่าไปอ่นนะการมประพบรูปประพบหรืออรูปประพ บ, พบแต่ที่เห็นเห็นเนี่ยรูปประพบอรูปประพบนี่อีกนานอ่ะ น, นะกวนๆอยู่ในการมประพบนี่แหละก็ดูว่า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 แต่ก็ถึงยังไม่ได้ออกขนาดนั้นก็ยังน้อยก็ออกจากอบายก่อนก็ยังดีนะ ย, ยังไงยังไงก็อย่าลืมปิดอบายซะด้วยนะธรรมจริยานั้นจึงเป็นมงคนมันผู้ที่ประพฤติธรรมเพื่อออกจากอบายทั้งหลายจึงเป็นมองคนนี่นะถ้าเห็นฝาฝาแล้วออกจากอบายได้ยังไงเนี่ยไห<ม> น, <ม>นเห็นไหมอ้าวมีฝ า, าเป็นอา ร, รมณะปัจจัยก่อนตายได้ไหมไ ด, ได้แล้วจะออกจากอบายได้ยังไง เพราะว่าไม่แน่นะเพลนอยู่ใน น, น, นั้นอาจจะไปเกาะอยู่ข้างๆฝ้านะั่นแหละลาบากมากแล้วจะออกจากฝ้าได้ยังไงอ๋อคิดยังไงจึงจะไปสู่สุคติเนี่ยนอนนั่นแหละคือคือที่สําคัญที่สุดถ้าเรามองเห็นฝาแล้วเห็นกุศลกรรมบทสิบไม่ได้นะอันตรายมากเลยนะกล่าวตรงๆ ต, ต, ตามสภาวะนับว่าอันตรายมากเลยถ้าเห็นอะไรแล้วเลื่ลึ ก, ลกถึ ง, ก, ก, ถงกุศลกรรมบทสิบไม่ได้เนี่ยหรือเอาไม่แล้วแต่มันจะฝันไปมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมัน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 แล้วก็สงเคราะห์แค่ไหนเราจึงจักสบายใจเนี่ยนะควรระลึกถึงตรงนั้นเป็นประมาณศาสนาของเราเนี่ยนะที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือชาติวิบาก น, น, นะนะจิตชาติวิบากนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยใช่ไหมก็ทําเป็นกลุ่มปริญญยาธรรมแต่กลุ่มมงคลทั้งหลายโดยมากเป็นธรรมะประเภทพาเวตาประธรรมโดยมากนะเป็นกลุ่มประเภทพาเวตาปธรรม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 สร้างสะพานให้เป็นใช้สอยสาธารณะบางคนก็ขุดบ่อ น, น้ําสร้างศาลาริมทางเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นการงานที่ไม่มีโทษพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบสุขนานาประการนะนะได้รับความสุขนานาประการพึงละลึกถึงพระสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนวิสาขาสตรีหรือบุรุษบางคนในศาสนานี้ถื อ, อุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เข้าถึงความเป็นสหายของถววเทพชั้นจาตุมเป็นต้นเนี่ยนะก็จาตุมดาวดึงยามาุสิบนิมมานารดีปรณิมิตาวัตสวัสดีอันนั้นก็เป็นผลของอุบโบสถ ด, ดังที่กล่าวไปเมื่อวานว่าสมบัติที่ดวงอาทิตย์สองถึงในโลกนี้ถึงเป็นแก้วแหวนเงินทองก็ตามมีอยู่แก่บุคคลใดผู้ที่มีสมบัติเหล่านี้ก็เรียกว่ายังเป็นสมบัติของคนยากเป็นของคนยากอยู่ดี ทำไมจึงเรียกว่าเป็นของคนยากเพราะว่าถึงมีขนาดนั้นถามว่าจะใช้สอยสมบัติเหล่านั้นได้อีกกี่ปีอ น, นะถ้ามีข้าวเป็นสิบเป็นร้อยชังเนี่ยนะทานได้มื้อละกี่ทนานมื้อเป็นทนานนี่ก็แย่แล้วนะ <c oughs> แล้วถ้ามีเตียงสักร้อยเตียงนี่คิดว่าจะนอนวันละกี่เตียงและเตียงละกี่ชั่วโมงเนี่ยนะถ้ามีผ้าเป็นล้านชุดอย่างเงี้ยจะใส่ได้กี่ตัว เพราะฉะนั้นเหลือแก้วแหวนเงินทองเนี่ยถ้าประดับเต็มตัวไปหมดเดินไปที่ไหนคิดว่ า, า จ, จะอายุยืนไหมล่ะนะ <c oughs> แน่นะนะอาจจะอายุสั้นเร็วขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นสมบัติในโลกที่เห็ น, เ, หนเนี่ยเขาจึงเรียกว่าสมบัติของคนยากแต่ถ้าหากว่ารักษาอุโบโสถเนี่ยนะเกิดในจาตุมห้าร้อปีทิพย์เนี่ยนะห้าอปีทิพย์ก็ก้าล้านปีมนุษย์สวยสุขโดย ส, วยส่ยสวนเดียวไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนเป็นไมเกรนนอนไม่หลับไม่มีสบายต ล, <c oughs> ตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมั่งมีจริงๆเนี่ย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 พวนี้ก็นับว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษนะไปเที่ยวสงเคราะห์เขาไปช่อันนะั้หมอยุพินยังไม่มานะปกตินี่ถ้าออกหน่วยแล้วก็เดี๋ยวก็ชอบไปอยู่เหมือนกันเนียนะแต่ออกหน่วยถอนฟันฟรีนันะก็ไปช่วยบำบัดทุกข์ให้เขาอันนะ้คือฟันมันผุเนี่ยนะมันเจ็บมันปวดเท่าออกแล้วสบายใช่ไหมคุณหมอรอดได้ไปครัออกหน่วยบ้างหรือยังเนี่แล้วไงนะอ๋อพอสอบ อ, อันนะั้ก็ดีแล้วอนุโมทนาด้วยนะแล้วก็มีนะ พยายามทำหากุศลเถอะแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆก็นับว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะแล้วถ้าไปร่วมงานศพนี่ยนะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีโทษไหมก็ไปไปช่วยเลี้ยงแขกไปช่วยแบ่งเบาวภาระใช่ไหมก็ถือว่าเป็นไปช่วยร่วมไปร่วมให้ทานไปร่วมสมาทานศีลฟังคมไปต้นเนี่ยนะก็นับว่าเป็นมงคลล่ ะ, ะกิจกรรมประเภทสาธารณกุศลเนี่ยนะอย่างเมื่อวาน าวานก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่ากลุ่มเชียงใหม่เนี่ยทึ่งคนกลุ่มกรุงเทพว่ามีไม่กวาดโคลาอันโคราอนไปเนี่ยนะแต่ตรงนี้แบบพิเศษมากนะเชียงใหม่ ย, ยังไม่มีนะแล้วก็ต่อไปน้าวาจะดีก็ถือดอกไม้สั้นๆ ส, สักศอกก็ยังดีใช่ไหมแขวนไว้เลยพกไว้เลยเครื่องประดับอันหนึ่งนะแล้วก็ไปถึงก็ปัดกวาดในตรงไหนได้ทําก็ ท, ทําไปเถอะเนี่ยนะหมอวันลบก็เตรียมนี่จะหายที่แทะไปแทะเทียนล้วเนะนะี่ย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 นี่มาดูมงคลข้อต่อไปนะนะมงคลข้อที่สิบเก้าอารติวีรติปาปารเนี่ยนะการงดเว้นจากบาปอารตินี่หมายถึงเขบอกว่าการงดชื่อว่าอารติการเว้นชื่อว่าวีรติอธิบายว่าความไม่ยินดีในทางใจอย่างเดียวของบุคคลผู้เห็นโทษในบาปชื่อว่าอารติอารตินี่นะก็คือเว้นจากบาปไม่ล่วงบาปทางใจส่วนความเว้นทางกายทางวาจา นะโดยกายทวารครั้งโดยกรรมแนละโดยทวารเนี่ยนะกายวาจาโดยกรรมกับโดยทวารชื่อว่าวิรัตหรือวิรตีเนะนี่ยนะอารตีเนี่ยทางทางอะไรทางใจวิรตีนี่เป็นทางกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการเว้นบาปทางกายและวาจานั่นแหละเรียกว่าอารตีวิรตีปาปา น, นะการงดเว้นจากบาปอันนี้ก็เป็นมงคลใช่ไหมที่จริงก็เข้ากับกลุ่มเดียวอะไรนะสัพปะปาปัสสะการนังอ่า น, นะการไม่ทําบาปทั้งปวงใช่ไหม ก็อยู่ในโอวาทปาติโมกก็คือสิ่งเดียวกันกันกบที่เป็นมงคลตรงนี้นั่นเองก็ธรรมดาวิรัตน์นมีสามอย่างคำว่าวีรตีนะวีรตีนี่มีสามอย่างคือหนึ่งสัมปตตวิรัตสองสมาทานวิรัตส์ 3. สมุดเฉ ท, ทวิรัตบรรดาวิรัตทั้งสานั้นวิรัตเจตนางดเว้นจากวัตถทุที่ประสบเข้าอันใดของกุลบุตร โดยในเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้อที่เราจะฆ่าสัตว์นี้จะรักทรัพย์เป็นต้นเมื่อนึกถึงชาติตระกูลหรือโคตรของตนก็ไม่สมควรแก่เราเลยวิรัตเจตนางดเวน้นอันนี้ชื่อว่าสัมปัตตาวิรัตก็บางคนเนี่ยนะปรารบถึงชาติตระกูลโผล่ฆ่าของตนก็ไม่ยอมทําบาปในสิ่งนั้นๆก็มีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิรัตโดยธรรมชาตินี่นะชาวต่างประเทศก็มีไม่ใช่น้อยใช่ไหมที่ที่เป็นพวกนักวิรัตแบบนี้เลย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 สัมปัตตวิรัตประจวบเหมาะกับสิ่งนั้นซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ก่อนหน้านี้แข่งขันในเรื่องศีลอะไรมาก่อนเลยอันนันพันไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถที่จะงดเว้นได้ไปประจวบไปประสบไปพบปะเจอๆก็ไม่ยอมล่วงละเมิดศีลนั้ น, น, นๆทั้งๆ ท, ที่มีโอกาสแต่ก็ไม่ยอมทำเนี่ยนะอันนี้พวกนี้เรียกว่าดีโดยอัธยาศัยนะพวกที่สัมปัตตวิรัตโดยไม่ต้องสมาทานได้เนี่ย รักว่าพวกนี้บุญเก่าดีมากเลยนะอัธยาสายเก่าเนี่ยดีเยี่ยมทําให้ไม่ล่วงศีลไม่ทุศีลทั้งทั้งที่มีโอกาสเนีนย่นยนะก็นับว่าเป็นคนที่น่าชมเชยเรียกว่าดีโดยอัธยาสายจริงๆแต่บางพวกก็ดีโดยการสมาทานใช่ไหมสำปตะวิรัตว่ากุลบุตรไม่ทําบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นตั้งแต่ประพฤติวิรัตอันใดวิรัตอันนั้นเป็นไปโดยสมาทานสิกขาบทชื่อว่า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 เป็นสำคัญเนี่ยนะให้คุณค่ากับการฝึกมากเนะนะเพราะว่าคนที่ดีโดยอัธยาศัยจริงๆแล้วในโลกไม่มากนักนะนะมันก็ต้องหมั่นทำให้มีขึ้นส่วนภัยเวนห้าของพระอริยาสาวกระงับไปตั้งแต่วิรัตใดวิรัตนนประกอบด้วยอริยมรรคอันนี้ชื่อว่าสมุทเฉทวิรัตวิรตีสามที่เกิดในขณะโซดาปฏิมรักเป็นต้นนะไอตัววีรตีตัวนั้นหลังจากนั้นจะไม่เคยคิดล่วงอีกเลย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 แที่จะเป็นอย่างนั้นได้ท่านสมาทานมาจนช่าชองแล้วนะไม่ใช่ว่ายูยขึ้นมาดีพรุดเลยนะไม่ใช่แต่ว่าสมาทานมาเป็นอย่างดีเยี่ยมมันก็ที่สำคัญนะนะให้เราดีโดยการสมาทานไปก่อนดีโดยการสมาทานถึงที่สุดจะดีได้โดยอริยมรักถ้าถึงขนาดอริยมรักแล้วหลังจากนั้นผ่านไปแม้เจตนาคิดจะเลือ่อนศีลห้าก็ไม่มีเรียกว่าดีโดย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 เน่ะอั น, นัน้ผลของอธินาทานทําให้เขาเนี่ยยากไร้ไร้รัพย์ถึงขนาดว่าไปเห็นสัตว์ที่แม้กระทั่งขนจะหุ้มตัวยังไม่มีไหมเนี่ยนะมันเดือดร้อนขนาดนั้นนะแม้แต่ขนจะหุ้มตัวยังไม่มีอ่ะนะไร้ซัย์ขนาดนั้นนะถ้ามนุษย์ทั้งหลายไร้ทรับมีพระนุ่งผ้าห่มนี่ก็นับว่ า, วายัางรวยนะเน่นะอันนี้แม้กระทั่งเรียกว่าบางทีนะผิวหนังจะปกปิดตัวยังไม่มีอ่ะไร้ซัพย์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันหนกักโลขนาดไหนเนี่ยนะซับทั้งหลายมหาพูดทั้งหลายเนี่ย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 แต่ว่ามหาพูดทั้งหลายมีโทษโดยประการทั้งปวงอ น, นะถ้าจเจริญอาทีนะว่าสัญญาแล้วจะเห็นชั้นอืมมหาพูดนี่มีโทษจริงๆ น, น, นะแล้วก็นี่ก็ทําปริญญาในมหาพูดได้เวลาฉันมหาพูดอีกแล้วถ้าจะกล่าวไปนะศีลก็มีมหาพูดนะั่นเป็นอารมณ์นะฉชนพางก็มีใครอยากจะถามเรื่องอื่นๆไหมถามได้หมดนะ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 ที่จะให้วิบากอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยค่ะทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานผู้ที่เจริญกรรมฐานก็เรียกว่าโยคะเหมือนกันบุคคลผู้ทําโยคะเรียกว่าโยพีนนหรือคนที่ประกอบอย่างนี้ท่องเที่ยวไปด้วยการเจริญอย่างนี้เรียกว่าโยคาวจรโยขาวจระก็คือผู้ที่เจริญกรรมฐานผู้ที่บําเพ็ญกรรมฐานผู้ที่สมทานกรรมฐานประพฤติกรรมฐานอย่าง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 ในบรรดากรรมสการตาปัญญาสัมมาทิฐิเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียกว่ากรรมสการตาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการรู้ว่าสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนะทาโลกนี้กับโลกอื่นให้แจ้งชัดและเอามาบอกสอนเนี่ยมีอยู่ น, นะผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือใครก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันปัญญาอย่าง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 นะถ้ายิ่งมนานสิการบ่อยๆจะเห็นคุณซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงอริยสัจครอบคลุมไปถึงการบําเพ็ญไตรสิขาอย่างที่ว่าเมื่อรับอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้ละลึกถึงอภินยัยยธรรมอันนี้ข้อแรกก่อนนะสองละเลึกถึงปริ ญ, ญัยธรรมสามละเลึกถึงปหาตัปปธรรม4ีละเลึกถึงสัจจิกาตัปปธรรม5้ละเลึกถึงภาเวตัปปธรรม ในสิ่งเดียวเนี่ยสามารถมองได้ทั้งห้าเหลี่ยมหรือห้าหมุมเหล่านี้สิ่งเดียวนะถ้าเรามองไม่เห็นอย่างนั้นเราจะไม่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าพระองค์นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรดังที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเช่นเนี่ยอย่างทวารไหนดีเอาทวารไหนสักทวารหนึ่ขึ้นไหมทวารตาเนี่ยนะอย่างเนี้ยตาที่เราว่าแบบภาษาไไทยๆเราก็คือมองเห็นเนี่ยมองเห็นสักอย่างหนึ่ง เอามองเห็นปานาคกัแล้วกันถ้ามองเห็นปานาคอย่างไงเอาอันนี้เป็นภาษาไทยไทยเรานะทีนี้เราเอาหลักวิชาธรรมะมาจับเลยว่าในเนี่ยการมองเห็นอะไรควรรู้ยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาควรรู้ยิ่งใช่ไหมสีที่เห็นเนี่ยนะคือคือทั้งปานาคที่เห็นจริงๆเราเห็นสีนะในบรรดาอย่างอื่นทั้งหมดไม่เห็นหรอกแต่รู้ด้วยทางใจนีนะไอ้อย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยรู้ทวารใจแต่ที่เห็นจริงๆนี่เห็น เหนสีนั้นตาควรรู้ยิ่งสีควรรู้ยิ่งอาศัยตากับสีเนี่ยตาเป็นวัตถุ ข, ของจากคูวิญญาณสีเป็นอารมณ์ของจากคูวิญญาณอาศัยหลอดไฟฟ้าเนี่ยช่วยจากคูวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะมนัิกลางเนี่ยนะพวกนี้ควรรู้ยิ่งทีนี้ถ้าถ้าเห็นปนัญหาตอนไกลยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็โสมมณัตไปด้วยใช่ไหมถ้าตอนเห็นตอนที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยนะกำลังวิ่งเวียนพอดีเลยเนี่ยเราก็จะป่วยไปด้วย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 หอยหลังไปกี่ล้านกับที่แล้วก็องค์ประชุมของการเห็นอย่างนี้ปราถนาวัตตาอันยาวนานต่อไปในอนาคตก็เพื่อจะเห็นแบบนี้อีกเพื่อจะหาองค์ประชุมพร้อมแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็น น, นะแล้นก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามสิ่งเหล่านี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งเหมือนกันหมดตาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งสีแล้วถูกปัจจัยปรุงแต่งจักรวิญญาณก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งาภาษาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่ง เวทนาทั้งที่เป็นสุขทุกข์และอุเบกขาก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งอดีตที่ผ่านมาสังขารเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่จะเห็นขณะต่ อ, ต, อต่อไปแม้กระทั่งจะเห็นชาติหน้าสิ่งเหล่านี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งอันนี้เนี่ยการรู้อย่างนี้เรียกว่าพินยายธรรมนีนะนะเรียกว่ารู้ยิ่งทีนี้แล้วก็รู้เพิ่มว่าควรกำหนดรู้ว่าจักขู่ไม่เที่ยงมีจักขูใดที่มั่นคงถาวอนไหมนะี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 เพราะเขาจะไม่รู้ว่าอะไรควรทําปริญญาอะไรควรละอะไรควรทําให้แจ้งอะไรควรเจริญเมื่อแยกแยะอย่างนี้ไม่ได้ละวัดต่างมันก็เต็มไปด้วยความสับสนใช่ไหย ม, มันก็เต็มไปด้วยความสับสนอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อะไรเป็นกิจของอะไรเนะนะี่ยก็ได้หาแต่คําบางอย่างมามาเรียกว่ามากล่อมมาหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งนะจริงๆริงนะเราทั้งหลายนี่อยู่ด้วยการหลอกตัวเองเหมือนกันนะหนะวังว่าจะประสบความสุขยิ่งกว่านี้ไอ้สุขที่ว่าไม่รู้มันคืออะไรนะ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 มีอัทยาศัยตามจำนกนแจกแจงในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นระลึกทรงจำห้าคำได้น ะ, จะเจริญพุทธคุณได้ทุกข้อแล้วเรียนพระธรรมจะไม่ไม่ค่อยสู้จะเป็นภาระสักเท่าไหร่คือจะถามจะถามว่าที่พระอรหันต์ที่เอหิพิ ข, ขุเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยท่านปห้กับตัวเองได้หรือว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าทรงประทานให้เจ้าคะ ต้องมีอุปชาเนยะอุปชาคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานให้คําว่าเอหิเนี่ยก็คือจงมาเถิดเนี่ยนะเอหิปัสิโกว่าท่านจงมาดูเถิดเนี่ยนะก็คือคําว่าเอหิเอหิพิขค ก, ก็คือบอกท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดคํานี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดที่ถูกพระพุทธเจ้าเรียกเช่นนี้นะคนนั้นเป็นภิกษุเลย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 คือท่านถือว่าทุกคนก็มาด้วยบุญของตนท่านจะไม่สงเคราะห์ใครเนี่ยนะไม่มีบาปมีจีวรก็ไม่ยอมไม่ค่อยให้ใครแต่ถ้าถ้าตามนั้นจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ค่อยให้ก็ไม่ให้ใครนั่นแหละท่านก็เลยไม่ได้บวชด้วยเอหิพิขุอุปสำประาเนี่ยนะก็เพราะว่าไม่สละบริขารไม่สละพวกพวกเนี้ยพวกบริคารแปดเนี่ยนะถวายผู้อื่นเอาไว้ก็เลยอันนี้ส่งอันนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหาคสปะพวกนี้ก็จะเป็น พระมหาคสปะไม่ใช่เอกิพิคุอุปสมปทาเป็นโอวาอันนคือเป็นผู้บวช ด, ด้วยโอวาสเนี่ยนะบวชด้วยโอวาสโอวาสสามข้อนะพระมหาคสปะนี่บวชแบบรับโอวาสว่าข้อแรกให้ตั้งความเคารพยำเกรงในภิกษุทั้งสามปูนทั้งปูนเทระมัชิมะนวกะต้องไปทําความเคารพโดยส่วนเดียว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 ในในพระพิสูจทั้งสามปูนข้อแรกนะข้อสองเอ่อคำว่าเงี่ยโสตรลงฟังคำว่าธรรมะถ้าเป็นธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะเงี่ยโสตรลงฟังขอให้เป็นพระธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นคําสอนนะเงี่ยโสตรลงฟังประชุมด้วยจิตทั้งหมดฟังพระสามก็ไม่ละกายคตาสติเนี่ยนะเจริญกายคตาสติภาวนาเนี่ยนะโดยเสมอต้นเสมอปลาย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 คือวิรติอารติวิรติปะปามัชฌะปานาจัญญโมอปมาโทจะทำเมสุเอตมังกลมุตตะมังนี่ก็มาขึ้นในอารติวิรติอารติหมายถึงอะไรเว้นบาปทางใจใช่ไหมวิรติเว้นบาปทางกายและวาจาวิรติมีสามอย่างคือสัมปตะวิรตวิรติกับวิรัติอันเดียวกันอันนี้สัมปตตะก็คือคนดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะเข้าไปเจออะไรที่ อาชั่วเขาก็ไม่ทำชั่วรอกส่วนบางพวกนี่ไม่ได้ดีขนาดมันเอาอ น, นี้ถ้าไม่ได้เป็นคนดีโดยอัธยาศาัยจริงๆก็สมาทานได้นี่นะฝึกได้หรือผู้ที่อบรมสมาทานบ่อยมากอบรมจนอริยมรรคเกิดก็หลังจากนี้ไปก็เป็นอันละเวนได้โดยเ ด, ดมันมันเป็นอะไรเนาะแต่โชธาตมันกำเริบ เนะนี่ยนะคิดดูนะเตโชธาตเล็กๆน้อยๆก็ยังเป็นปกตูปานนิสยาปัจจัยที่สําคัญเลยนะชีวิตของเราอย่าไปนึกว่ามันโอ้โหดูมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่เลยแม้กระทั่งเหตุเล็กๆน้อยๆก็ยังให้เวทนาก็เปลี่ยนภาษ็เปลี่ยนเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปตามนั่นไปหมดอิทธิพลของมหาพูดภายนอกนี้ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะในโดยเฉพาะวีรตีเนี่ยนะ ถ้าเป็นพระอาหารหันเอ่อขออภัยถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีลคาบท่าประการไม่มีโดยประการทั้งปวงไม่มีโดยประการทั้งปวงผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยบางทียังแอบฝันว่าทําปาณาติบาบบางคนยังแอบฝันว่าทำอาทินนาทานแอบฝันว่าไปมุสสาวาตเป็นต้นเนี่ยนะแอบฝันว่าดื่มสุราเมีัยเนี่ยบางพวกยังแอบฝันเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันโดยที่สุดแม้ความฝันยังไม่มี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 มีก็ถ้าเจ๊งแล้วมันจะสบายนะถ้ายังมีก็เดือดร้อนหมดอ่้นะก็อเอาจนหมดตัวแล้วก็จะมีความสุขเองอะไรนะก็มันจะไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนะมันก็หมดแล้วอะ่ะนาก็ผลอย่างเบาวทินนาทานมุสาวาสเกี่ยวกับเรื่องฟันก่อนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องฟันเรื่องร่างกายแล้วก็ถูกหลอกประจําเนี่ยนะถูกหลอกประจํานะเนะ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 อต ม, มังคารมุตตะ ม, มังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าทาําบาปวาวรใดเมื่อไหร่ะนะปะทุสายตัวเองแล้วเนี่ยนะศัตรูได้เข้ามาสิงแล้วเนี่ยนะเป็นศัตรูที่เรียกว่าไม่มีใครจะทําลายตัวเองเอนะนะไม่มีใครจะทําลายเราได้มากที่สุดเท่ากับตัวเราเนี่ยนะอันภายในเนี่ยมันเป็นเครีย่ยวกับเป็นพาน์ชนิดที่เรียกว่าสร้างความเสียหายให้ก็ไม่มีอะไรจะเท่ากับภาระภายใน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 มิตรที่ร้ายกาจมากเป็นปหาภพมิตรถ้าเป็นกุศลเจตสิกก็เป็นสหายชั้นเยี่ยมเนี่ยนะแปลว่าได้เพื่อนดีได้เพื่อนที่เป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นคัดคัดเจตสิกนะคัดคัดเจตสิกคัดได้ยังไงคัดได้ไหมได้หรือไม่ได้ตกลงได้ได้ยังไงนะก็โยนิโสมนัสิการเป็นเหตุแห่งอกุศลขออภัยโยนิโสมนัสิการ เป็นเหตุแห่งกุศลเจตสิกอโยนิสโสมนัสิการเป็นเหตุแห่ง อ, อักุศลเจตสิกเพราะฉะนั้นโยนิสโสมนัสิการบ่อยๆนะแต่ทีนี้แล้วมันไม่ค่อยโยจะทํำยังไงกันนี้มันไม่ค่อยโยนิสโสมนัสิการเพราะอะไรไเพราะว่าฟังสัศ ร, ร, รัทธามไม่พอคือเราขาดศรัทธาไปสะศรัทธินรียเราไม่ดีศรัทธินรีอ่อนเพราะอะไรอ่อนก็เรียนไม่พอ ฟังไม่พอทรงจําไม่พอเนี่ยนะนะหรือถ้า ง, ง่ายๆก็เนี่ยอภินโ ย, ยธรรมเนี่ยจําไว้ไม่ดีปริญยยธรรมก็ไม่ดีพระหาตาปธรรมก่อใหม่แม่นสัจกาตาประธรรมก่อใหรร ม, ม่รู้พาเวตาปรธรรมก่อใหม่เข้าใจก็สมควรแล้วละนะเหมาะสมเป็นที่สุดแล้วเนี่ยนะก็สุตตาให้ดีนะก็อันนี่แหละที่เรียกว่าจะต้องขวนขวายภาคเพียรพยายามบากบั่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในสังยุตตนิกายนิทานอวรกนะพระองค์ตรัสเลยว่าถ้าจะต้องระดมความเพียรทุกอย่างเพื่อจะศึกษาอย่างนี้ก็ทําให้ทําดํารงสติสัมปชัญญะทุกอย่างเนี่ยนะอีกถ้าในสังยุตตนิกายมหาวาระกล่าวาว่าถ้าดับไฟบนศีรษะยังช้าได้แต่การศึกษาสิ่งนี้เนี่ยควรรีบเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเมื่อไรเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ควรรีบนะถ้ารู้ถ้าเมื่อใดบุคคลเข้าใจอย่างนี้เนะ ผู้นั้นมีชาคริยานุโยคนะนะชาคริยานุโยคอยู่ในตัวเนี่ยนะก็ชาคริยานุโยกแปลว่าอะไรชาคริยะแปลว่าตื่นนะมีคุณธรรมของบุคคลผู้ตื่นนะตื่นอยู่ภายในว่าไม่หลับเนี่ยนะไม่หลับหมายเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักหลับจากนอนแต่หมายถึงว่าตื่นตัวได้ตลอดเนี่ยนะตื่นตัวว่าอะไรเป็นอะไรผู้ที่อยู่ด้วยความตื่นตัวอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสเติกับ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 อันนี้แหละเป็นภาเวตปรธรรมทีนี้ดินแดนแดนโคโจรแห่งบาปกุศลนั่นนะคืออะไรปาณาิบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ชีวิตติณสีอธินาทานมีอะไเป็นอารมณ์สัตว์และสังขารเนนะวัตถุภายนอกและวัตถุภายในทั้งหลาย ว, วัตถุทั่วไปเนี่ยนะในสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมูสาวาตมีอะไรเป็นอารมณ์อารมณ์หกนะอรมณ์หกคุยได้ทุกเรื่องอะมุสาวเนี่ย แลเมิดภรรยาผู้อื่นก็โพธพารมเนีนนะ่ก็หมั่นสมาทานอธิษฐานปราลรบ่อยๆเนี่ย น, นะอันนี้เป็นมงคลนะนี่มาขึ้นมงคลข้อที่ยี่สนะิบนีะมงคลข้อที่ยี่สิบการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาสํารวมนี่มาจากคําว่าสังวรใช่ไหมสังวรแปลว่าปิดแปลว่าห้ามแปลว่าหย่านะเหมือนันคํานี้เป็นชื่อของเจตนางดเว้นจาก ที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มของเมาคือสุราและเมรยัยเจตนาใดที่มุ่งไปเพื่อการดื่มสุราเจตนานั้นเรียกว่าเจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทนะเจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทก็เพราะเหตุที่ผู้ดื่มของเมาย่อมไม่รู้อัดนะทุขกขสั์กนิโรสัจนี่ละลิกได้ไหมทุกขสั์กับนิโรสั์ก็ละลิกไม่ได้สมุทัยสัก์กมรครสัจรู้ห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 ทำอันตรายต่อสาวกของพระตถ า, าคตเจ้าก็ได้การดื่มสุราเนี่ยนะทำอันตรายต่อพระพุทธเจ้าก็คือเช่นพ่อของพระนางพิมพาหรือพ่อของพระเทวทัตเนี่ยนะเจ้าเจ้าอะไรพระเจ้าสุปปะพุทธเนี่ยนะวันหนึ่งแกนึกมันไส้พระพุทธเจ้าขึ้นมาอนนั้นจริงจริงพรุทธเจ้าก็หลานท่านนั่นแหละะเป็นลูกน้องสาวท่านน่ะนะท่านชื่อชื่อเต็มเต็มเรียกว่าสุปปะพุทธพระเจ้าสุปปะพุทธเนี่ย เป็นพ่อของพนางสิริอา่าของพ่อของพนางพิมพ์พาพ่อของพระเทวทัตตาของพระราหุลนะวันหนึ่งมันไส้พระโพธิสัตว์บอกแม่เอาลูกสาวเราไปนะก็ปล่อยให้เป็นไม้ให้ลูกชายเราบวชก็ตั้งเป็นศัตรูอีกเนี่ยนะวันหนึ่งก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงก็เลยแกล้งกินเหล้าขวางถนนแม่พระพุทธเจ้าบินทบาทสายนี้รู้ว่าพระ อ, องค์มาแล้วตรีบตั้งโต๊ะสุราเลยรับไร้สุราอยู่นั่นแหละพระ อ, องค์มาถึงก็ยิ้มยิมแล้วพระ อ, องค์ก็กลับไปอนน บอกสั่งอามาทหานคนหนึ่งบอกไปดูสิสมณะโคดมว่าอย่างไรก็บอกว่าอีกเจ็วันเนี่ยจะถูกแผ่นดินสูบพระเจ้าค่าบอกเออเรื่องอื่นเนี่ยนะเออพูดจริงใช่แต่เรื่องนี้ผิดแน่นะก็เลยวางแผนมาโน่นไปอยู่บ้านชั้นเจ็ปราสาทชั้นเจ็ดเพราะจะแผ่นดินจะสู่ได้ยังไงใช่ไหมถ้าอยู่ปราสาทชั้นเจ็ดแล้วก็วางแผนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะให้รื้อบันไดปราสาททุกชั้นให้รื้อบันไดแล้วตั้งนักมวยปล้ำมาไว้เลยประตูละคนประตูละคน ภายในวันที่เจ็ดท่ามลงเด็ดขาดเนี่ยนะจะได้จับผิดพระสมณะโคโดมว่าเรื่องนี้ท่านพูดผิดแน่นอนพอวันที่เจ็ดม้ามันพยศอนะม้ามันพยศเข้าบันไดามาตั้งที่เดิมไอ้นักมวยปล้ำที่คอยห้ามมันช่วยกันปับหมดเลยนะตกถึงแผ่นดินแผ่นดินก็สูบเนี่ยนะเรียบร้อยเ พ, ะะพ่อมเมาเนี่ยทําให้ประทุสลายพระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนหลังก็ถูกแผ่นดินสูกถ้าทําร้ายพระปเจกับพระพุทธเจ้าล่ะอย่างกลุ่ม อุบาลีพระอุบาลีเถระในอดีตชาติเป็นกษัตริย์เนี่ยนะขี่ช้างมาก็ดูถูกพระประเจ ก, กับพู้เ่เจ้าทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมเมานยอยู่ในอาการมึนเมาซะส่วนใหญ่แม้แต่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพระเจ้าอุเทนเนี่ยนะพระเจ้าอุเทนเนี่ยจะเล่นงานพระเนี่ยนะจะเล่นงานพระพระอะไรพระปินโดลภารทวาชะขณะนั้นก็เมาอยู่อะ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งอะนะใครอเ จ, เจ้าเจ้าอะไรเนี่ย ที่พระราชาที่สั่งตัดหัวตัดหูตัดจมูกตัดแขนขาพระโพธิสัตว์นะนะพระเจ้าอะไรกษัตริย์อะไระพระเจ้ากลาปุเนี่ยนะกษัตริย์พราพราณสีอะ่ะที่ที่สั่งทําลายพระพพระโ พ, พธิสัตว์นะนะนั่นก็เมาเนี่ยนะพระคนที่ทําความชั่วส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยมากตกอยู่ในอาการที่มึนเมาเพราะความมึนเมานี่ถือว่าเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความ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 ข้าพเจ้าจากรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิง่งข้าพเจ้าจะต้องละสิ่งที่ควรละจะต้องกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เหมงนั้นข้าพเจ้าขอเอาใจข้าพเจ้านี่แหละเป็นเดิมพันเหมือนนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานทําบุญเพื่อจะทํากิจอันนี้เอาให้มันแม่นๆ น, น, นะคุณบัญชูอย่งนั้นนะพลาดพลาดศาสนานี้แล้วก็เดือดร้อนแน่และการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจรงิงๆอย่างประเทศไทยเราก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่น้อย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 สาวกของพระพุทธเจ้าบิดามารดาเนี่ยโอ้หเป็นวัตถุแห่งอนันตริยกรรมทั้งหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็พบหน้าก็อบายถ้าเวียนกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ต่อไปอันนี้สงก็คืออย่างเบาที่สุดคือความเป็นบ้านะก็เป็นบ้าสมัยใหม่ก็นับว่ามีให้เห็นไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมมีให้เห็นมากอันนั้นเป็นผลของสุราอย่างเบาพวกโรคจิตปิติลาทั้งหลาย คนที่คนเมากับคนบ้าไม่มีความต่างกันนะถ้าถ้าสังเกตดูให้ดีๆเนี่ยไม่มีความต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นบุคคลที่น่า ก, การุณาเป็นอย่างมากเลยแหละนั้นการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นจึงเป็นมงคลเนี่ยนะทำให้ประไม่ประมาทไปดูในกลุ่มพระชาดกเนี่ยนะโอ้โหเป็นพูดถึงโทษของการดื่มสุราที่นับว่า ดีเยี่ยมมันนะถ้าใครยังไม่อ่านก็ควรไปอ่านนะเชื่อว่ากุมพระชาดกมันนะเรื่องเรื่องสุราเลยแหละเรื่องดื่มเหล้านี่ยแหละเกี่ยวกัน้ํากลุ่มเรียกว่าเป็นน้ําที่เกียกว่าเสียหายมหาศาลเนยนะนะสร้างความเสียหายในก ok นะุมพระชาดกน่าไปอ่านเนะี่ยเรื่องสูตรนี้ดีมากใ น, ในชาดกอ่ะนะไม่จำไม่ได้ว่าเล่มหกสิบสองหรือหกสิบอ็ดหรือหกสิสองอ่ะแถวๆนะนะั้นอ่ะกสิบเอนะ็ดหกสิบสองเนี่ยสองเล่มนะ่ะแถวนะนะั้นอ่ะ เล่นอะไรคุณโชคดีพจำไม่ได้คุณโชคดีไปชอบใจมากอ่านะอ่านะชอบใจมากๆเดี๋ยวไปท่องเลยบอกว่าคุณโชคดีไปเล่าให้ลูกน้องฟังบ้างนะเดี๋ยวลูกพี่จะเดือดร้อนชื่อว่ากุมพระชาดกก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยกินเหล้าเมาห้าร้อยคนเนี่ยพอเมานี่ไปเมาในหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนะก็เลยจะเต้นระบำให้พระพุทธเจ้าดูเลยอ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 ถ้าเขาดื่มบ่อยๆดื่มมากๆนะคนเนี่ยความจำเขาลดลงเยอะเนี่ย น, นะ น, นก็ใครชาติต่อๆไปไม่อยากบ้าก็เลิกดื่มสุราและเมรัยแต่ว่าผลของการดื่มสุราเนี่ยนะก็มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดอย่างว่าเนี่ย น, นะอารมณ์อนะอารมณ์ของข้อ น, นี้ก็คือร่าสารมณ์หรือปฐพารมเนี่ย น, นะพวกนั้นน่ะเพราะว่ามันทวานลิ้นใช่ไมเป็นเรียกว่าทั้งร่าสารลมทั้ง โพธารมอ่ะนะเจตนาที่ดื่มตัวนั้นก็ได้ทั้งมุ่งจะดื่มร่าสารลมหรือมุ่งจะดื่มโพธารลมเพราะเหล้าเนี่ยมันมีร่าสารมณ์อยู่ด้วยมีรสาสารลมบางคนก็ติดใจในรสของสุราเพราะสุราบางอย่างเนี่ยมันหวานมากๆเลยนะหวานประดุดน้ํำพึ่งจริงๆที่เรียกว่ากล่มเหล้าอะไรนะน้ําขาวใช่ไหมกลุ่มน้ําขาวเนี่ยจะหวานมากนี่ต่อไปนะว่าออัอปปมาโทจะทําเมโซนีนะอ่า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 ศิขาพ่อธุระก็ไม่เอาใจใส่ไม่เอาเป็นการเป็นงานในการเจริญกุศลไม่เสพไม่เจริญไม่ทำให้มากการไม่ตั้งใจการไม่ประกอบเนืองเนืองความเลินเล่อในการประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย น, นะความประมาทความเลินเล่อความเป็นผู้เลินเล่อเห็นตาห น, นี้ใดอันนี้เรียกว่าประมาท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 ทำให้แจ้งเนี่ยนะก็ในมหานิเทศท่านอธิบายไว้อย่างนั้นเพะนั้นยกทำอธิบายนี้ยกมาจากมหานิเทศเพรา ะ, ะนั้นความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุกุศล น, นา น, นับประการอันนะถ้าไม่ประมาทอย่างเดียวนะสติประธานสีก็จักได้สัมมาประธานสี่ก็จักได้อิทธิบาสีก็จักได้ อ, ไดอินรี่ห้าพละหา้าโพชงเจ็ดอริยามากมีองแปดสมถาวิปัสนาวิชาวิมุติได้หมดเลย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 ความไม่ประมาทเป็นอมตะ บ, บทหมายว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายในอัปปมาทวักนั่นนะนันถ้าใครต้องการดูเนื้อหายอย่างพิสดารก็ดูในอัปปมาทวักในคาถาธรรมบท <14. S 2> เล่มที่สี่สิบนะเล่มสี่ิบอัปปมาทวรกมีเรื่องนางภาษามาวดีเป็นต้นนั้นก็เรื่องของความไม่ประมาทมีอยู่สิบเรื่องด้วยกัน น, นันะเล่มสี่สิบนะคาถาธรรมบท <psychology. S 1> แล้วก็ความไม่ประมาท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 ก็ไม่ใช่จะว่ามนุษย์เพราะมนุษยธรรมไม่มีในตอนนั้นอ่ะนะจะเรียกว่ามนุษย์เดินได้ก็กรอยู่ในคาถาดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วอารตีวีรตีปาปามัชฌาปานาจัสรยโมอัปปมาโทจะทำเมสุเอตมังคโลมตังนะในคถานี้มีอยู่สามงคลนะมงคลที่แรกคืองดเว้นจากบาปสองการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสามความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย เอตัมมังคลมุตตังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญนะถ้าประสงค์ความเจริญก็ปฏิบัติไปตามนี้แหละจักประสบความเจริญได้ไปกี่มงคลแล้วยี่สิบเอ็ดมงคลนแล้วนะยี่ิบเอ็ดมงคลนนี้มาขึ้นมงคลที่ว่ามีค่ามากต่อการปฏิบัติก็คือคาโตจะนิวาโตจะนะสุิธิจักกตันยูตากาเลนะธรรมสวรังเอตัมมังคลมุตตัง มอยู่ห้ามงคลด้วยกันนะหนึ 1, าา่งคารวโคารวะเคารพ嘛นะคารวโก็คารวะเคารพนั่นเองสองนิวาโตประพฤติถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนอ่ะนะสามสันตุทีสันโดสี่กตันยูห้าการฟังทำรรตามการเราก็ฟังทำรรตามสมัยเอตัมมังค า, ามุตัมมังแต่และอย่างนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งนั้นเลยมาดูคําอธิบายในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดกล่าวว่าความเคารพ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 ผู้ที่ไม่ควรบูชาอันนี้มันอัปมงคลเนี่ยทีนี้บางคนก็บอกเข้าเคารพเข้าเคารพแต่สําคัญมากทางธรรมะคือว่าผู้มีคุณควรแก่การเคารพนับถือและบูชาตรงนี้เป็นสาระสําคัญน น, นเพราะกรรมนั้นคือเพราะการเคารพ บ, บูชาผู้ที่สมควรเนี่ยนะก็ก็คงไม่ผิดเพี้ยนกับ ข, ข้อปูชาจะปูชนียานั่งอันนัเป็นมงคลแนวเดียวกัน นั้นการเคารพบูชาผู้ที่ควรบูชานั้นนะ่ะนะที่ยึดถือไว้บริบูรณ์อย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นไหมผลแห่งบุญอันนี้นะทำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์หากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีตระกูลสูงในประเทศที่กลับมาเกิดกล่าวว่าเป็นคนกล่าวว่าเป็นคนที่คนจะต้องเคารพบนับถือและบูชาเนีนะเป็นคนที่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 ถ้ายิ่งเชื่อมากทำตามมากเสียหายเท่านั้นแต่ถ้าไม่ทำตามยิ่งไม่ทำเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น น, นะมีอยู่ในปาสาธิกะสูตรเนี่ยแสดงไว้อย่างนั้นเลยว่าถ้ามิจฉาทิฏฐินะถ้ายิ่งไปทำตามเนี่ยยิ่งเสียหายเท่านั้นนะแต่ถ้าไม่ทำตามดีสามมาทิฏฐิถ้าทำตามดีถ้าไม่ทำตามเสียหายเนะี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ศึกษายกแยกแยะให้ดีเพระะนันบุคคลที่ควรเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยจะต้องแยกแยะให้ดี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 หกทำความเคารพในความไม่ประมาทเจ็ดทำความเคารพในปฏิสันทันผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าหวังเลยเลยว่าเขาจะมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี่ข้อแรกสองทำความเคารพในพะธรรมว่าะธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่พิรอดในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด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 เสขาอีกนะไม่เคารพในอธิศีและเสขาที่จิตตะเสขาและอธิปัญญาเสขาไม่เจริญเสขาเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนี่ต่อไปก็ไม่เคารพในไรสมาธิอ่นะก็ไม่เจริญสมาธิละเลยสมาธิไม่สนใจในความในกรรมฐานนี่ก็เรียกว่าขาดความเคารพเนี่ยนะไม่เจริญในศาสนาหรอกแล้วต่อไปอีกไม่เคารพในความไม่ประมาทนะก็แสดงว่าประมาทมากใช่ไหม เพราะไม่เคารพในความไม่ประมาทแล้วก็สําคัญนะไม่เคารพในปฏิสันฐานปฏิสันฐานเนี่ยนะแม้กระทั่งว่ า, าพวกปฏิสันฐานแบ่งออกเป็นสองใช่ไหมอมิตรปฏิสันฐานกับธรรมะปฏิปฏสันฐานถ้ามีปฏิสันฐานเนี่ยคำว่าปฏิสันฐานเหมือนอุดช่องโหวะนะเหมือนอุดช่องโวกันปฏิสันฐานเนี่ยถ้าเอาอมิตรมาอุดหรือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องอุดช่องโวเพราะนั้นปฏิสันฐานนี่เหมือนอุดช่องโหว่นะจะได้ไม่มีระวัง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 สมาธิใช่ไหมไม่ประมาทในกุศลนะกุศลต่อเนื่องไหมเนี่ยนะนะปฏิสันถานเ น, นีรร่ยอมิตรปฏิสันถานธรรมปฏิสันถานอะไรมีบ้างล่ะก็ดูตามนั้นว่าควรไหมที่จะเจริญอันะัมงคลข้ อ, อนี้ก็สําคัญ น, นะควรที่จะประพฤติให้ดีนะค า, ารวะเจ็นะคารวะเจ็ดพระองค์ตรัสว่าเป็นอปริหานิยธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมด้วยหานะแปลว่าเสื่อมนะอปริหานิยะก็แปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมเลยก็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 ถ้าใครรังเกียจความฟุ้งซ่านอากุศลวิตกตรึกไปเรื่อยก็ให้เจริญอนาปานสติถ้าใครผู้ที่มัวเมาอยู่ด้วยความประมาทก็ไม่หมั่นระลึกถึงมรณานุสตินั้นพวกนี้ก็มั่นปรารบตามนั้นให้บ่อยๆมากๆก็ชื่อว่าเคารพในสมาธินคือเราเนี่ยมันมันคิดอยู่แล้วล่ะแต่มันคิดอะไรคิดไปตามอำนาจของอากุศลวิตตกทั้งหลาย อันนั้นไม่ควรเพราะนิวรมันกลุ่มรุมคิดเอากรรมฐานอะไรที่มาปรารพบแล้วนิวรไม่กลุ่มรุมนั่นแหละเรียกว่าเคารพในสมาธิเพราะว่าผู้ที่ขาดสมาธิเนี่ยนิวรมันกลุ่มรุมนะแทนที่จะปล่อยให้นิวรกลุ่มรุ ม, มก็ให้เป็นไปกับสมาธิให้เป็นไปกับกรรมฐานนการเจริญสมาธินั้นที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะต้องต้องมองว่าสมาธิเปรียบเหมือนยาลดอาการ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 เป็นเป็นเครื่องประจําจิตใช่ไหมเป็นมิตรประจําใจเลยนะไปที่ไหนก็ไปด้วยกรรมฐานเหล่านั้นนนัน้จากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเจริญกรรมฐานไปเรืนะ่อยเนี่ยนะก็ที่อากุศลวิตตกสมัยก่อนที่เราไม่ศึกษาพระธรรมใช่ไหมร้องเพลงได้ไปเรื่อยเพลงหนึ่งสู่เพลงหนึ่งวนเพลงซ้ซําๆก็ร้องไปนั่นแหละทําไมทําได้ละ่ะแล้วกรรมฐานทําไมจะเจริญต่อเนื่องอย่างนั้นไม่ได้การเกตเอากรรมฐานอะไรตกงหลง <c oughs> อ๋อไปเรื่อยๆนะ เงียบเลยไม่บอกเลยว่ากรรมฐานอะไรอันนี้ยมน o อ g ไงยมน ong กรรมฐานอะไรอ๋ออ๋ออยู่ด้วยเมตานะเมตตาวิหารีอนะีก็สมาทานเมตานะที่จริงน ะ, ะเราควรจะเจริญเมตตาอย่างในห้องเรียนเรานะเป็นห้องที่น่าเจริญเมตตาได้เลยเจริญโดยไม่ยากด้วยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจริญเมตากับคนดีมันเจริญไม่ยากคิดแล้วไม่ค่อยมีโทสะนะนะโทสะมันเกิดน้อยเพราะเมตานี่มันปฏิปักษโดยตรงต่อ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 แต่ขอมาจะเจริญกรุณานี่จะง่ายในส่วนตรงเนี้นะนึ ก, กคือคือทุกคนเข้าลำบากหมดเลยทุกคนเข้าเดือดร้อนกันหมดเลยนะเข้าเดือดร้อนยังไงเดือดร้อนแม้กระทั่งว่าโดยรวมๆเหมอนะเกี่ยวกับการครองชีพการดํารงอยู่ของชีวิตเนี่ยไม่มีใครอยู่อย่างราบรื่นสะดวกสบายนะอ่ะ น, นะขนาดพระยังเดือดร้อนนะพวกอื่นไม่ต้องกล่าวถึงเหมือนกันเนละ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 หรือใครไม่ปฏิบัติไม่ลำบากเลยไม่ยากเลยยกมือขึ้นเแต่ละมาจะโนุมโมทนาด้วยจะมุทิตาด้วยแต่มีไหมไม่ลำบากเลยค่อยมีไม่มีใครกล้ายกมือเลยตรงนี้เป็นพวกเจริญกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเ่สุขาปฏิปทาปารบกรรมฐานไหนก็ราบรื่นไปหมดเลยเนี่ยนะไม่ว่าอิริยาบถไหนกรรมฐานก็คล่องแคล่วไปหมดเลย ขนาดปุลคูนปุลชูว่าท่องพระสูตรได้ก็ยังตะกกตะกักบางทีก็ได้บังมาได้บ้างอนะมันก็นี่แหละคือความน่าการุณาของเราทั้งหลายและอย่างหนึ่งน่าการุณาอย่างหนึ่งว่าชีวิตในการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายชั่วชีวิตก็มีไม่มากนะักถ้าเทียบกับไปทําอย่างอื่น่นะทั้งชีวิตเลยเนี่ยได้ศึกษาพระธรรมก็น้อยที่ได้ตรึกพระธรรมก็น้อยถ้าเราตรึกกุศลลวิตกเท่ากับอกุศลและวิตกในะชาตินี้น่าจะได้ดีสมมติว่าเกิดมามีอายุห้าสิบปีนะ แต่กอกุศลวิตกยี่ิบ้าปีกุศลวิตกยี่สิบห้าปีเนี่ยนะโอ้ได้ดีแน่ครึ่งต่อครึ่งเท่านั้นนะหรือแม้กระทั่งเกินกว่ากันนิดเดียวก็ได้ดไีได้ครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีแต่ทําได้ไหมล่ะไม่ได้อากุศลเอาไปกินซะสวนใหญ่พวกการใช้สํานวนอะไรนะน้ําแก้วเดียวใช่ไหมน้ําแก้วเดียวไปไล่น้ําเสียทั้งเป็นสะบ่ใหญ่ คือพอกุศลไม่เกิดเนี่ยนะแม้กระทั่งไอ้ของไม่มีกําลังก็มีมีกําลังไปหมดมีอํานาจมีบทบาทไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่เรียลแรงมันก็น้อยไม่มากหรอกนะบาบากุศลเนี่ยมันเกิดมากก็จริงแต่มันไม่ค่อยมีอนุภาพอะไรหรอกนันแะถ้ามันมีอนุภาพเท่ากับปัญญานะสมมติถ้าเราเจริญปัญญาให้มันมากเท่าโลภะนะวุฒิบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปนานแล้วนั่นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกิดไม่เท่านั่นแหละนี่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 เท่านั้นเดี๋ยวก็จะเหมือนกับนิทานในวัวกับอื่นใช่ไหมมันจะเท่าไรเชียวเนี่ยนะ <Okay. S 1> เอ๊มีอึงอยู่ตัวหนึ่งอ่ะนะนิทานทำไมเด็กๆอนะ่ะน่าอย่างอ่านนะจําได้กันหลายคนนะได้นะเล่าฟังคร่าวๆกว่อนนะเผื่อเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยได้ยิน mm. ก็มีอึงตัวหนึ่งอ่ะนะ mm. ก็มีลูกอยู่หลายตัวด้วยกันมีวัวตัวหนึ่งก็เดินมาเคี้ยวหญ้าเละเล็มหญ้าผ่านไปก็ไปเหยียบลูกอึงตัวหนึ่งตายไป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 เอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเ ย, ย่อหยิ่งเอาอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาและมีมา n นะเนี่ยนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะก็เอาขันห้นาอวัยวะหน้าสิบสองเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งถือตัวเมื่อพผ้าหันทั้งหลายท่านพิจารณาขันห้าโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยท่านจะเอามาเปรียบไหม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 อันพปโองตัดว่าผู้ที่สําคัญในกายแห่งตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจนั่นนะก็เอาทุกขศสตร์เป็นเครื่องเปรียบกันใช่ไหมโอ้ยแกนี่ใช้ไม่ได้แกเนี่นักนักโทษชั้นต่ําชั้นนักโทษชั้นสูงใช่ไหมแกเนี่ยประหารใช้อาวุธชั้นเลวชั้นนี่สิน่ะถูเครียนเหมือนกันสมมตินักโทษที่ถูกเครียนเหมือนกันใช่ไหมบอกแกเนี่ยนักโทษชั้นต่ําแกใช้หวายชั้นนี่ใช้โซ่ทองน้ำมาหวดชั้นดีไหม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 ตั้งเอาไว้ให้ดีเธอเนี่ยนะเคารพแม้กระทั่งการศึกษาพระธรรมนะสูตรไหนที่เราเคยอ่านมาแล้วเคยฟังมาแล้วถ้าเราเงียบโสดลงฟังให้ดีๆมนาสิกานโดยแยบคลายเราจะเข้าใจกว่าเดิมอย่างมากพันถ้าสังเกตดีๆศึกษาพระธรรมนานๆเนี่ยนะคำว่าสติแต่ละปีแต่ละปีก็กว้างขวางแตกต่างกันใช่ไหมพวกกันคําว่าสติคำว่าสัมปชัญญะแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็แตกต่างกันไปเพัน้าเราถ่อมตนเนี่ยนะถ้าเรา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 ถ้าตั้งอัตตะเพราะตั้งจิตเอาไว้ดีเพราะตั้งความปรารถนามาเพื่อฟังอันนั้นก็เป็นอัตตะซัมมาปณนนี้ที่พันะกิจกรรมคือการฟังทำเสี้อย่างเดียวเนี่ยนะด้วยกุศลจิตที่เกิดอย่างต่อเนื่องถ้าแสดงตามมงคลได้หลายมงคลมากเนี่ยนะกว่าจะได้กุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นคือบุคคลมงคลชั้นสูงสูงเนี่ยยิ่งต้องพึ่งพาอาศัยมงคลชั้นล่างล่างที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าบุคคลชั้นล่างล่างที่ผ่านมาไม่มี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 ฟังให้ดีนะอย่าเอาไปปนกันถ้าปนกันนี่ยุ่งมากว่าไงข้าพเจ้าปฏิบัติในสันโดษเพราะฉะนั้นยินดีแค่ศีลห้านี่แหละว่างั้นอันนี้ไม่ใช่สันโดษนั่น น, น่นนั่นั่นไม่สันโดษเลยนะเพราะถ้าสันโดษจริงๆต้องอรหัตผลนั่นแหละอนนะถ้าสันโดษในในอุทานน่นะในคมภี์อุทานที่พระองค์แสดงคําว่าสันโดษตรงนั้นเนี่ยหมายถึงอรหัตผลจึงจะเรียกว่าสันโดษอย่างแท้จริงแต่ น, นี้เรากําลัางพูดถึงปัจจัยสี่อนะไร จะเกี่ยวกับปัจจัยสี่นั้นก็ก็คือมหาพูดะนะท่านทำมหาพูดนี้ก็ยินดีตามที่ได้ก็พอ น, น, นะนะตามที่ได้ก็พอเช่นผ้าเนยนะอย่างข้อต่อไปคือสันโดษตามกำลังเช่นว่าภิกษุอาพาดเมื่อห่มจีวรหนะักย่อมต้องคลอมตัวลงหรือลำบากเธอจึงเปลี่ยนจีวรนั้นกับพิสุที่ชอบกันอย่างอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรนั้นก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายาถาภะสันโดษอนนะ ป่วยอย่างนี้นะคือผ้าเนี่ยเราต้องนึกผ้าแบบผ้าโบราณผ้าฝ้ายใช่ไหมผ้าขาดๆแล้วเอามาตะปะปะตะ่อๆกันเนี่ยถามว่ามันจะหนาสักขนาดไหนแล้วมาห่มเนี่ยนะมันก็นับว่าคือใช้เรียวแรงใช้กําลังมากถ้าป่วยถ้าอายุมากละ่ะใช้ผ้าแบบนั้นเนี่ยกําลังร่างกายบริหารไปไหวไหมก็ไม่ไหวเนี่ยนะก็ไปเปลี่ยนกับทิกษุทที่ชอบพอกันไปเปลี่ยนกับผู้ที่เขายอมเปลี่ยนกับเราอ่ะนะก็ขอเปลี่ยนอย่างนั้นนหละ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 แต่นี้ก็เห็นว่าบางอย่างเนี่ยถ้าใชา้แล้วแทนที่คนอื่นเขาจะยินดีชื่นชมใช่ไหมเขากลับตําหนิดูหมิ่นด้วยซ้ําไปอั้นความเหมาะสมนี่ก็นับว่าสําคัญทีนี้ต่อไปว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยนะพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ได้บินธบัตปอนหรือประณีตแล้วก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินธบาตนั้นไม่ประสงค์บินธบาตอื่นแม้เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายะาลาภาสันโดษ ในบิณทบาทของพิสูจน์นั้น <c oughs> คือบินทบาทอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นนั่นแหละอันหนึ่งเราพิสูุอาพาธฉันบินทบาทเศร้าหมองโรคจากกาเริบหนักเธอจึงถวายบินทบาทนั้นแก่พิสูจที่ชอบกันฉันเนยสายน้ําเพึ่งและนมสดเป็นต้นจากมือของพิสูจน์นั้นเ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มทำสมณะรมอยู่ก็ยังเป็นผู้สันโดษนี้เป็นยถาภะสันโดษในบินทบาทของพิสูจนั้นสังเกตนะท่านให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องสัปปายะมาก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 อาหารเช่นนี้เนี่ยบางทีก็เห็นใช่ไหมว่าอาหารนี้คนนั้นเข้าสปายะเข้ามากเราก็เอาไปถวายท่านซะเราก็เอาอาหารของท่านเพราะเราฉันยังไงก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ดีนันะคือบางคนนั้นบริโภคอาหารอย่างไรก็สปายะนี่บริโภคข้าวเหนียวก็สปายะเข้าเจ้าก็สปายะบางคนไม่ได้เลยข้าวเหนียวก็ไม่ย่อยอืดทั้งวันอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็หาสปายะให้เจอบางคนเจอเข้าเจ้าไม่ได้เลยนะฉันแป๊บเดียวหิวอีกแล้วว่างั้นต้องข้าวเหนียวจริงกับสัปายะนั่นนะ แม้กระทั่งข้าวข้าวทั้งหลายนี่ก็แล้วแต่ถิ่นมันกันนะถ้าถิ่นเนื้อก็ถิ่นอีสานนี่ติดขา้าติดข้าเหนียวกันส่วนใหญ่ถ้าถิน่นภาคกลางนี่ก็เป็นข้าวเจ้าซะส่วนใหญ่เพราะมาเป็นคนภาคอีสานแต่ติดข้าวเจ้าอย่างเนี้ยมันก็เลยลำบากมากอันนี้เรียกว่ามคืออันนี้ไม่ได้พูดว่าให้ใส่ข้าวเจ้าอนะแต่เล่าให้ฟังว่าเ อ, อสปายัของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยฉันข้าวเจ้าแล้วก็ ท่านหิวอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ได้ฉันอะไรเลยพระอะไรรูปท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นนั้นสปายะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันส่วนเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยนะเรื่องเสนาสนะว่าพิกษุมาถึงเออเขาว่าเสนาสนะมาถึงมาถึงพิกสุในธรรมวินัยนี้เธอก็สันโดดด้วยเสนาสนะนั้นนั่นแหละไม่ยอมรับเสนาสนะอื่นแม้ดีกว่ามาที่มาถึงอีกก็ก็ไม่ยอมรับอันนี้เรียกว่ายะถาลาพระสันโดษ เธอพระภิกษุในสมัยก่อนโดยมากเนี่ยท่านจัดเสนาสนะให้ตามลำดับพรรษาว่าพรรษาสมมติว่ามีกุฏิอยู่สิบหลังเนี่ยนะก็จะบอกว่าพงคองที่มีพรรษาสิบจะอยู่กุฏิชั้นดีชั้นที่หนึ่งเยนะพรรษารองมาก็จะไล่กุฏิอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีพระพรรษา1ิบอ็มาพรรษาที่สิบต้องลดตำแหน่งลงนะองที่สบอ็ดจะไปอยู่กุฏิชั้นดี ถ้ามีองค์พรรษาสิบสองมาปรับองค์ที่ภรรษานั้นจะต้องลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้ามาีหนึ่งห้องขอไปมีหลังเดียวแต่มีหลายรูปล่ะก็บัิหารชั่วโมงกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนะเขาก็ม right, ีระบบทางพระวินัยจัดการเรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะถ้าเป็นบริหารของสงฆ์จะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพริ่นท้าได้อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตาบางทีเนี่ยพระบวชใหม่เข้ามาเนี่ยนะ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 ว่าอันหนึ่งเล่าภิกษุอาพาธอยู่ในเสนาสนะที่อับลมย่อมทุรนทุรายอย่างเลือกเกินเสนาสนะอับลมนะมันคือมันชื้นมากๆเลยนะลมก็ไม่ผ่านแล้วก็ชื้นแล้วก็อับโรคดีเป็นต้นก็เลยถวายเสนาสนะแกภิกษุที่ชอบกันแล้วอยู่ในเสนาสนะอันเย็นมีลมที่ถึงแกภิกษุนั้นแม้ทสมมาสมณธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายะถา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 เช่นนั้นถ้าไม่สปายะนะที่อื่นบอกเลยว่ารูปกลางวันไปกลางวันรูปกลางคืนไปกลางคืนอย่าไปอะไรอาวรนเลยอย่าเป็นผีเป็นจิ้งจกตุกแกเฝ้าเสนาสนะอ น, นั้นจะลาบากอีกส่วนอีกรูปหนึ่งไม่ยอมรับเสนาสะนะที่ดีแม้มาถึงคิดว่าเสนาสะนะดีเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อพิสูจน์นั่งอยู่ในเสนาสะนะนั้นถีนามิธาย่อมครอบงําเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกกามวิต ก, ก็ฟุ้งขึ้นเธอจึงปฏิเสธเสนาสนะเช่นนั้นเสีย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 นะไปอยู่หลังไหนก็ไปยุกประดับตกแต่งนี่นะหน้าต่างก็ตัดตรงนี้ติดตรงนั้นนะก็ น, นั่นแหละท่านหนักๆเข้าไม่ค่อยถือแล้วบริขารถือโม้นพวกคอนพวกเลื่อยนะนะั่นแหละก็เลยตัดขยับางองค์นี่ขยันจริงๆนะดึกดืนเที่ยงคืนแล้วยังไม่เลิกทํำนะตีข้อปองเป่งปงเป่ ง, ป ง, ป ง, ปงทําอยู่นั่นแหละทําเสร็จอา้ายกุฏิไปอยู่หลังไหม่อีกลังนี้ก็น่าทําก็ทําอยู่อย่างนั้นนะนะสมณธรรมก็เลยไม่ได้เป็นอันเรียนอันศึกษาเลย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 อ่ะนะซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ไม่ชอบน้ำอ้อยเนี่ยนะน้ำอ้อยนี้เป็นอาสปพายะแต่น้ำมันเป็นสปพายะก็เอาน้ำอ้อยไปแลกน้ำมันน่นนะหรือมีน้ำมันไปแลกเนยใสเป็นต้นก็แลกกับเพื่อนพระพิสุด้วยกันได้นะแต่ถ้าไปแลกกับคารวาสนี่ต้องใช้สมณโวหารจึงจัดได้คืออัตมามีน้ำอ้อยอ่ะแต่ไม่ต้องการน้ำอ้อยต้องการน้ำมันนายโยมเข้าใจบอกโยมก็มีน้ำมันแต่ไม่ต้องการน้ำมันต้องการน้ำอ้อย่นะแล้วเขาก็อ่ะผมถวายอันนี้ผมเอาอันนั้นทำอย่างนี้ได้ แต่มาบอกเรามาแลกกันมาไม่ได้แลกไม่ได้ซื้อค้ายก็ไม่ได้นั่นนะก็ส ม, มณะโวหารนี่ก็สําคัญนะถ้าไม่ศึกษาคือวัตถุประสงค์ตามเดิมเหมือนกันแต่ว่าถ้าส ม, มณวโวหารเนี่ยบางทีก็ไม่ผิดถ้าไม่ใช่ส ม, มณะโวหารก็ผิดอย่างตัวอย่างเช่นว่ามีพระพิสูรรูปหนึ่งมี ว, วิวยาวัจกรเนี่ยดูแลอยู่นะต้องการอะไรก็ได้อย่างงี้ก็บอกเขา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 เกื้อกูลต่อการบาเพ็ญสมณธรรมอันที่จริงถ้ากล่าวตามเนติปรกรณ์เนี่ยสันโดษอยู่ในกระถาวัตถุสิบใช่ั้ยเรื่องที่ควรพูด10ประการคือเรื่องหนึ่งมักน้อยสองสันโดษสมไม่คลุกคลี 4. ีวิเวก 5. าปรารบความเพียรสีนนะสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะ เรียกว่ากระถาวัตถุสิ่งที่ควรสนธนากันมีสิอย่างเพราะฉะนั้นก็มงคลสามสิบแปดก็นับเนื่องในกระถาวัตถุนั่นแหละมันถ้ากล่าวเฉพาะสันโดษก็ชื่อว่ากล่าวมักน้อยไปแล้วด้วยแต่ก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งใส่สมอดองกับน้ำมูดเน่าลงในภาชนะใบหนึ่งใส่ของมีรสอร่อยสี่อย่างลงในภาชนะใบหนึ่งก็แปลว่ามียาแบบอร่อยคือแบบแบบเยี่ยมนะกับแบบน้ำ เรียกว่ายาดองอบางท่เถิดเมื่อถูกเพื่อนพิ่สูบอกว่าท่านต้องการสิ่งใดก็ถือเอาสิ่งนั้นเถิดถ้าว่าอาภาษของพิ่สูนั้นระ ง, งับไปด้วยสมอดองน้ำมูดเน่าและของรสอร่อยทั้งสองอย่างใดอย่างหนึ่งใชยเมื่อเป็นดังนั้นเธอคิดว่าธรรมดาสมอดองด้วยมูดเน่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญแล้วและพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าบรรดาชาอาศัยมูดเน่าเป็นเพสัช นะถ้าอย่างอื่นเลยสายเนยน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยชื่อวราบเหลือเฟือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ทําความอุตสาหะในมูดเน่าเป็นเพสัตนั้นจนตลอดชีวิตปฏิเสธของมีรสอร่อยเป็นเพสัสนะนะคือในอนุสาสตร์แปดเนี่ยอนุสาสตร์แปดเนี่ยก็คือห้าเป็นข้อห้ามสี่เช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องประชิกสี่เนี่ยนะก็ห้ามบอกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีว่า จีวรเนี่ยนะให้ถือเอาผ้าบาังสกุลเป็นต้นแต่ถ้ามีเขาถวายพวกสมณบบริขารชื่อว่าอดีเรกลาบแปลว่าลาบเหลือเฟือเพราะฉะนั้นถึงไม่มีใครถวายก็เพ่งอุตสาหะโน่นไปหาเก็บเอาเศษผ้ามาปะเย็บยอ่เอเย็บปฏิปต่อเพื่อจะนุ่งจะห่มเธอถ้าเขามีเขาถวายก็ชื่อว่าเป็นอดีเรกลาบแปลว่าลาบเหลือเฟือส่วนบินทบัดก็ได้มาจากปลีแค่ปลีแข้งนะั้นะแต่ถ้ามีคนถวายก็ชื่อว่าลาบเหลือเฟือ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 ผู้ที่ตั้งอยู่ในสมณนธรรมตามอนุศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างนั้นก็ชีวิตสมณนเพศก็ไม่น่ามีปัญหาเนี่ยนะปราลบไว้เลยว่าถ้านุ่งผ้าเนี่ยนะอย่างยุคนี้เนี่ยเป็นสมัยที่เรียวกว่าอุ้ยผ้าอะไรจะมากเท่ายุคนี้ไม่มีแล้วพระพิสูงหล์เนี่ยผ้าเยอะจริงๆเนี่ยนะบางทีถ้าบางแห่งเนี่ยนะก็เก็บเอาไว้จนเก่าจะได้เอาไปทิ้งได้จะไปทิ้งเลยก็เกรงใจเขาเก็บเอาไว้เก่านะก็ไม่มีใครใช้อะนะ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 แล้วเรื่องภาไม่ได้ใช้ด้วยก็โอ้เก็บเอาไว้ทิ้งอย่างเดียวบางแห่งเนี่ยนะวัดมีพระอยู่สามรูปแต่ผ้าเป็นกูดังเลยเนี่ยนะภาพมากกว่หีบที่บ้านโยมอีกเหมือนกัน <laughs> เก็บไว้จนเก่าแล้วก็จะได้เอาไปทิ้งจนบางแห่งอกีกสั ม, มนเณีบางรูปใช้ไม่เป็นเนี่ยนะอา้าวเช้ามาก็เปลี่ยนเอาผ้าพื้นนี้ไปหม่มเย็นมาก็มาถอดไอ้พื้นที่หม่มไม่ได้ซักหรอกมาเก็บไว้เอาพื้นใหม่ไปหม่มแล้วก็มุนเวียนอย่างเงี้ยก็เลยป้าปแล้วนะ่ะเหม็นสาบไปหมด ต, ตั้งห้องอย่างเงี้ก็มี ก็มีหลายประเภทนั้นผ้าในยุคนี้ก็นับว่ามีมากเนี่ยนะมากจริงๆถ้าเทียบกับโบราณสมัยคุณปู่ทั้งหลายเนี่ยบางหายากมากะนะผ้าสมัยรุ่นคุณปู่เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยผู้การเด็กๆเนี่ยก็สมัยนั้นเนี่ยพระพิสุของหาผ้ายากมากเนี่ยนะหายากจริงเกี่ยวกับเรื่องสันโดษเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยประเภทเชื่อว่าสันตุถีสันโดษนั้นทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบการณ์ละบาปประธรรมทั้งหลาย มีความปรารถนาเกินส่วนความมักมากและความปรารถนาลามมกเป็นต้นอันนั้นก็คือละความทุศีนโดยประการต่างๆปัจจัี่เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาตันหูปาทานสี่เมื่อวานก่อนเมื่อวานน้ที่พูดถึงตันหูปาทานสีเนี่ยตันหาเมื่อจะเกิดเกิดในหนึ่งจีวร2เกิดในอาหารสเกิดในที่อยู่อาศัยสี่เกิดในายารักษาโรค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 นีมนไปเข้าห้องขังเนี่ยนะมีนะีจับเสซิกเสร็จก็เข้าห้องขังไปเลยก็มีที่เมื่อไม่นานเนี่ยที่ต่างจังหวัดทางภาคอีสานนั้นก็ก็เกี่ยวกับเรื่องเสนาสะนะเนี่ยนะบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าบ้างเรื่องอาหารบ้างแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุศีนเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักสันโดษในปัจจยัยศีศีลก็จะดีเพราะว่าความทุศีลทั้งหลายก็เกี่ยวเนื่องกับ ปัจจัยสี่นั่นแหละเช่นเห็นแก่ปากแก่ท้องก็ยอมเสียศีลเสียธรรมทั้งหลายถ้าเป็นผู้สันโดษในปัจจัยสีก็จะทําให้ละความปรารถนาเกินส่วนละความเป็นผู้มักมากละความปรารถนาอันเป็นบาป <_ S 1> ปรารถนาลามกเนี่ยคาว่าลามกนี่หมายความว่าอยากจะอวดตัวเองทั้งๆั้ ง, ท, ง, ท, งที่ไม่มีคุณให้คนอื่นเขารู้ว่าตนเนี่ยเป็นผู้มีคุณ <_ S 2> เขาจะได้ถวายปัจจัยสี่แก่ตนเช่นตัวเองไม่มีศรัทธาหรอกไม่มีศีลไม่มีหิริโอตปะอะไร แต่ทําตัวเทียมๆเนะี่ยทําตัวเหมือนคนมีเหมือนนี่แสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆอะ่ะต้องการเพื่อจะเอาเอาลาบเอาปัจจัยสี่นั่นแหละทัานถ้ารู้จักสันโดษในปัจจัยสี่ซะอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเนี่ยนะท่านก็ไม่ต้องไปทําบาปทำมากุศลเพื่อเพื่ออะไรทั้งนั้นแหละขณะเดียวกันนั้น ความเป็นผู้รู้จักสันโดษข้อแรกโดยรวมๆก็คือละความทุศีลหรือละความคดทางกายทางวาจาและทางใจอันผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในสันโดษอย่างนี้ก็ประเพฤติเหตุแห่งสุขติเพราะเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้อยู่ได้สบายในทิศ ท, ทั้งสีอันที่จริงผู้ที่สันโดษในปัจจัยสี่นี่นะทิศใดเขาก็อยู่ได้ประเทศไทยนี้อยู่ได้ทุกภาคเลยว่างั้นแต่ขอให้สันโดษเถอะ ผู้สันโดดด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นผู้อยู่สบายในทิศ ท, ทั้งสี่และไม่มีปฏิฆะเลยบางแห่งบอกว่าคนที่รู้จักสันโดดนะชื่อว่าผู้มีทรัพย์มากแล้วนะถ้าถ้ารู้จักสันโดดนี่ก็ชื่อว่าผู้มีทรัพย์แล้วใช่ไหถ้ามีมากแต่ถ้าไม่รู้จักสันโดดนะก็เป็นคนยากอยู่นั่นแหละหนั้นก็ความเป็นผู้สันโดดเนี่ยก็จะอยู่สบายในทิศ ท, ทั้งสี่แล้วก็ไม่ค่อยโกรธอะไรง่ายๆไม่รู้จกโกรธใคร ท, ทไม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 อสันโดษนั้นเป็นมงคลเพราะเหตุละบาปอากุศลเป็นปัจจัยแห่งสุขติเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออริยมรรคเพราะเป็นเครื่องบ่มอริยมรรคนะนะแล้วก็ทิศทั้งสี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ได้อย่างผาสุขถ้ามองว่าต้นไม้คือกุฏิได้นะที่ไหนจะอยู่ไม่ได้ไม่มีนะนบางรูปเนี่ยเห็นเสาไฟฟ้าก็ได้ที่น้อนแล้ววันนี้ถ า, ามถามว่าเห็นไงคือคือปกติเนี่ยท่านจะมีร่มอยู่อันหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าเป็นซะหน่อยนะเขาจะเอาไม้อันหนึ่งไปเสียบกระรูเสาไฟฟ้าก็แขวนโกรดก็อยู่ได้อยู่แล้วก็นอนหลับได้เหมือนกันแต่ก็สังเกตด้วยนะเพราะว่าไอป่าป่าที่บางทีอะไรอุจจระมันเยอะเหมือนกันในข้างๆแถวๆนั้นนะเราวังให้ดีกันแล้ว ก, ก็อันที่จริงถ้าไม่คิดอะไรจนเกินไปเนี่ยนะทำมุ่งสัมมณธรรมจริงๆที่ไหนก็นอนได้ไม่น่ามีปัญหานะซึ่งถ้าจะเย็บมุง้งมุ่งก็ทําไม่ยากนะเพราะมุ้งมันมันเอาผ้าจีวรเนี่ย สองผืนมาเย็บต่อกันมันเป็นมุ้งไปเรียบร้อยแล้วเอาร่มอีกอันหนึ่งนะก็ทำหูรูดซะหน่อยเอาเชือกมาก็เรียบร้อยอยู่ได้แล้วไม่เห็นยากอะไรเลยเนะทีนี้มาดูมงคลที่ยี่สิบห้ามงคลที่ยี่สิบห้าคือกตันยูกตันยูนี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือความรู้จักอุปการะคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งทํามาแล้วไม่ว่ามากหรือน้อยโดยการระลึกถึงเนืองๆชื่อว่ากตันยูตา ผู้มีอุปการะคุณต่อเราเพราะฉะนั้นคนที่มีกระตันยูจริงๆนะๆนะเห็นทุกคนเนี่ยสามารถระลึกได้ว่าคนนั้นช่วยอะไรเราไว้บ้างระลึกถึงสิ่งที่เขาทําต่อเราได้หมดเลยคนนี้ช่วยเรื่องนี้แก่เราคนนั้นมีอุปการะราต่อเราในเรื่องนั้นๆนั้นๆเป็นต้นเนี่ยนะสามารถระลึกเห็นความดีของเขาทั้งหมดที่เขาเขาทําต่อเราะนะลักษณะนี้เรียกว่ากตันยูตาความกระตันยูอันนี้ก็นัว่าเป็นมองคล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 นะก็กล่าวถึงเฉพาะในยะแรกที่กล่าวถึงว่าผู้อื่นเขามีอุปการะคุณต่อต่อเราความกระตัญญูทั้งสองอย่างดังกล่าวไปเนี่ยนะเรียกว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่างๆมีเป็นผู้อันศัต์บุรุษทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้นก็ใครก็ยกย่องนะเพราะว่ากระตัญญูนี่นะับเป็นปุริสธาสัปปุริสธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายบุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลกคือหนึ่งบุพก า, ารีสองกตันยูกะตะเวทีบุคคลบุพก า, ารีเนี่ยนะที่ยากเนี่ยเพราะอะไรในหนังสื อ, อวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ท่านบอกเลยว่าบุพก า, ารีที่หายากเพราะโลภะมันมีกำลัง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 กตันยูใช่ไหมผู้ที่เป็นบุพการีนั้นอ่ะเป็นคนที่หายากกตันยูกระตระตวเวทีบุคคลก็หายากใครที่เป็นบุพการีนะถ้าฟังข้อความตรงนี้ก็อย่าไปคิดถึงกตันยูกระตระตวเวทีบุคคลให้มากนักอนะนะก็เหมือนเขาเรียกว่าถ้าเลี้ยงลูกก็เลี้ยงเอาเอาบุญอย่าไปเลี้ยงเอาคุณ จะไปเลี้ยงเอาคุณมากๆแล้วไปทวงเช้าข้าทว ง, ทวงข้าวเช้าทวงเย็นทวงเช้าวทวงเย็นฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เท้าฝ่าเท้าเล็กๆมาเนี่ยนะมาตอนนี้ทําไมไม่ระ ล, ลึกถึงคุณของฉันบ้างเนี่ยนะถามมา ด, ดีไหมแล้วลูกหลานจากกะกตันอยู่เพิ่มไห ม, ไมชายเลยนะยิ่งหางมากทานเ ท, ท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุพก า, ารีทั้งหลายเนี่ยหายากในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นบุพก า, ารีบางคนที่ไม่เข้าใจเพียงพอเนี่ยก็เป็นคนที่ทวงจริงๆ ทวงบุญทวงคุณทวงบุญทวงคุณอยู่นั่นแหละก็มีคนหนึ่งนะพูดถึงไอ้บุพการีที่เรียกว่าไม่ตั้งตัวโดยทําเนี่ยที่ตั้งอาจจะเรียกว่าช่วยเหลือคนอื่นหวังเหยื่อนนะมีชายหนุ่มคนหนึ่งก็ไปสมัครงานใช่ไหมไอคนหนึ่งก็เห็นแล้วก็เอาถือว่าญาติกันก็เลยเรียกมาเอ้าบอกแกมาทํางานที่นี่นก็พาไปสมัครงานก็ให้ทํางานได้ทีนี้นานๆเข้าไอคนที่พาเข้างานมันก็ทวงนี่นะแกนะทําไม่ได้ชั้นแกไม่ได้เข้างานหรอก ไอคนนี้แกหมันไส้มากให้ห้าพันบอกว่าแกห้ามทวงอีกนะถ้าทวงอีกโดนแน่คราวนี้จ่ายเลยนะบอกรำคาญมากเลยคำนี้ว่าเพราะฉะนั้นบุพการีบุคคลเนี่ยบางคนถ้าถ้าไม่โยนิโสมนัศิการให้ดีนี่เสียหายมากๆโด้วยซ้ำไปอันนะก็จึงเมื่อความดีที่เราทำลงไปก็ไม่ควรที่จะไปตามทวงอนนะพระโพธิสัตว์เคยมีไหมพระองค์ให้ทานนยาจกทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเก็บ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 กำหนดจดจำเอาไว้ว่าเราจะได้มีโอกาสตอบแทนคุณเขาเพราะว่ากตันยูก็คือระลึกถึงคุณใช่ไหมกตะเวทีก็คือทําตอบแทนเราจะได้ตอบแทนเขาบ้างจะได้ตอบแทนเขาคืนไปเนี่ยนะถ้าเรากตันยูในพระพุทธศาสนานี่เราจะทำยังไงไปตอบแทนใครดีก็ด้วยการปฏิบัติตามถ้าทำคําสอนนั้นก็ชืเรียกว่ากตันยูแล้วเนี่ยนะชื่อว่ากตะเวทีแล้วเพราะพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรเราหรอก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 นั่นแหละเรียกว่ามุสาวาตอันนั้นก็นบว่าเป็นมุสาวาตนะที่พระ อ, องค์เตือนพระาหุนสมัยที่พระาหุนอายุเจ็ดขวบอะคือเรื่องไม่จริงอะแต่ว่าเราหาเป็นโจกอะนะซึ่งชาวโลกทั่วๆไปเขาก็ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาตอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นคำมุสาวาต ด, ดังในพระวินัยก็กล่าวถึงเช่นพระพิสุรูปหนึ่งเนะี่ยนไปบินทบาตน้ามันในหมู่บ้าน ถ้าพระอุ้มบาตรไปตอนเย็นเนี่ยโบราณเขารู้เลยว่าเป็นการไปบินทบาทเนยใสยเนยข้นน้ํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยนะมันก็เห็นท่านอุ้มบาตรมาก็ถามว่าท่านประสงค์อะไรบอกว่าถ้ามีเขาถามนีเก็บอกว่ามาหาน้ํามันเนี่ยเขาก็จะให้น้ํามันให้อะไรใหม่นี่วันหนึ่งไปก็ไม่ได้อะไรกลับได้น้ํามันมันนิดเดียวนะมาถึงวัดก็พระภิกษุก็ถามว่าท่านได้น้ํามันมาเยอะไหมบอกโอ้ยน้ํามันท่วมหมู่บ้านหมดเลยอันนี้จริงไหม อันนมุสาวาตเขาบกว่าพูดจะหัวเราะเล่นลนะนี่กัอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเกวียนเนี่ยนะถ้าเป็นเกวียนมันขับมันวิ่งไปเนี่ยนะว่านั่นเกวียนใครก็เกวียนพ่อแม่เธอนั่นแหละอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุสาวาตเพื่อที่จะให้คําขันซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนั้นไม่จริงการคุยเพื่อจะคําขันเพลิดเพลิน อ, อย่างนี้ก็นับว่าเป็นมุสาวาตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน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 ก็เอาอันนั้นมาถวายแล้วเอาอันนี้ไปเนี่ยถามมาได้ไหม<ช> <iah. S 1> เอาบอกว่าห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ใช่หนู อ, อันนี้ไม่ได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ก็เรียกว่าใช้สมณโภหารถามว่าพระซื้อขายได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าบอกผู้การไปหานั้นมาให้หน่อยได้ไหมได้อ <erver> ันนีอ้อ้าวมันก็ได้ตามเดิมอะ่ะแล้วแค่ใช้คําไม่ใช่หรือ อันนี้แหละที่เรียกว่าพระวินัยที่พระองค์บัญญัตินี้อาศัยอํานาจประโยชน์10ประการพระวินัยนี่จริงๆแล้วสาเร็จด้วยศรัทธาถ้ามีศรัทธาก็สามารถที่จะปฏิบัติและรักษาตามได้พระองค์บัญญัติพระวินัยด้วยเหตุผลหนึ่งเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์สองเพื่อความสําราญแห่งสงฆ์สเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากเกอ้อนี่แปลว่าอาใช่ไหม เก้อยากก็อายากแปลว่าแปลเป็นไทยๆว่าหน้าด้า น, น, นเพื่ออยู่สำราญแห่งที่สุขผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อกำจัดอาสะวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อป้องกันอาสะวะที่จกมีต่อไปในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งประชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว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 เมื่อศึกษาเข้าใจก็จักปฏิบัติตามถูกเพราะฉะนั้นเมื่อปริยัต ด, ดีปฏิบัติถูกปฏิเวทจักไปไหนพันถ้าพระองค์บัญญัติพระวินัยเนี่ยศัตธรรมคือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทก็จักดารงมัน่นข้อสุดท้ายก็เพื่ออนุเคราะห์วินยัยอนุเคราะหวินัยสี่ประการวินัยก็คือสังวรวินยนะัยหนึ่งะสังวรวินัยสองปะหานวินัยสาบัญญัติวินยัยและก็สมถาวินัยนะถ้าจำไม่ผิด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 สังวรก็นำมาซึ่งอวิปปิสารอวิปปิสารก็นำมาซึ่งปราโมทปราโมทก็นำมาซึ่งปีติปีติก็นำมาซึ่งปัสสัตธิปัสสัตทิก็นำมาซึ่งสุขสุกก็นำมาซึ่งสมาธิสมาธิก็นำมาซึ่งยถาภูตยานัทสนะยะถาภูตยานัทสนะก็นำมาซึ่งนิพิถานิพิถานำมาซึ่งวิราคะวิราคะนำมาซึ่งวิมุตติวิมุตตินำมาซึ่งวิมุตติยานัทสนะวิมุตติยานัทสนะก็นำมาเพื่อ อนุปาถาปรินิพานเนีนะอันนี้อยู่ในพระวินัยปิดกคัมภีร์ปริวานชื่อหัวข้อว่าจูลสงครามมีมหาสงครามด้วยนะมีจูลสงครามมหาสงครามเนะพระวินัยเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจพระวินัยบัญญัติถ้าตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามสมัยผู้ถสมัยก่อนๆเลยเนี่ยสมัยก่อนๆเลยเนี่ย พระภิกษุที่ปางตายทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนะท่านทบทวนพระวินัยของท่านนะแล้วท่านจากมีปีติใช่ไหมไล่ไปเลยปราชิกท่านก็รอดปีติเลยนะสังฆาธิเศตก็รอดนิสกีท่านก็ไม่เป็นปาจิติก็ไม่มีปฏิเทศริยะก็ไม่ถูกทุกกฎก็ ด, กดีไม่เป็นทุพพาสิทธ์ก็ไม่ดีถ้าระลึกทุกข้อตามที่ ท, ท่องได้ในปาติโมกแล้วตัวเองบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าใจว่าจะมีปีติไหม มีปีติไหมว่าไล่เลยนะว่าประสิทธิสีเนี่ยนะแต่และข้ออย่าเข้าใจายอย่างถูกต้องนะตรวจสอบตัวเองโดยประการทั้งปวงจําเดิมแต่บวทไม่มีอบัตติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยนะท้าวมาจากมีปีติและปรามโมทขนาดไห น, นเพราะฉะนั้นอย่างในเถระคถามีเรื่องหนึ่งพระรูปหนึ่งท่านบวชมายี่สิบกว่าปีแล้วจิตไม่เคยสงบเลยสึกก็ไม่ได้บวชต่อไปก็ไม่เจริญทํายังไงดีนะตายดีกว่าก็อย่าอยู่เลย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 ควรแกการโสมมานับเหลือเกินอย่างเงี้ยนะข้อแปดก็เยี่ยมโอ้ปีติเลยอย่างงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเพิ่งทําก็อาจจะยังไม่ทันปีติเพราะนึกถึงซีนน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่นึกได้วันละชั่วโมงละครั้งนะคุณุไรชั่วโมงละครั้งใช่ไหะชั่วโมงละครั้งอนะก็หรือถ้าถ้าทุกห้านาทีด้วยก็ยิ่งเจ๋อเลยกันเนี้ยนะี่ติดสัญญาณกุศลเนี่ยทุกหานาทีหรือทุกสองนาที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 ที่รองรับเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมชั้นสูงมันอารัมณะปัจจัยใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกุศลชั้นสูงไม่มีสำหรับเราเนนะ<ๆ>ก็จะเจริญกว่าจะถึงวันนั้นกอันนี้ต้องตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ก่อนนะแต่จะบอกว่าใครจะไปทำได้อย่าเพิ่งขนาดนั้นเลยเนยนะก็พระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านปฏิบัติกันอย่างนั้นเราถึงทายังไม่ได้ก็อย่าพิ่งอย่าพิ่งปฏิเสธ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 สัพพิสุสัมมณี น, นท์นท่องกันได้เยอะท่องกันได้มากเพราะฉะนั้นใครที่ท่องได้น้อยก็ถือว่าตัวเองนี่เป็นปมด้อยใครที่ถือได้มากก็มานะจับเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้กุศลจิตก็ไม่ค่อยเกิดมากนะคําพูดก็ขาดเมตตากรุณาต่อกันเป็นต้นซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพอนานๆเข้าเป็นอะระคะโทปมาปริยัติเนี่ยนะเรียนไปก็เอาไว้ข่มผู้อื่นเอาไว้แก้ต่างให้ตัวเองตัวเองทําผิดก็อย่างนี้ยังใช้ได้ เอาไว้แก้ต่างตัวเองแล้วก็ตั้งความปรารถนาลามกเป็นต้นซึ่งไม่สมควรแต่ควรเพื่อเรียนให้เห็นคุณของพระรัตนาตรายใช่ไหมเรียนเพื่อให้เห็นคุณของคาถาวัตถุสิบเห็นข้อปฏิบัติเราทั้งหลายก็จะได้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยนะทีนี้ถ้าเราเรียนสักแต่ว่าแค่ไม่ให้เขาดูหมินเนี่ยนะไม่พอหรอกเพราะว่าถึงเขาจะชมนะถึงเราเรียนได้เยอะจําได้มากถึงเขาจะชมนะ พ่อองตัดว่ามันเล็กน้อยไม่พอจะพ้นทุกข์รอกคำที่คนอื่นชมนะช่วยเราได้จริงๆไหมะนะเพราะฉะนั้นในห้องเราเนี่ยนะก็มีผู้ที่ถูกชมแล้วก็ถูกถูกได้รับโลกธรรมมาเป็นอย่างดีใช่ไหมทั้งละ อ, อะไรนะทั้งนินทากับสรรเสริญแรกแรกก็สรรเสริญก่อนใช่ไหมตอนหลังก็นินทาว่าแบบชาวบ้านทั่วๆไปก็คนที่จะมีครอบครัวนะจะโดยทั่วไปนะจะชมกันก่อนใช่ไหม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 การฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราคือคนไข้เห็นะรรมทมโอสถที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเพื่อบำบัดไข่ใช่หมบำบัดบาปบำบัดอกุศลทั้งหลายเห็นะันในเรื่องการเมตตากรุณาวังดีปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นคุณธรรมที่ขาดไม่ได้ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะ ก็มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะได้กี่มงคลแล้วเนอได้กี่มงคลงทำไมพูดไม่เหมือนกันอ่ะไม่ได้เรียนด้วยกันหรืออันนขึ้นมงคลที่ยี่สิบหกเนาะเจริญพนแล้วก็มาขึ้นตอนนี้ยังอยู่ในคาถาว่าคารโวจะนิวาโตจะอะไรสันตุ ธ, ธีจะกะตันยุตา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 ไม่ไม่เป็นนาทีแล้วก็ว่ า, วาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะนะนะวันละแปดเก้าชั่วโมงเลยนะก็สาธุนะ่นะนะก็นับว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่ได้ฟังทำมากอ่ะนะแต่ว่าคิดความสามารถไม่ค่อยมากแต่ถ้าเทียบจํานวนในการฟังมากรุกยุคเราเนี่ยฟังมากจริงๆริงนะนะฟังมากอ่านมากเรียนมากแต่รู้ว่าความสามารถไม่มากเนี่ยนะนะ ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือคือในส่วนที่แง่บุญเก่าก็เยอะล่ะในแง่บุญเก่านะโสตะวิญญาณจากักขูวิญญาณเนี่ยอตรงนี้เยอะแต่ว่ามโนวิญญาณนี่ไม่ค่อยดีมโนวิญญาณคือชาวนะไม่ค่อยดีนักนะก็เลยได้เท่าที่ได้แต่ก็สําคัญสําคัญนะก็ให้ให้ผ่านหูไปก่อนสติปัญญาน้อยเนี่ยหลายรอบเขาว่าอ่านบ่อยๆ อ, อ่านมากๆ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 เดี๋นั่งอ่ะตัวเล็กก็เพื่อนเลยอะ่ะคือคุณอ้วนนี้ก็บอกว่าเมื่อคืนตีสามบ้างนนอนตีสามโอ้โห و, มาฟังก็ตกใจเลยนะตีสามบ้างตีสี่บ้างตีสองบ้างโอ้โห و, ทำไมได้อยู่ได้ทนขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วก็ทนอยู่ขนาดนั้นแล้วก็ทั้งคืนเดียวเ้ายังชั่วในนะบางทีก็ติดติดกันเลยลหลายคืนด้วยกันก็คือก็อาชีพทางโลกก็ต้องประกอบใช่ไหม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 อันนั้นจำชื่ออะไรจำได้เก่งมากจำได้เยอะแยะแต่หมดเลยเพียงแต่เสียดายไม่ได้ถ้าเอาจำมารยศัพท์นะนนี้เกือบบรรลุไปแล้วแต่ <c oughs> ว่าไปจำอะไรก็ไม่รู้ท <c oughs> ันที่สำคัญนะักพยายามแบ่งเวลาให้ให้การศึกษาพระธรรม <c oughs> เขาก็มีบางคนนะ <c oughs> เขาเขาฟังมา ก, ก น, นะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นบางคนนะ เขานั่งฟังทำนะฟังตั้งแต่เชา้าจนค่ำฟังตั้งแต่เชา้าจนค่ำเลยนะออกมาเดาแล้วว่าคนนี้ศึกษาอีกไม่นานจะเลิกแล้วก็เลิกจริงๆอย่างนี้อันนี้เกินไปนะนะแต่ก็อันนี้นี้บางคนนะที่ไม่ใช่คุณอุไร <c oughs> คุณอุไรก็กลุ่มเดียวกันนะนะฟังไม่ยอมลงบ้านลงช่องเลยนะก็ เ, เอากันขนาดนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่เลิกอนะแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเฟ้นฟังมากๆเราดูแล้วทําท่าจะเลิกแน่ฟังขนาดนี้นะ คือคือเหมือนกับเหมือนอาหารที่มันทานเกินไปใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งบอกว่าอยากฉันมะพร้าวมากก็เลยเอามาให้ทลายหนึ่งท่านฉันหมดทลายเลยเจียนออกหมดหลังจากนั้นก็เลิกฉันมะพร้าวเลยเนี่ยนะอันนั้นก็เกินไปใช่ไหมการฟังธรรมก็ความพอดีนิดจึงสําคัญมากเขาเรียกว่าตามการอันหนึ่งการใดที่สู่เข้าไปหากะรยานมิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้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 ห้าเก่งเท่าพระพุทธเจ้านะพระองค์นี้ชาวนะพระองค์มีห้าขณะลงผวังก็ลงผวังกี่ขณะหนึ่งขณะถึงสองขณะแล้วก็ขึ้นชาวนะอีกเนะี่ยนยอยู่อย่างนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากมันเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกจิตเนี่ยนะคือจิตไม่ตกไปในอกุศลเลยแล้วก็คุมไม่ให้ชาวนะมันเกิดแม้กระทั่งเจ็ดครั้งก็ไม่ให้เกิดผวังนี้กาหนดให้เกิดเลยนิดเดียวพอ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 เหมือนกับว่าให้พระพุทธเนเรมิตเนี่ยขึ้นแล้วสองต้องให้มีรมัศมีแล้วต้องมีอริยาบทใช่ไหมแล้วบริษัทที่ประชมุมกันเนี่ยนะเป็นพันล้านคนที่มาอยู่แถวๆนั้นทั้งมนุษย์เทวดาเนี่ยเป็นพันล้านแล้วพระองค์ตรวจสอบจิตของทุกคนหมดแล้วระลึกชาติถึงของอดีตของบุคคล น, นั้นทั้งหมดตรวจดูว่าผู้จะบรรลุในนั้นมีกี่คนแล้วต้องแสดงธรรมด้วยนะแล้วต้องแสดงอภินิหารในระหว่างในระหว่างอยู่ด้วยเนี่ยนะ โดยเหมือนทุกอย่างเป็นขณะเดียวกันไปหมดนั่นคือหมายความว่าผู้ที่ฝึกจิตสำเร็จแล้วถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถทำได้ขนาดนั้นเนี่ยผู้ฟังในยุคนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ได้มากนนะแล้วก็แสดงธรรมตามจริตตามอัธยาสาัยจริงๆแต่ของเราทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านี่บอเนี่ยมันบันทรนะนกระปลกกระเปี้ยไปหมดเลยนะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายอันนี้สงสี่ประการแห่งการฟังธรรมที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิอันบุคคลนะั้นพึงหวังได้อันะอันนี้สงสี่ประการนะที่ฟังอย่างดีมาเนี่ยเป็นการชนิตฟังไว้แล้วคล่องปากขึ้นใจด้วยนะแทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิสี่ประการนี้เป็นไน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 เป็นการฟังแบบทุกคำไม่มีตกหล่นนะนะแล้วก็แทงตลอดด้วยดีเข้าใจทุกคำทุกพยัญชนะเนี่ยนะเธอมีสติหลงลืมคาว่ามีสติหลงลืมในที่นี้แปลว่าตายแบบปุตุชน น, นะนะปุตุชนตายเนี่นะสูตรนี้เนี่ยโซตานุขตาสูตรถือว่าหลงลืมสติตายเพราะเป็นปุตุชนตายเนนะเมื่อกระทากาละย่อมเข้าถึงเทพนิกยหมูใดมูหนึ่งหมายถึงว่า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 ดูความพิสูจน์ท้งหลายนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ประการที่หนึ่งแห่งการฟังธรรมที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได้เรียนไปเธอเนี่ยทรงจำเอาไว้ได้เนี่ยบชาติหน้าบรรลุเร็วแน่นะไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอให้เรียนเอาไว้ดีๆเธอชาติหน้าต้องบรรลุเร็วแน่เหมือนันนะนีอันนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อแรกนะเป็นเทวดาได้อูตูสปายะอาหารสปายะได้ชาวนะใหม่ บางทีที่เราอาจจะยังไม่ได้บรรลุชาตินี้เพราะว่าชาวนะโมัวแต่ทวีเหตุกะอยู่นะชาติถ้าชาตินี้ท่องเอาไวด้ดีจำเอาไวด้ดีติเหตุตุกะนําเกิดก็บรรลุเร็วอย่างเงี้ยนะนั่นก็ไม่แน่นะแน่อีกประการหนึ่งที่สุดย่อมละเรียนธรรมะคือสุตตะคยะวยาวยกรณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทะละธรรมะเหล่านั้น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 ส่วนอย่างที่สามนิยต์ที่สามว่าโดยรวบรัฐก็คือเทพประบ ร, รุ่อท่านใดท่านหนึ่งในสวรรค์นั่นแหละแสดงทำให้ฟังก็บรรลุอีกนะเทวดาสแสดงเทวดาก็บรรลุนะงั้นผู้การไม่ต้องเสียใจไปเรียนต่อที่นั่นได้ <c oughs> นะก็สามารถเรียนที่นั่นได้สบายๆนะก็เรียนชาตินี้เอาให้ดีๆก่อนแล้วกันนะไม่ใช่ไปถึงโน่นก็ลืมหมดเลยนะ มันลำบากมันก็ถ้าเรียนเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วไปถึงโน้นก็ไม่น่ามีปัญหานะไปเรียนต่อได้อีกเลยวันก่อนนะนั่งรถไปกับจารย์สันติอาจารย์สันติไปเคยไปแสดงคำที่เรือนจำอะนะบอกโอ้มาอยู่นี่กันหมดเลยมันั้นมีหน้าอะไรอยู่นี่ท้งหมดเลยนะธนาะเห็นใจนะก็ผู้ชายน้อยเ น, นี่ยพวกเราหลุดมาได้ยังกน็นับว่าแหมมีบุญมากแล้วเนี่ยต้องทาบุญต่อไป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 ท่านผูน้เนรทุกสติบังเกิดชา้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันนี่นะก็ถูกเตือนนะนะถูกเทวดาด้วยกันเขาเตือนนะนะมาชี้ชัดเลยเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะในสักกะปัญหาสูใช่ไหมชื่อเทพบุตรุชื่ออะไรโคปากาเทาพประบุหรือชื่ออะไรอี่นะเทพเทพบุตรชื่อว่าโคปากาใช่ไหมเตือนพระพิสูสามรูปอะ่ะคือเขามีมีตอนที่เทวดาเนี่ยนะ เทวดาชั้นจ่าตุมเนี่ยเข้าไปเฝ้าเท้าสกะทีนี้มันมีเทวดาชั้นจา่าตุมอยู่สามท่านพิเศษกว่าคนอื่นรัศมีมากกว่าคนอื่นเป็นต้นอะ่ะแต่ว่าเป็นเทวดานักร้องเทวดานักร้องโมเดอร์เพลิดเพลินแต่ว่ามีเดทมีรัศมีมากกว่าคนอื่นมากเลยนะโคปะกะเทพบุตรเห็นแล้วก็สงสยัยเอ๊ะเทวดาสามท่านนี้ทําไมมีมีเรียกรัศมีมากเหลือเกินตรวจ ด, ดูอ้าวนี่ภิกษุที่เคยไปฉันอาหารที่บ้านประจํานี่ะนะ มาเป็นนักร้องอะนะก็เลยเตือนว่าสามท่านเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้แบบนั้นก็เลยเตือนเตือนแล้วก็สองรูปบรรลุเลยอีกรูปหนึ่งขอเป็นนักร้องต่อไปนะ่ะติดเป็นนักร้องอะนะเพราะฉะนั้นเทวดาเขาก็เตือนกันก็บรรลุได้ในตอนหลังนั้นของเราก็ถ้าเรียนไว้ดีนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยนะบางทีอาจจะบรรลุได้เองก็ได้สองฟังธรรมที่ภิกษุแสดงก็บรรลุได้อย่างที่สาม เทพบุตรแสดงก็บรรลุได้ประดุดบุรุษผู้ฉลาดในเสียงสังท่านในที่สี่ท่านบอกว่าเหมือนสหายสองคนเคยเล่นฝุ่นด้วยกันมาพบกันในบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งสหายคนหนึ่งก็พูดกล่าวกับสหายคนนั้นอย่างนี้ว่าสหายท่านระลึกถึงกรรมแม้นี้ได้หรือนะเคยเพื่อนเล่นฝุ่นนะนะก็ท้ามไทยถึงอดีต ด, ด้วยกันก็จัดตอบได้สรุปว่าทั้งสี่ประการนั้นก็เป็นอนิสงฆ์ข้องการฟังธทมที่ฟังเอาไว้เป็น อย่างดีจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนคล่องปากและขึ้นใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นอั น, นิสง์ของการฟังทำไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยเรียนไปเธอก่อนที่ไม่มีโอกาสจะเรียนเนี่ยถ้าเรียนเอาไว้ดีก็ชาติหน้าก็บรรลุเร็วเหมงอนกันเถอะอีกสูตรหนึ่งนะท่านยกตัวอย่างมาจากกาละสูตรกาละนะก็ไก่ซาออลองอ่ะกาลสูตรอังกุตรนิการจตุการนิบาศเล่มเดียวกันนี่แหละหน้าสามร้อยหกสิบสี่ว่า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 ย่อมยังบุคคลให้ถึงความสิ้นอาสะวะโดยลําดับกาละสีคืออะไรบ้างหนึ่งฟังธรรมตามการสองสนทนาธรรมตามการสามทำสมถะตามการสี่ทำวิปัสนาตามการนี่แหละกาละสีบุคคลบําเพ็ญโดยชอบเปลี่ยนแปลงอยู่โดยชอบย่อมยังบุคคลนั้นให้ถึงความสิ้นอาสะวะโดยลําดับเห็นั้มอันสําคัญมากเลยนะสี่ประการนี่หนึ่ง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 เราทั้งหลายเพิ่งทําอยู่ไม่นานถ้าทําอยู่อย่างนี้สักครึ่งค่อนชีวิตนะบักผลจะไปไหนเสิ่งเนี่ยนะแต่ว่าส่วนใหญ่หลายท่านก็บนว่าขวานเกือบบินซะแล้วนะก็นี่แหละมันก็หาเรื่องท้ออีกจนได้นะเนะียหาเหตุจนจะเลิอกอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นควรจะหาเหตุว่ายังไงก็เลิกไม่ได้หรอกชีวิตนี้ขอถวายแด่พ ร, รนะนะพระรัตนตรัยเนี่ยนะขอถวายแก่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระธรรมถวายแกพระสงฆ์จะเลิอกอย่างอื่นนี่พอเลิกได้แต่เลิก นับถือพระรัตนตรายเลิกคิดถึงพระรัตน์พระรัตนตรายเลิกคิดถึงธรรมคงทําไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เราเป็นอย่างนั้นก็ใกล้ความเป็นทโศดาบันเข้ามาทุกทีแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้ไม่กี่กิโลอีกเนาะ <laughs> <laughs> กี่กิโลน้หมออยุพินกิโลแมว <laughs> แหมพูดซะตกทออีกจนได้หาเรืออ่องกันตัวเองพออีกนั่นแหละใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว บอกกิโลแมวกับกิโลคอมเมนนี่เหมือนกันเลก็บอกไปกินข้าวเช้าทันเนี่ยนะนก็กว่าออกแต่เช้ามืดเนี่ยหัวค่ำเนี่ยยังไม่ถึงเลยอ่ะคือตัวนั่นนะกินข้าวเช้าทันไม่รู้เปนแปลว่าอะไรอาจจะ ก, กินไปกินข้าวเช้าพรุ่งนี้ทันนี่ยนั่นมันก็บอกว่าชาวป่าเนี่ยไปถามบางทีเรื่องว่ามันอีกไกลเท่าไหร่นี่ไไม่ไกลเขาเนี่นะอย่าไปคิดว่ามันใกล้นะ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 ขันห้านี่ขันคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรารับอารมณ์ทวารหกไม่เคยมณสิการโดยความเป็นขันห้าหรือมณสิการก็น้อยเกินไปที่จะยอมรับว่าเป็นขันห้าอย่างที่เรียกว่าทุกขาอริยสัจชาติปีทุกขาเป็นต้นเนี่ยนะเห็นใครไปเห็นใครมานึกถึงใครมานึกถึงใครก็ไม่ค่อยคิดถึงว่านั่นคืออริยสัจนั่นคือทุกขสัจเนี่ยนะ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 ตามเป็นจริงแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ยินฟังรรทำทีเออใ ช, ใช่ใช่ใช่แล้วก็ลืมต่อเนี่ยนี่มันก็ไม่คูควรแล้วจะบรรลุเนี่ยนะแต่นี้ก็กลับไปก็ไปทำการบ้านอันนี้เยอะๆหน่อยนะนึกถึงนักเรียนเมื่อไหร่ก็ชาตินึกถึงชาติชราพยาที่มรณะอีกแล้วเนาะเนี่ยนะนะหรือไม่ก็คิดแบบนี้ก็ได้ถ้าใครสาธยายอาทิตตปริยายสูตรได้ใช่ไหมจักขโคของเราเนี่ยนะเอาไล่เป็นภายในก่อนนะจักขโค ข, ของเราเนี่ยเป็นของร้อน สีผิวของเราสีทั้งหมดในร่างกายเราก็เป็นของร้อนจิตเห็นของเราก็เป็นของรอ้อนจะนะสมอย่างประชุมกันก็เป็นของร้อนภเวทนาก็เป็นของร้อนไม่ว่าจะเป็นสุข ท, ทุกข์อุทุกขมสุขเวทนาก็เป็นของร้อนทุกอย่างร้อนเพราะไฟคือราคะถ้ามันดีเราก็ชอบถ้ามันไม่ดีไฟคือโทสะ ก, ก่เผาไม่พิจารณาไฟคือโมหะก่เผ า, านะแล้วก็ไอ้ขันอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งชาติชรามารณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาต ไอ้แนวเดียวกันเนี่ยก็นึกถึงอาจารย์สันติเหมือนกันว่าจากครูอาจารย์สันติก็ของร้อนสีของอาจารย์สันติก็เป็นของร้อนจากครูวิญญาณก็เป็นของร้อนจากครูสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกเวทนาก็เปะที่มีจากครูสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชรามรณาสโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปาย า, ยาก็เป็นของร้อนนั่นนะก็ไล่ไปหายมอ้วนไปแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ทุกคนไปก็ ถามว่าเพียงพอไหมถ้าจะบรรลุมรรคผลน่ยนะถ้าเอามาเอามาคิดอย่างนี้จริงๆเลยนะเพียงพอไหมที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำลังเนีสําคัญก็คือมันไม่คิดจะคิดน่ยสิเนี่ยเนี่ยมันยากมากไม่รู้พระจะไปจับใจตรงไหนไม่รู้ให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิขึ้นในตรงนี้ยากมากๆเลยนะคืนที่จริงถ้าน้อมไปตรึกมากๆนลนะเช่นโดยเฉพาะเอาเอาคนที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะนะเอามาคิดอย่างนี้กับทุกคนไม่เลือกแม้กระทั่ง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 ไม่ได้ประเห็นภัยในวะะัฏฏายางแรงกล้าขนาดนั้นแต่ถ้าไ ม, ไม่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็เอามาสาธยายพอเพาะเชือ้อเพาะอัธยาศัยให้กับจิตใจของเราไว้บ้างก็อัธยาศัยราคะเราก็เพาะไว้ไม่ใช่น้อยอัธยาศาัยโทสะก็เพาะไว้เป็นอันมากอัธยาศัยแห่งโมหะก็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 นิสระัตทยาสายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆกําจัดราคะโทสะและโมหะอันนี้ก็เป็นนิสอะธยาสายที่ดีสามข้อก่อนใช่ไหมคนที่ตรึกอย่างนี้บ่อยๆก็แสดงว่าต้องการวิเวกอันนั้นก็เป็นวิเวกัตธยาสายนี่เป็นกุศลเนคขมะก็เป็นเนคขมะทยาสายถ้าสลัดออกได้อย่างแท้จริงก็เป็นนิสระนัตทยาสายอัธยาสายแบบนี้ควรสมาทานควรอธิษฐานควรทําให้มีขึ้นเนี่ยนะ เรียกว่าภาษาเหนือว่าเอนดูจิตของเราบ้างเธออัน น, นให้มีอัธยาศัยอย่างนี้บ้างอีสานค่ว่าอะไรนะเหลือโตนนะเหลือ ต, อ น, นะหอตอนหน่อยเธอว่งงางั้นนะนีกรุณานั่นแหละพอมาทํานี่หน้าที่บุญประเภทแทนมัทเหสนาไหมนี่แหละมาจะไม่คิดเลยเถิดว่าใครจะไปทําหรือไม่ทําก็เข้าก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็จะไปด้วยกรรมของเราเหน็นะหมถ้าเราไปคิดแทนเข้ามากแล้วเราจะป่วยเอา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 คำประเภทนี้แหละเรียกว่าอากักโสวัสุด่าเป็นแพะแกะไก่เนื้อหมูห ม, ũ, มาสกรตัวเงินตัวทองเป็นต้นเนี่ยนายคำดาประเภทนี้แหละเรียกว่าอากโสวัสดุวัตถุที่เขาไว้ดา่ากันน่ะนะแล้วก็มันก็ทําเป็นเหมือนไม่ได้ยินนั้นคนที่อดทนก็คือไม่สนใจในเสียงอันนั้นเลยนะและเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียน ด, ด้วยการฆ่าและการจองจําเป็นต้นเหมือนขันติวาทีดาบทฉะนั้นนั่นก็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 ที่บอกว่าถ้าหากว่าชาวสุนาปรันตะเข้าด่ดานี่จะทํำยังไงพระองค์พระพระปุณธเถระก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุนาปรันตะจักด่าจักบริพาทข้าพระองค์ใสในข้อนั้นข้าพระองค์ก็จักใสใจว่าผู้คนชาวสุนาปรันตะเหล่านี้เป็นผู้เจริญหนอผู้คนชาวสุนาปรันตะผู้เหล่านี้เนี่ยเป็นผู้เจริญดีหนอ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 คือถ้านในมัชฌิมนิกายท่านเรียกว่าสุนาปรันตะท่านในตรงนี้สุนาปรันตะกะเนี่ยนะขอมาชอบสุนาปรันตะมากกว่าปรันตะ <c oughs> เดี๋ยวว่าพระอ่านหนังสือไม่ถูกอีกลําบากลและทิสู ป, ประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมเป็นผู้แม้แต่ฤาษีทั้งหลายพึงสรรเสริญฤาษีในที่นี้หมายถึงพระอริยะเนี่ยนะคือพระอริยะท่านสรรเสริญคําว่าฤาษีอีสิเนี่ยผู้สแสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะ ว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่ในที่นี้หมายถึงพระอริยะอิสิเนี่ยมาจากฤาษีฤาษีก็หมายถึงผู้สแสวงหาคุณใหญ่ศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณมีมุติคุณมีมุติญาณทัศนนะเป็นต้นพันพระอริยะหรือฤาษีทั้งหลายเหล่านี้ท่านสรรเสริญว่าคนฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการใดๆฤาษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละความลบลู่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 ยินดีไหมเวลาโกรธนะให้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกสักภาพหนึ่งนะเนี่ยสมมติถ้าเราแบบคิดเป็นคนมักโกรธ ถ, ถ้าโกรธวันละหลายๆครั้งนะเก็บภาพเอาไว้แล้วก็ประดับเอาไว้แต่ไปหมดเลยนะจะดูว่าเอ้ยยักษ์เอ้ยอยักษ์ที่ไหนมาอยู่แถวนี้นะที่ไหนได้เราเนนัอะไรนะก็คิดดูว่าตอนนี้มันยังเป็นขนาดนี้เทววิบากแห่งกรรมเหล่านี้ให้ผลในจะกรขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ระลึกว่าถ้าเราโทสะขาดคันติก็สงสัยลําบากมากนะ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 ก็ไม่บอกพร่องแล้วนะวิเวกัตทยาสัยนี่ไม่เคยคิดจะต้องอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนะนี่สารณัททยาศัยทําไมเราต้องออกด้วยเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็อันนี้แหละที่อัตทยาศยัยสองอย่างมันมาตีกันเองเนี่ยนะีก็ทั้งกุศลและอกุศลก็เป็นอุปนิสยปัจจัยไม่ใช่หรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าอุอปนิสยปัจจัยเราจะไปเก็บไว้ไหนถ้าจะเอาแต่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัตทยาศัยที่ไม่ดีก็มาแทรกบ้าง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 หรืออีกในหนึ่งท่านบอกว่าใครที่เดินเท้าเปล่าลุยข้ามจั ก, กรวาลที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงได้คนนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อันนั้นก็บอกว่าฉันนี่แหละจะเดินเหมือนกันหรือก็บอกว่าสองแขนแหวกพงตาไม้ไผ่ที่รกชัดไปด้วยน้ําเนี่ยนะแหวกด้วยมือแหวกไปด้วยอกเนี่ยลุยไปอย่างนี้แหละสุด ข, ขาดจะ ก, กี่กระลุ่งกระริ่งก็ไม่รู้นะก็บอกว่าฉันนี่แหละจะไปก็บอกว่าคนที่มีฉันท่ขนาดนี้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้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 สองสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยจะเอาของหอมไปฉาบไล้ภาษาริบุตข้างขวาจะเอามีดพร้าอีกข้างหนึ่งไปถากข้างซ้ายภาษาริบุตก็จะไม่โกรธภาษาริบุตเป็นเช่นนั้นพระโมคคลานะนเนี่ยถูกโจรเนี่ยที่รับจ้างเดรถีมาฆ่าเนี่ยทุบจนกระดูกแหลกเป็นผุยผงเรียกว่าแหลกเข้าเข้าาวสารหักน่ยนะ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 เนี่ยะก็มีนายไม่ใช่น้อยใช่ไหมที่ด่าลูกน้องแล้วก็นายก็เกิดใหม่เลยเนยี่นยนะมีไหมมีมีไม่ใช่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะจ่ายค่าไม่อดทนอันนั้นด้วยชีวิตและทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นความอดทนนั้นบางครั้งนี่จําเป็นอย่างยิ่งนะทีนี้มาดูต่อไปอีกนะว่า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 แล้วก็เดินบินทบาทไปเรื่อยชาวบ้านนี่ก็เตรียมแล้วถือไม้ถือตะบองเตรียมจะซัดไปตะพราบคนนี้แล้วนะเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่าจะทําอะไรกันบอกก็จะตีตะพราบคนนั้นอนะที่ไปทุบท่านอนะเขาตีท่านหรือนะพระสารีบุตรก็ถามว่าเขาไปตีพวกท่านหรือเปล่าบอกเปล่าก็เตะงั้นก็ตีใครตีท่านบอกเอตอตะไมาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนไพื่อตไมเนี่ยนะมันก็ตะพรามนั้นก็เลยกลายมานับถือพระสารีบุตรนี่มนไปฉัน ก็ยังตอนหลังก็หันมานับถือาศาสนาเนี่ยนะท่านภาษาริบุุจริงๆอนะ่ะท่านอดทนขนาดนั้นแต่ของอนามานี่ลองไม่ค่อยได้จะไปเล่าว่ะเออเนยนึกว่าท่านเป็นเหมือนในคำพีบ้างตัวอย่างเนอะท่านขันตินี้เป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุประสบคุณเหล่านั้นและคุณอื่นๆที่พึงสรรเสริญที่ทรงสรรเสริญ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 เราต้องดำรงอยู่ในความจริงเราต้องเปิดเผยความจริงว่าเราไม่ผิดอย่างงี้ยมาอ่านในะคนโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมต้องอยู่ในความจริงเพราอเรามันไม่ผิดเอันนั้นก็เลยโวยวายใหญ่โตโธ่สกําเริ่บคำเริบเอ้าคำเริบเอา เ, เอานี่ยนะอันนี้แหละก็เรียกว่าไม่ว่างง่าเนี่ยนะในบางกรณีเนี่ยนะถ้าเราเรื่องนั้นมันไม่เสียหายเนี่ยนะถึงเขาจะว่าเราผิดก็ไม่เป็นไรห ร, รอกเราก็ไม่ต้องไปป่วยไปไข่าตามคำร้องเขาหรอก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 เราก็จักเจริญก็จักบรรําเพ็ญท่นการได้รับโอวาตักเตือนจากเพื่อนสัพพรมอาจารย์ทั้งหลายอั น, นะท่านท่านให้ความสําคัญมากเนยนะท่านถือว่าการตักเตือนจากผู้มีคุณทั้งหลายประดุจชี้ขุมทรัพย์เนี่ยนะชี้ขุมทรัพย์เลยแหละยิ่งคนที่ตักเตือนเราเป็นบัณฑิตเป็นคนที่คิดมากใคร่ครวญมากพิจารณาโดยรอบคอบคําตักเตือนของเขานั้นมีค่ามีค่าจริงๆมีค่ามากกว่าเงินกว่าทอง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 ั่นโดยทั่วๆไปแล้วผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วยากที่จะฟังคาแนะนาและตักเตือนอันนี้โดยมากจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนี่มาขึ้นมงคลที่ยี่สิบเก้าเลยนะจันทร์สัมมนานันจะทัศนังเลยนะการเห็นสมณะคำว่าการเห็นสมณะ น, นี่หมายถึงการเข้าไปหาข้อแรกก่อนนะแล้วก็คือเข้าไปหาต่อไปก็การบารุง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 ถ้าหากว่าทายธรรมมีอยู่ก็พึงนับถือด้วยทายธรรมตามกำลังถ้าหากว่าทายธรรมไม่มีก็พึงไหว้ด้วยไหว่ยอย่างเบญจังคประดิษฐ์คือกราบเนี่ยนะเมื่อการไหว้อย่างเบญจะเบญจังคประดิษฐ์ยังไม่พร้อมก็พึงประคองอัญเชลีนมัสการเมื่อนอบน้อมอยังไม่พร้อมก็มีจิตผ่องใสแลดูด้วยจักสุขที่น่ารักคือดูด้วยเมตตาเนี่ยนะ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 การแลดูด้วยจักษุที่น่ารักหรือปิยะจกักษุเนี่ยนะจักษุอันเป็นที่รักด้วยกุศลจิตเนี่ยด้วยบุญที่เกิดจากการแลดูเป็นเหตุอย่างนี้โรคหรือโทษฝ้าหรือต่อมจะไม่มีในจกักษุเนี่ยนะถ่ายถลึงตาดูพระพุทธ ร, รูปเอาไว้กว็ระวังให้ดีคงไม่เคยนะ น, นะถ้าถลึงตาดูผู้มีศีลทั้งหลายเนี่ยดูท่าจะตาเหลือกแน่ชาบมาก น, นะะ ไปหยีตาดูเอียกข้างหนึ่งก็ตาเหล่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรอย่างยิ่งควรมองด้วยจกักรสุอันเป็นที่รักเนี่ยนะนะเพราะว่าทําให้ไม่มีโรคในจักสุตลอดหลายพันชาติเนยนะนะหลายพันชาติเลยนะไม่ใช่ชาติเดียวนะจกักรสุทั้งสองก็จะกผ่องใสมีสิริมีวันะห้าเหมือนบานประตูแก้วที่เปิดในรัตนวิมานเนะนะ ก็เป็นตาที่สวยงามน่าดูหน้าชมดูตาแล้วก็ไม่เบื่อเนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้าโทสะเป็นสมุทฐาน น, นะนะโอ้ยเหลือบตาเห็นครั้งเดียวก็พอละเนี่ยนะกลัวกลัวจริงๆเลยนะทําไมดุขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนะกันเพราฉะนั้นก็สายตานี่สําคัญมากนะมันเป็นกลุ่มจิตแต่ชรูปที่ที่สําคัญมากนะมันจะแผ่รังสีอมตะหิดก็ดูได้จากสายตาเนี่ยนะเนี่ยนะดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าสายตาอมตะหิดจังอนะๆๆไรงนะก็ดูเอา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 อันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมถ้าได้วิบากแบบนั้นแต่แม้สำหรับเดรชานบัณฑิตทั้งหลายก็เพ่งพันนาวิบากสมบัติการเห็นส ม, มณะที่เพียงทำศรัทธาให้เกิดแล้วอย่างเดียวไว้อย่างนี้ในบาลีเป็นต้นว่านกฮูกตากลมอาศัยอยู่ที่เวทียกะบันพศมาตลอดกาลยาวนานนกฮูกตัวนี้สุขแท้หนอเห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุ้งซึ่งลุกขึ้นแต่เช้า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 พระองค์กรโนโน่นะนะไอเศษถีคนนี้เป็นนายช่างทองร่ํารวยทองกันเยอะมากวันนั้นกําลังทะเลาะ ก, กับเมียอยู่พอดนะีก็มีพระภิกษุเนี่ยมาบอกว่าท่านเสถีท่านช่วยเป็นเจ้าภาพเนี่ยสร้างเจดีย์สักซุ้มหนึ่งนะแล้วนะนี่ก็เสถีนี่กําลังโกรธเมียพอดีก็เลยผ่านโกรธถึงพระไปด้วยก็บอกโน้นเอาพระธาตุของท่านไปโยนลงน้ําไปว่างั้นนะปากน้อปากว่างั้นแต่ก็เลย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 นี่ก็ขึ้นมงคลข้อต่อไปเลยนะกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตตามั ง, ามามงการสนทนาธรรมตามการก็เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญในเวลาพลบคล่ำในเวลาย่ำรุ่งเรียกว่าเช้ามืดกับหัวค่ำเนี่ยนะฝ่ายพระสูตรพิกษุนฝ่ฝายพระสูตรสองรูปสนทนาพระสูตรกัน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 เขาจะแตกฉานนพระไตรปิฎกนะผู้ที่เป็นพระวินัยทอนถ้ามีการสอบถามการวินิจฉัยการไข้ครวญพระวินัยบ่อยๆก็จะแตกฉานในเรื่องพระวินยัยผู้ที่ศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ามันสนทนาการบ่อยๆมันสอบถามกาันบ่อยๆสอบถามเทียบเคียงกันบ่อยๆก็เป็นเหตุแห่งปัญญาแต่ไม่ใช่ว่างโง่เท่ากันแล้วก็มาคุยกันนล้วไม่ก็ได้ประโยชน์สัพเท่าไหร่ดีนะ อีกคนก็สงสัยก็ไปคุยไปถามไอ้คนที่สงสัยต่อไปอี ก, ก น, นะมันจะเกิดอะไรขึ้นอนี่ยนะปกตินะถ้าคนตาบอดสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะสว่างขึ้นไหมไม่สว่างเพราะฉะนั้นก็คนที่จะจะคุยด้วยนะเลือกซะหน่อยนะจะดีมากเลยนะไม่ใช่เห็นว่าโอ้สนทนาทำตามการก็ไปเที่ยวสนทนาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะนะเดี๋ยวเพื่อจะได้ดีกลับมาน่แหละนะนะไอ้ดีที่ไม่ดีนะ เพื่อนก็การสนทนาเนี่ยนะเขาหาเลือกคู่สนทนาให้ดีๆหน่อยนะถ้าไปเจอผิดคู่แล้วจะลำบากกลับมานนะแทนที่จะฉลาดขึ้นคุยกันไปคุยกันมาเลิกเรียนดีกว่าเนาะเราวังันนะนะเสียหายมากเลยนะเพะฉะนก็คู่สนทนานี่ก็ <c oughs> ก็ระวังให้ดีๆหน่อยถ้าหากว่าเราไปคลุกคลีไปเกี่ยวข้องกับคนบางคนแทนที่จะสัมมาวาจาใช่ไหมกวาคาเลนธรรมสา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 อีสานจอดตะวันตกเลยเนี่ยนะก็ยอมคนหนึ่งก็มาจากโน่นแถวการอีกคนหนึ่งก็มาจากใต้อีคนหนึ่งก็มาจากโนนฉะเชิงเซาบางคนเนี่ยนะบางคนก็มาจากประจีนบางคนก็มาจากโคราชบางคนก็มาจากสุรินทร์เนี่ยนะมาจากอีสานก็หลายแถบก็คือสรุปว่ามากันทุกภาคนะี่มารวมตัวกันขนาดนี้เชื่อไหมคนเหล่านี้เนี่ยหาเพื่อนในทางธรรมค่อนข้างยากเนี่ยนะ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 การพูดไม่ดีเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นบาปถ้าเราคุยไม่ดีเนี่ยนะเป็นการเหมือนกับยื่นไปให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งทําร้ายพระธรรมมากขึ้นขนาดนั้นไปพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเบียดเบียนพระธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนั่นก็การที่ผู้ใดจะสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการไปแนะนําไปสนทนาเนี่ยนะเอ่าอันนี้เรียกว่าพระจีประโยคะต้องดีเยี่ยมเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้พระ อ, องค์ตรัสว่าอะไรกาละนะ กาเลนธรรมาสากชาถ้าจะสนทนาก็ต้องดูการถ้าเราไม่ดูการเนี่ยนะเราก็ไปประทุษร้ายเขาในที่สุดเราก็ดีไม่ดีนะโรคเลวก็จะเกิดขึ้นคือเราก็ตาหนิว่าเขานี่เลวมากใช้ไม่ได้เนียแต่ไม่ดีดีให้ดีเราคิดนะว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้เพราะว่าเราไม่ดูการเราไม่ดูความพร้อมของเขาเนยถ้าหากว่าเราไม่ดูกาละไม่ดูความพร้อมของเขาแล้วเราเรีบไปแสดงไปเปิดเผย เขาปฏิเสธกลับมาก็ถ้าสิ่งที่เรายื่นให้ไปเป็นของดีนะอันนะเขาก็จะเสื่อมประโยชน์เราก็จะเสียมิตรด้วยเนี่ยนะนะก็เสียมิตรในบางคนเราต้องตั้งไว้ว่าถึงถึงเขายังจะคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าทําลายมิตรภาพกันก่อนเนี่ยนะนะสักวันหนึ่งเมื่อเขาได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมเขาอาจจะศึกษาในทางนี้ก็ได้เนี่ยนะนะอย่ารีบร้อนจนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งรีบยื่นให้เนี่ยนะ อาจจะว่าเสียมิตรไปอีกคนหนึ่งก็ได้คนที่เสียมิตรไปมากๆส่วนหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะเที่ยวชักชวนคนอื่นแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามชักชวนนะแต่ว่าให้เรารู้กาละรู้เทศะรู้สถานที่เพราะสิ่งนี้เป็นสัพปริส ธ, ธรรมเนนะกาลันยูบุคคลเราก็ต้องรู้จักการซึ่งนับว่าสำคัญมากนะเนะอันที่จริงส่วนหนึ่งที่เราสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้ก็เพราะความ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 เบียดเบียนตัวเองไหมเนยนะถ้าเราพูดแล้วเราเดือดร้อนใจลําบากใจก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนถ้าเราไปพูดแล้วเขามีความสุขขึ้นไหมเขาสบายใจไหมเขาได้รับประโยชน์ไหมเขาปีติและส ม, มนัสเป็นต้นไหมอันนี้หมายถึงประโยชน์ของเขาแล้วทั้งเราทั้งเขาสําเร็จประโยชน์ไหมใกล้ชิดพระรัตนตรัยขึ้นไหมถ้าหากว่าเราวินิจฉัยในส่วนตรงนี้ไม่ดีเราอาจจะเป็นคนที่ทําพลาดแล้วก็เสียเพื่อนไปอีกคนหนึ่งก็ได้เนี่ยนะ ซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีอัธยาศัยอยู่แต่ว่าเราก็ไปตัดอัธยาศัยของเข้าเสียก่อนเพราะความที่เราไม่รู้อัธยาศัยเนี่ยนะอันตาบอดจูงตาบอดนี่ก็ลำบากจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ที่ผ่านมาในคาถาขันตีจะโสวจัสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนธรรมสะกัดชา้าเอตมังคามุตตมังเนี่ยนะก็ผ่านไปอีกสี่มงคลนนะสี่มงคล ทีนี้มาขึ้นมงคลที่สามสิบตะโปอ่านะสามสิบเอ็ดนะเมื่อกี้เนี่ยสาสิบแล้วนี่ขึ้นมงคลที่สามสิบเอ็ดว่าตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัศนังนิพพานาสัจฉิกิริยาเอตมังคามุตตมังตะบะตะบะก่อนเลยนะว่าอินทรีสังวรชื่อว่าตะบะในที่นี้เพราะคําว่าตะบะหมายถึงว่าเผาบาปประธรรม่นเอง ตะโตบตะโปหรือตะ บ, บะในที่นี้หมายถึงเผาบาปประธรรมเป็นชื่อของอินทรีย์สังวรเพราะเผาอาภิชาและโทมานัตเป็นต้นอันนะั้นว่าตะ บ, บะมีสองในนะอีกในหนึ่งวิริยะชื่อว่าตะ บ, บะหรือความเพียรชื่อว่าตะ บ, บะเพราะนั้นคำว่าตะตะโปเนี่ยนะตบะตัวนี้นี่มีสองในในแรกหมายถึงอินทรีย์สังวรก็คืออินทรีย์สังวรศีนี่นะเป็นชื่อของสตินั่นเอง อันั้สติที่ที่เกิดขึ้นสังวรไม่ให้อภิชากับโทมนั์ไหลผ่านมาทางทาวานตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่สองก็ชื่อว่าความเพียนเพราะว่าเผาวความเกียรติครานบุคคลผู้ประกอบด้วยตาบะเหล่านั้นท่านเรียกว่าอาตาปีตาบะนี้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอภิชาละโทมานต์เป็นต้นแล้วก็ยังเป็นเหตุให้ได้ฌานยา น, น คำว่าตะบะตรงนี้เอาทั้งสองในเลยนะทั้งอินทรีย์สังวรและความภาพเพียรพยายามการที่เรามีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเป็นการห้ามราคาห้ามโทสะไม่ให้ไหลเข้ามาตามทวารต่างๆในขณะเดียวกันวิริยะความภาพเพียรพยายามที่ไม่เลิกไม่ราอันนั้นก็เป็นเหตุให้ได้บรรลุชนันคําว่าตะโปรหรือตะบะในที่นี้สรุปได้สองในว่าอินทรีย์สังวรกับ ความเพียรนะนะความเพียรชื่อว่าตบะอินทรียสังวรนะเป็นการปิดไม่ให้บาปไหลเข้ามาในทวารหกนะนะในขณะเดียวกันนี้อ่ขาขณะเดียวกันนั้นบุญที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดขึ้นบุญใดที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามพอกพูนให้มียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนั้นแหละเป็นตาบะตาบะหมายถึงความเพียรนะเ น, นี่น มงคลข้ออินทรียสังวรเนี่ยนะชื่อว่าเป็นมงคลนั้นก็ผู้การนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในคําว่าอินทรียสังวรมากผู้ที่มีอินทรียสังวรหรือมีสติกเนี่ยนะอันที่จริงอารมณ์บอกเราหมดแล้วว่าอันนั้นเป็นเครื่องหมายของอะไรต่อไปใช่ไหมเพราะว่าอภิชาจะเกิดในโสภานิมิตคือสําคัญในอารมณ์นั้นว่างามโทมนัสจะเกิดใน ปฏิฆานิมิตอารมณ์ันนั้นน่าขัดเคืองถ้าไม่พิจารณาก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยนะบอกเลยถ้าโสภ า, านิมิตอันนั้นเนี่ยควรจะตามมาด้วยอะไรใช่ไหมว่าอารมณ์เนี่ยสุดยอดของอารมณ์นี้ทำให้เราทำบาปได้ขนาดไหนถ้าในแง่อภิชานะในแง่ราคาถ้ามันกำเริบขึ้นกาเริบขึ้นถ้าในด้านโทรศัพท์เมื่อเราเห็นแล้วไม่ชอบนะที่สุดเนี่ยจะนาไปสู่อะไร ไปนำสู่กาย я, ทุกข์จริญหรือวัจจีทุจริญหรือบาปอากุศลอันอื่นๆอีกก็เราดูจากอารมณ์ก็สามารถมนัิการได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นนะก็หวังอย่างเดียวว่าคงไม่จุติในตอนนั้นใช่ไหมเพราะถ้าจุติในตอนนั้นเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้คติสองคือนรกกับเดรฉาน น, นะนะถ้าถือโดยอภิชากับโทมนัสเพราะฉะนั้นโอตตะ ป, ปะอันนี้ต้องมีเป็นก่อนนะว่า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 ฮิริก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหิริโอตะ ป, ปะนี่จะช่วยทําให้อินทรีย์สังวรของเราเนี่ยดีขึ้นมีกําลังมากขึ้นหมั่นมณนาสิการเอาไว้บ่อยๆเถอะอันนั้นแหละเป็นอินทรีย์สังวร อ, อย่าลืมนะหิริโอตะ ป, ปะเป็นเหตุใกล้ของอินทรีย์สังวรเพราะตัวอินทรีย์สังวรเป็นชื่อของสติสตินี่หมายถึงรู้คติแห่งธรรมทั้งปวงทั้งธรรมที่มีโทษทั้งธรรมที่ไม่มีโทษทั้งธรรมดำธรรมขาว น, นะวิบากแห่งทำดำทำขาวเป็นต้นเนี่ยสติเนี่ยจะรู้แบบนั้นอ น, นะไม่ใช่ว่าสักไปว่าเออเนี่ยสีแล้วก็พอเรียกว่าเชื่อว่ามีสติสังวรแล้วไม่พอพันสตินั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราลึกถึงกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเป็นต้นเพราะการถือโดยสุภานิมิตนะจะล่วงกรรมบทข้อใดได้บ้างในระยะยาวเนี่ย ถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตจะล่วงอกุศลกรร ม, มบทอะไรบ้างในระยะยาวเราต้องฝึกคํานวณลักษณะนี้เนี่ยนะเพราะถ้าล่วงอกุศลกรร ม, มบทแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่โลกนี้เป็นแน่ไม่เป็นประโยชน์แก่โลกหน้าเป็นแน่เนี่ยนะทำลายประโยชน์ทั้งปวงของเราทั้งหมดอันผู้ที่หมั่นระลึกได้แบบนี้นั่นแหละเรียกว่ามีสติเนี่ยนะมีสตินั้นความเป็นพหูสูตรนั่นแหละช่วยในด้านการมีสติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ โทษของการปล่อยตาให้สอดสายหารูปอันเป็นที่รักเนี่ยนะปล่อยหูไปหาเสียงที่ไพเราะสนอสดที่เราต้องการถ้าไม่รู้ทุกรู้โทษนี่ก็นับว่าอันตรายมากเนี่ยนะอันตรายต่ออะไรรู้ไหมอันตรายต่อพรหมจันทร์อันตรายต่อไต ร, ตตรสิกขาของเราไตรสิก ข, ขานี้ถือว่าเป็นสมบัติที่เราควรรับจากพระพุทธเจ้าพอเราไปเลิดปล่อยทวาเรเหล่านี้นะสิก ข, ขาสามเสียหายหมด นโคปารากาัสูตรนั้นกล่าวอินตาหูจมูกลิ้นกายใจประดุดแผลอัะ น, นะจะต้องรักษาประดุดคนปิดแผลท่านบอกว่านายโคบานผู้โง่เขาวเวลาโคมีแผลก็ไม่ยอมปิดแผลให้โคเพราะฉะนั้นพวกมแมลงวันก็มาไต่ตอมแล้วก็ปล่อยไ ข, ข่้างก็คือไขแ่แมลงวันเนี่ยใส่ไปแผลนอนก็เริ่มอะ น, นะไอไข่อันนั้นเนี่ยกลายเป็นนอนมันก็ชอนชไปเรื่อยโคก็ถึงความ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 ปัญญาวิมุตติยานัทสนะธรรมะห้าอย่างนี้เรียกว่าธรรมขันหะกองแห่งธรรมะห้าประการอันอินทรีย์สังวรนี้ก็สําคัญส่วนความเพียรนะนะตะบะที่เรียกว่าความเพียรก็สําคัญเพราะว่าตัวความเพียรอันนี้เป็นตัวกําจัดบาปแล้วก็เป็นตัวเพิ่มพูนบุญนะนะถ้าหากว่าผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะรับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าถือโดยสุภาพนิมิตเนี่ยนะแสดงว่ากรรมฐานไหนอ่ออะไรอ่อน กายานุปัสนาหรืออสุภาพกรรมฐานอ่อนถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตเนี่ยอะไรอ่อนเมตตาอ่อนเนี่นะเมตตาอ่อนหรือเวทานานุปัสนานี่อ่อนมากเพราะฉะนั้นถ้าอ่านจากอารมณ์เนี่ยบอกได้เลยว่าในที่สุดจะล่วงไปสู่อะไรแล้วก็อ่อนในเรื่องอะไรกรรมฐานอะไรไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักไตรคร น, นักพิจารณามากๆก็จะเห็นเลยว่าอินทรีสังวรกับความเพียร น, นั้นเป็น ตบะที่เป็นมงคลจริงๆเป็นเหตุแห่งความเจริญเพราะว่าคุณธรรมชั้นอินทรีย์สังวรตาบะตัวนี้เนี่ยแปลง่ายๆหมายถึงเจตุปาริสุททิสินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญได้อย่างนี้อินเจตุปาริสุททิศินดีใช่ไหมเพราะว่าสติสัมชัญญะเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรเป็นอาหารของสุจริสามสุจริสามเป็นอาหารของสติประธานสี่สติประธานสี่เป็นอาหารของ พ่อชองเจ็ดพ่อชองเจ็เป็นอาหารของวิชาและวิวมุตเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรตัวนี้ก็เท่ากับกล่าวสุจริตสามหรือจะตก ป, ปาริสุทิศี เ, เรียบร้อยแล้วทีวนี้มาดูว่าเมื่อมีอินทรีย์สังวรอย่างนี้เข้าก็ประพฤติพรหมจรรย์นะนะแต่ถ้าสับว่าพรหมจรรย์นะโดยสับนี่หมายถึงเมถุนวิรัตก็มีหมายถึงสมณธรรมก็มีหมายถึงาศาสนาก็มีหมายถึงอารยมรรคก็มี พรหมจรรย์นี้มีอยู่สี่ความหมายหนึ่งเมถุนวิรัติสองสมณธรรม 3. สามศาสนาสี่อริยมรรคข้อแรกนะพรหมจรรย์ที่หมายถึงเมถุนวิรัติท่านเรียกว่าพรหมจรรย์เหมือนคําว่าละเมถุนวิรัติเป็นพรหมจารีอย่างในที่นี้หลายท่านก็เป็นพรหมจารีบุคคลใช่ไหมเพราะสมาทานอุโบสถสินท่นะยมวุ่นสมมาทานอุโบสถสินก็เป็นพรหมจารีบุคคลประพฤติพรหมจรรย์มา ง, งั้น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 นันคําว่าศาสนาก็เป็นชื่อของพรหมจรรย์แต่ดังเราคุ้นเคยกันบ่อยๆใช่ัหมศาส์ทั้งสัพยัญชนะเกวราปริสุทังป ร, รมจริยังประกาเสสีเนี่ยนะพรหมจริยังคํานีนะ้หมายถึงศาสนาพรหมจรรย์หมายถึงอะไรไตรสิกขาหมายถึงไตรสิกขาเพราะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดก็สอนอยู่ในหลักไตรสิกขาถ้าสอนเรื่องการละอกุศลอยู่ชื่อว่าสอนเรื่องไตรสิกขาอยู่ไหม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 ก็คือแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าไม่แต่งงานตลอดชีวิตวนะั่นก็ลูกของพระเจ้ากิงกิทั้งหมดเนี่ยนะประพฤติโกมาลีพรหมจรรย์ทั้งหมดเล ย, เยนะอดีตชาติของพระนางโคตมีอดีตชาติของนางอุบลวรรณาเทรีเป็นต้นเนี่ยนะพะนางเขมาทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมงคลใช่ไหมเมื่อประพฤติมงคลอย่างนี้ท่านก็เลยเป็นผู้ที่มีปุเพกะตะปุญญาตา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 ถ้าเห็นทุกขสัตมนี่เห็นว่าอย่างไงปีละเนะบียดเปียนถ้าเห็นสมุทัยสัตว์อายุหนะนำเกิดถ้าเห็นนิโรธสัตว์จะนิสรณะนะเพราะอัฏฐาว่านำออกไม่ใช่สลัดออกคือสภาวะของนิโรธเนี่ยสลัดออกส่วนอริยมรรคนี้เป็นนิยานิกะคือนำออกตัวตัวอริยมรรคนี่ยเป็นตัวที่นำออก ตัวนิสระนาเนี่ยเป็นสภาพที่สลัดออกตัวที่สลัดออกกับตัวที่นำออกในคุรานตัวที่นำออกนั้นหมายถึงอริยมรรตตัวที่สลัดออกเป็นชื่อของพระนิพพานนะอันท่าเห็นได้แบบนั้นก็นับว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเมื่อไรเนาะเราจะลืมตายอย่างนี้แล้วเบียดเบียนเยนา ป, นะปีลณโถนนะปรกรพร้อมหนระือยงลืมตาปั๊บก็ปีลณโถเลย รูปูปาทานอาคารก็เบียดเบียนใช่ไหมเวทโนปาทานอาคารก็เบียดเบียนสันญูปาทานอาคารก็เบียดเบียนสังคารูปราทานอาคารวิญญาณูปาทานขันารขันทุกขันมีอัตถว่าเบียดเบียนอีกชื่อหนึ่งถ้าเราจะใช้คําว่าเข้าใจาชัดก็คือผู้ฆ่าขันห้าทุกขันนี้ก็คือเป็น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 เห็นสัมมาทิฏฐิขึ้นเลยก็คือเห็นอะไรเห็นอริยสัจได้ยินเสียงก็ได้ยินอริยสัจหายใจหืดเข้าไปก็เห็นอริยสัจอีกอแจ๋อมากเลยนะชิมอหารอร่อยอร่อยก็เห็นอริยสัจอีกนรับกระทบโพภธาเนี่ยนะเนี่ยอากาศขนาดนี้เป็นยังไงก็นี่ก็คือเห็นอริยสัจเข้าอีกคิดเรื่องอะไรก็เห็นอริยสัจไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นมงคลมากเนี่ยนะอันนั้นทฤษ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 คือตัวตันหาเนี่ยในฐานะเป็นเหมือนอะไรเหมือนแม่แต่แม่เนเดียวอยู่ได้ไหมไม่ได้พ่อด้วยใช่ไหมนั่นแหละตัวกำนี่ตัวร้ายกาบนักเลยเพราะว่าขอให้มีตันหาสักอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดึงเอากรำดวงที่สองถึงดวงที่หกแม้เมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็เข้าไปดึงมาได้ก็แล้วกันน่ะเขาเก่งขนาดนั้นนะตันหาเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพลิดเพลินดูว่าไม่มีโทษแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหม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 อนณาฉบับพมา่ามีหน้าอักษรอยู่ด้วยแต่ฉบับไทยไม่มีหน้าอักษรณก็แปลว่าไม่ใช่ไหมตกคำว่าไม่ไปคํานึงพระพุทธศาสนเนี่ยนะตั้งกต่ออกบทประพฤติพรหมจาร์มาไม่เคยคิดถึงบ้านด้วยอํานาจฉันทราคะเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่เรียกว่าอากุศลวิตตกของท่านก็คือท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นภูมิภาคที่อู้ดูสวยนะอันนั้นแหละที่เรียกว่าเออนี่อกุศลวิตตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราย่อมเป็นไปเพื่อ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 ไม่ได้สงเคราะห์ผู้อื่นก็เปรียบอุปมาเหมือนเบียดเบียนผู้อื่นเพราะไม่ได้บรรลุก็ไม่ได้ช่วยเข า, านะแล้วก็ปัญญาก็ดับต้องดับล ง, งนะชาญสมถาวิปัสสนาก็จะดับถ้าหากว่าปล่อยให้อกุศลวิตกเหล่านั้นเจริญขึ้นเกิดขึ้นนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่เห็นทุกเห็นโทษเห็นภายของอกุศลวิตกทั้งหลายเพราะฉะถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องอริยศาสการที่ถึงอริยศาสได้บ่อยเท่าไหร่อันนั้นเป็นเนเขมมะสังกปะ เป็นกุศลสังกปะเป็นสัมมาสังกปะและลนึกเธอเนึกเธอไออย่างอื่นเราก็นึกมาตั้งมากมายใช่ไหมไอรูปหล่อนี่คุณกิลาวันคิดไม่กี่ครั้งแล้วสุดหล่อตัวนั้นนะเนะอ๋อนะหาทางออกจนได้เชื่อเหรอไห <c oughs> น, น, นก็คิดถึงมันต่อไปกันแล้วครับระวังเน้อไปเกิดเป็นเห็บเป็นเหาอยู่แถวนั้นอย่าลำบากเพันธะถ้าถ้าเราไม่คิดถึงอริยสัจเอาไว้บ่อยๆเนี่เสียหายมากนเนี่ย นั่นแหะเป็นโทษของการเกิดแล้ไอ้สุดหลอนถ้าไม่เกิดมันไม่ทุกขนาดนั้นหรอกนะมีหมาอยู่ตัวหนึ่งฟันก็โผล่อะไรก็เต็มทีแล้วนะแล้วก็สุดรนะ้อนนั่นแหละอายุสิบห้าสิบหกปีแล้วนะถ้าเป็นมนุษย์ก็สักเก้าสิบเศษแล้วล่ะเนี่ยนะแต่นี้เป็นหมาก็เลยอายุสิบห้าสิบหกปีนี่ก็หนักหนาสาหัสมากๆเลยแหละคุณเวลาวันก็ใจดีใจดีเนี่ยนะหวงแหนมันมากอนะดูแลมันอย่างดีเยี่ยมนะนะนะ อ๋อเอาเออมีเหตดผลจนได้อะเนะชออ่ะแล้วก็คิดดูนะไม่น้อมไปเพื่อเห็นเป็นปีละนัดโถเลยใช่ไหมเออนะขนาดนั้นยังไม่น้อมไปเพื่อให้เห็นปีละนัดโถพอแล้วคุณไม่ต้องว่าแล้วมารู้แล้วล่ว <c oughs> นะทำให้ในอารมณ์อื่นๆก็ในยะเดียวกันนะไม่ค่อยนึกไปในสภาพว่าคันห้าเบียดเบียนอย่างแท้จริงไม่ยอมน้อมนึกไปนะอันนี้ยกตัวอย่างอ่ะนะ แล้วคุณนิราวันจะเหงาสัก่อนนะคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันวัตถุทั้งหลายที่เรานึกถึงเนี่ยจริงๆวัตถุนั้นเป็นสภาพที่ปีลณนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนวิปรินามะแปรปรวนล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือสังคตะแต่เราก็ไม่ไม่ค่อยน้อมไปพิจารณาใครครวญในในลักษณะนั้น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 นรกปิดโดยประการทั้งปวงอบายทุคติวินิบาตปิดเนี่ยนะกระบว่า น, นิยโตสัมโพธิปรายโนนิยโตนี่เป็นความแน่นอนของอริยมรักสัมโพธิปลายโนข้างหน้าบรรลุอารยมรักชั้นสูงแน่นอนเนี่ยนะโสตาปฏิยังฆ่าธรรมเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะไม่ทอดทิ้งในการตรก ล, ลึกถึงอริยศาสตร์เนี่ยนะอันที่จริงแล้วอริยศาสตร์เนี่ยนะมันมั น, ม, นมันทุกขศาสตร์มากเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเห็นนะศัตว์นี้ไม่ค่อยเห็น เพราะพยายามเห็นในแง่อัาธาอยู่ตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ทุกข์สัตว์นะมันปัญหาสารพันอยู่ในนั้นอ่ะแต่ก็ยังนื้อไปหาอัาธะจนได้ในโลกนี้นะเชื่อไหมใครที่มองเห็นอัาธาในขันห้ามากคนนั้นจะได้รับการยกย่องมากว่าโดย ร, มรวมๆนะเนี่ยนะทันะ้งพวกที่หยิบอัาธะของสิ่งต่างๆมาพูดได้เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปเนี่ยนะ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 แต่ลือว่าถ้าเป็นเดรชาณน่ะหมดโอกาสไม่ต้องเสียใจแล้วเพราะโง่เกินกว่าที่จะรู้จักคําว่าเสียใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไปนรกข้อ ย, อยังชั่ว ย, ยังพอระลึกอะไรได้บ้างแต่ถ้าเป็นเดรชานทั้งหลายเมื่อเช้าเนี่ยปล่อยสัตว์เนี่ยสัตว์มันว่าอย่างไรบ้าง <c oughs> นั่นนะมันดีใจมากเลยนะที่มันรอดตายเนี่ยนะมันจะได้ไปหามาหาพูดต่อเนี่ยนะก็ก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆส่อแสวงหามาหาพูดห่วยหิวอยู่มาหาพูดลำบากเรือดร้อนในเรื่อง มหาพูทเราถ้ามาใหม่ก็มาบริหารมาหาพูทอีกต่อไปเนี่ยนะก็ดูแลมาหาพูทปรับปรุงมาหาพูทธบำรุงบำรเรอ ม, มาหาพูททั้งภายในมาหาพูทภายนอกอะนะนี่ก็ได้เกือบได้เวลามาหาพูทพักผ่อนอีกแล้วนีนะ <c oughs> ก็วุ่นวุ่นอยู่ในมาหาพูทนี่แหละนะงั้นถ้าหากว่าแทงตลอดอริยสัตว์ก็พ้นจากมาหาพูทที่เป็นอาบายนะะอริยสัตว์นั้นตรัสรู้เนี่ยถ้าใช้คําว่าอริยสั์นะเท่ากับแสดงอริยมรสีอยู่แล้ว ทั้งนะเพราะว่ามรรคสัตว์นี้เป็นทั้งโสดาปฏิมรักสกาธาคามิมรักอนาคามิมรักและอรหัตตมรักเนี่ยนันการเห็นอริยสัตว์นี่นับว่าเป็นมงคลมันสัสตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นอริยสัตว์นับว่าอัปมงคลก็หมู่เดรชานทั้งหลายนั่นแหละผลของการไม่เห็นอริยสัตว์นะเห็นเดรชานที่ไหน น, น้อมใจเธอว่านั่นเพราะเขาไม่เห็นอริยสัตว์เราทั้งหลายถ้าไม่เห็นอริยสัตว์เราก็จะเป็น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 ร้อยเอาไว้ให้ติดไว้ในเปรตเดรัจฉานและมนุษย์ร้อยเอาไว้ในเท ว, วดาทั้งหลายพันตันหาเนี่ยเป็นตัวร้อยตัวรัดตัวผูกตัวมัดถ้าใครเย็บผ้านะแล ะ, ละลึกถึงเสมอว่าตันหานี่แหละมันร้อยให้ติดเอาไว้ในคติห้านั้นการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะสําหรับผู้ที่บรรลุอรหัตผลนี่ก็นับว่าเป็นมงคลอย่างเยี่ยมเลยนะผ้าทหารทั้งหลายนี่จึงเป็นมงคลนะ องค์แห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปที่ไหนก็เป็นมงคลอย่างเช่นที่ในคัมพีมังคะระีปณีก็นับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมงคลพระธรรมก็เป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นมงคลัน้นผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ถึงระดับอรหั ต, ตผลนี้จึงเป็นมงคลการถึงหรือการพิจารณานิ้พานนั้นคืออรหั ต, ตผลเนี่ยนะคือการทําให้แจ้งพระหนิ้พานนอกนี้สําเร็จได้ด้วยการเห็น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 องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สละแม้กระทั่งความสุขระดับสูงสุดมาเพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยสัตว์ทั้งหลายเวนยะเวไนนยนีน้มาจากวิไนเวนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่ควรแก่วิไนควรแก่สังวรวิไนและควรแก่ปหานวินไนพระองค์นี้เสียสละความสุขทั้งมวลเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายที่จะมีปหานวินัยกับสังวรวิไน แต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นๆนะนะพระองค์มองไม่เห็นคําว่าไม่เห็นคือไม่เห็นวินัยอะไระมีอยู่ในเขาถ้าไม่เห็นว่าสมควรจะมีวินัยในตัวเขานะพระ อ, องค์จะหลีกเล้นเนะี่ยะถ้าไม่คู่ควรแก่สังวรวินัยและปะหานวินยัยพระ อ, องค์จะไม่ไปโปรดเลยอันเราทั้งหลายก็หมั่นสังสมอุปนิสัยแห่งอะไรวินัยเนี่ยนะสังวร ว, วินัยกับปหานวินัยเอาไว้ให้ดีจะได้เป็นพุทธเวไนยเป็นต้นในอนาคตเนี่ยนะ คาถาที่ผ่านมาว่าตโปจะพระมจริยจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกิริยาเอตมังคลมุตตมังคถ า, านี้เนีเป็นคถ า, าที่ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในคาถาเดียวเพราะว่าตโปหรือตบะอันนี้หมายถึงจะตก ป, ปาริสุทิศีลสมณะธรรมหรือพรหมจรรย์ก็หมายถึงสมณะธรรมก็เน้นไปที่สมถะเป็นต้นเนี่ยนะการเห็นอริยสัจนั่นแหละเป็น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 พุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานกรรมปติอโศกังวีราชังเขมังเอตัมมังกลมุตตะมังเนี่ยนะพุทธสโลกธรรมเมหิก็หมายถึงว่าพุทธะตัวนั้นแปลว่ากระทบนะนะโพธะนะพุทธะแปลว่ากระทบกระทบกับโล ก, กธรรมนะนะคว่าพุทธะแปลว่าถูกต้องประสบหรือว่าถูกแล้วต้องแล้วหมายว่าการกระทบนั่นเองการกระทบกับโล ก, กธรรมคือธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ใน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 แก่ตนแก่ตนใช่ไหมบางคนก็ในลาบบางคนก็เสื่อมลาบบางคนก็มียศบางคนก็เสื่อมยศบางคนก็นินทาถูกนินทาบางคนก็ได้รับคําสรรเสริญบางคนก็กําลังรับสุกรับทุกข์อยู่ในขณะนี้ความสุขความทุกข์ที่นั่งอยู่ตอนนี้ไม่เท่ากันนะบางคนนี่ทุกขากายยวิญญาณกลุ่มรุมมากนะนะบางคนก็สุขขากายยะวิญญาณก็มีมากพราะแต่ละคนก็จะ ไม่เท่ากันมันโลกกระทมทั้งหลายก็ไม่ได้ละเว้นใช่ไหมถ้ายิ่งสุขทุกเนี่ยนะถ้ามีทวารหกเนี่ยไม่มีพน้นเลยนะเพราะทวารหกเป็นที่ตั้งแห่งสุกและทุกทั้งมวลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตของผู้ใดที่ถูกโลกกระทมอย่างนี้กระทบถูกต้องแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนก็คือจิตของผู้ใดอันโลกกระทกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตของผู้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็น มงคลเพราะนำมาซึ่งสุขสูงสุดเรียกว่านำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกคือเข้าถึงโล ก, กุตระนะนะขอทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งว่าโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์นะทุกนินทาเสื่อมยศเสื่อมลาบอยู่ในฝักฝ่ายแห่งทุกขสัตว์ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโลกธรรมฝ่ายดีมากก็กําลังพอกพูนสมุทยัทยสัตว์อยู่ถ้ากําลังรับโลกธรรมฝ่ายร้ายทุกข์สัตว์กำลังปรากฏเนี่ยนะ<ม>แปลว่าถูกสัตว์เบียดเบียนอยู่เนี่ยนะไม่ดีทั้งอย่างสาธุสาธุขอให้เห็นอย่างนี้เถอดเนี่ยนะจากพ้นทุกข์แน่แล้วก็ถ้าจิตของผู้ใดเหนือโลกธรรม ท, ทั้งสุขทุกข หมายความว่าโลกกระทำฝ่ายไม่ดีเขาก็ทําปริญญาโลกกระทำฝ่ายดีก็ตัดฉันธราค้าได้จิตนี้นี่แหละเรียกว่าจิตสูงสุดเป็นจิตที่เป็นมงคลจริงๆนะนะอย่างเช่นจิตของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเสด็จไปทุกคนทุกแห่งโดยที่ไม่ถูกโลกกระทำชาบทาในจิตของพระองค์เลยเพราะนนั้จิตของพระอรหันตะ์ะคีณาศพนั่นแหละคือจิตของพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะนั่นแหละจิตนั้นแหะจึงเป็นมงคล ที่พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าภูเขาหินแท่งนะทึบแท่งเดียวย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำทั้งสิ้นทั้งอิทธารมณ์ทั้งอนิถารลมย่อมทําจิตของท่านผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ก็ฉันนั้นด้วยว่าจิตของท่านที่มั่นคงหลุดพ้นแล้วย่อมเห็นความเสื่อมอยู่หนึ่งๆคงเคยได้ยินนะว่ากําลังของพระ่าหันคืออะไร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 ชั่นานอย่างมากนะเพราะฉะนั้นไอความที่ท่านเห็นความเสื่อมคือความไม่เที่ยงของสังขารอยู่เนืองๆแล้วท่านเห็นกิเลสกรรมทั้งหลายประดุดฐานเพลิงจิตของท่านจึงโอนไปในวิเวกเงื้อมไปในวิเวกดารงมั่นอยู่ในสติปัะฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ท่านจึงไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่เป็นโลกิยะทั้งมวลเนะเพราะจิตของท่านไม่ได้มุ่งมาสู่สิ่งเหล่านี้เลยยนะ คนที่ยังถูกโลกกระทำครอบงำอยู่ก็เพราะว่าตัวเองนี่สยบกับโลกกระทำคือเพราะตัวเองสยบกับโลกจึงถูกโลกกระทำย่ำยีฮั้นผู้ที่ออกจากโลกแล้วเนี่ยนะก็ไม่ถูกโลกกระทำครอบงำย่ำยีอะไรฮัลฮัลคนที่ถูกโลกกระทำครอบงำอยู่ก็คือผู้ต้องการโลกผู้ยินดีในโลกก็เลยถูกทําประจําโลกเล่นงานเอาหน้าดูเลยนะเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียะได้ก็คือลาบมันนะ เสียก็เสื่อมลาบใช่ไหมเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็ถูกชมเดี๋ยวก็ถูกด่านเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละส่ว น, นจิตของพระราหานี่ท่านไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งมวลจึงอยู่จิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าอาโสกะอันนี้มงคลข้อที่สิบหกเอ่อขอไปข้อที่สามสิบกนะอาโสกังอาโสกะแปลว่าไม่เศร้าโศกนะอย่างเช่นอโศกะนี้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 เขมะเกษฉันนั้นพรานอโศกังวีรชังเขมังนะอโศกังเนี่ยอโศกะเป็นมงคลที่สามสิบกใช่ไหมวีรชาวีรชังนี่เป็นมงคลที่สามสิบเจ็ดเขมะเขมังเป็นมงคลที่สามสิบแปดพันจิตของพระอรหันเนี่ยอโศกะไม่เศร้าโศกวีรชาปราศจากทุลีเขมะเกษจริงอย่างนั้นจิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าวีรชาเพราะปราศจากละอองกิเลสมีราคาโทสะโมหะเป็นต้น เชื่อว่าเขมะเพราะปลอดจากโยคะทั้งสี่เนี่ยนะกป็ปลอดปลอดโปร่งจากโยคะทั้งหมดเพราะชนะเพราะว่าจิตทั้งสามอย่างนั้นโดยที่ท่านถือเอาแล้วในขณะจิตเป็นไปในอารมณ์นั้นๆโดยอาการนั้นๆพึงทราบว่าเป็นมงคลอันนันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยมงคลดังกล่าวไปก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเออมงคลที่สามสิบห้านะอะโเออไม่วันไหวไงอันนะ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 มีความเป็นผู้มีขันอันไม่เป็นไปแล้วหมายคามว่าขันในวัฏฏะจะสิ้นสุดหลังจากจุติไปเนี่ยนะหลังจากจุติแล้วก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นสัทีหนึ่งเพราะนำมาซึ่งความเป็นอาหุนายะบุคคลเป็นต้นหลังจากนั้นท่านเป็นสุดยอดของนาบุญนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะว่าอย่างของที่เล็กน้อยของผู้ที่กราบสการะเคารพกราบไหว้ยังผลอันไัยบุญ หาประมาณไม่ได้ให้เกิดแก่แก่ผู้ที่ที่เป็นทายกเนี่ยนะแม้กระทั่งท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ที่ปฏิบัติตามมงคลจนครบทั้งสามสิแปดเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นสัตว์บุรุษควรครบหาเป็นต้นเนี่ยนะถือว่าเป็นบัณฑิตที่ควรเคารพเนี่ยนะเป็นปูชนียบุคคลที่ควรกราบไหว้ทั้งหดเนีคค่ยนะท่านเหล่านั้นก็เป็น เป็นมงคลเคลื่อนที่ได้เลยนะนะั่นแหละสรุปที่ผ่านมาก็ผ่านไปทั้งสามสิบแปดมงคลนะนะสามสิบแปดมงคลนะั้นมีอะไรบ้างนะทบทวนไปดูหน้าแรกที่เรียนครั้งแรกๆเลยนะหนึ่งนะมงคลที่หนึ่งไม่คบคนพาลมงคลที่สองการครบบัณฑิตมงคลที่สามการบูชาผู้ที่ควรบูชามงคลที่สี่ก็คือการอยู่ในประเทศอันเหมาะสม มงคลที่ห้าคือความเป็นผู้มีบุญอันทาไว้แล้วในชาติก่อนมงคลที่หกการตั้งอัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ชอบมงคลที่เจ็ดความเป็นพหูสูตรมงคลที่แปดความเป็นผู้มีศิลปะมงคลที่เก้าวิในที่ศึกษาดีแล้วมงคลที่สิบมีวาจาสุภาษิตมงคลที่สิบเอ็ดบำรุงมารดา มงคลที่สิบสองบำรุงบิดามงคลที่สิบสาสงเคราะห์บุตรและเริยามงคลที่สิบสการงานอันไม่าอากลมงคลข้อที่สิบห้าทานมงคลที่สิธหรทมจริยาประพฤติธรรมมงคลข้อส7บเจ็สงเคราะห์ญาติมงคลที่สิบปดการงานอันไม่มีโทษมงคลที่ส9บเกาการงดเว้นจากบาป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 มงคลที่ยี่สิบหกการฟังธรรมตามการมงคลที่ยี่สิบเจ็ดความอดทนขันตินะมงคลที่ยี่สิบแปดความว่า ง, ง่ายมงคลที่ยี่สิบเก้าการเห็นสมมาณะมงคลที่สามสิบการสนทนาธรรมตามการมงคลที่สามสิบเอ็ดตบะมงคลที่สามสิบสองพรหมจันทร์มงคลที่สามสิบสามการเห็นอริยสัจมงคลที่สามสิบสี่ การทำอรหัตผลให้แจ้งนิพานตัวนั้นเป็นชื่อของอรหัตผลมงคลที่สามสิบห้าไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมมงคลที่สามสิบหกจิตที่ไม่เศร้าโศกมงคลที่สามสิบแปดเออสามสิบเจ็ดไม่เศร้ามองด้วยละอองกิเลสเขมะเออวีราชะเนี่ยนะวีราชะไม่เศร้ามองด้วยกิเลสมงคลสุดท้ายก็เขมะเกษมปลอดปโปรง่ง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 สิ้นไปเนี่ยนะก็ถือว่าทำลายความอับประมงคลได้สิ้นเชิงเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะเป็นผู้ที่ไม่มีอุปธวะไม่มีอุปสรคประเสริมปลอดโปร่งไม่มีภัยในที่เฉพาะหน้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มงคลทั้ง38ดนี้ก็รับว่าเป็นมงคลที่เป็นไปเพื่อความสวัสดีในที่ทุกสถานเนี่ยนะก็บอกว่าตอนท้ายสุดของเทสนา ม, มงคล38ดนี้เทวดาบรรลุแสนโกรธ พระโสดาบันสกท า, าคามีอนาคามีนับประมาณไม่ได้แล้วของเราละ่ะก็ได้ฟังมงคลแล้วนะก็ถ้าปฏิบัติตามมงคลอย่างไรเราก็ถึงมงคลท่านสูงสุดใช่ไหมมงคลที่สูงสุดก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมที่สุดแห่งวัตทุกได้ทีนี้มงคลเหล่านี้เนี่ยนะทั้งสามสิบปประการเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ใดไปปฏิบัติไปเจริญตามมงคลเหล่านี้ก็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 เพราะว่าแต่ถ้าสําคัญที่สุดนะมงคลทั้งหมดเนี่ยข้อไหนสําคัญที่สุดออกมาว่าข้อหนึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะการครบคนพาลเนี่ยนะถือว่าความเสียหายที่สุดทีนี้ก็อย่างที่ว่านะถ้าคนนั้นเป็นเราจะว่าไงอนะ่ะอันนั้นก็เสียหายที่สุดเหมือนกันหวังว่าเราทั้งหลายคงจะไม่เป็นพาลตัวเองจะได้ไม่คบคนพาลสัทีหนึ่งนะเพราะคนอื่นเราจะไปทําอะไรเขาได้อะนะ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 ก่อนก่อนก็ไปสนับว่าบูชาจาักปูชนียานางบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยอมิตเนีพร้อมทั้งการรักษาศีลการให้ทานการฟังธรรมอันนับเสียงเหล่านี้ก็นับว่าเป็นมงคลที่เราทั้งหลายได้ทําดีแล้วมันด้วยอํานาจแห่งมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติในกุศลธรรมจริยาทั้งหมดที่ได้กล่าวไปขอมงคลเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัย เป็นปัจจัยที่มีกำลังให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ น, นะบันลุกเข้าถึงมงคลทั้งสาสิบแดที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วทุกคนทุกท่าน